จเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านที่มีความสนใจในธรรมะปฏิบัติของพระพุทธเจ้าวันนี้เราก็จะมาสนทนาถามตอบคำถามกันอีกครั้งหนึ่งทุกท่านที่สนใจสามารถเข้ามาร่วมสนทนาถามตอบได้ถ้าไม่มีคำถามก็ดูผ่านทาง Facebook เฟซบ o ๊กไลฟ์ไปถ้าอยากจะถามคำถามก็เข้ามาทางซูง ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลารอคิวเพราะเราคุยกันได้ทีละคนอันนี้เราไปที่ท่านแรกก่อนคุณสาธกาใช่คุณสาธกาอ่กรรมนรมัส ก, การ์พระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์อธิบายอะค่ะ ธรรมานุปัสสนาค่ะว่าคืออะไรแล้วทีนี้ที่อ่านแล้วไม่เข้าใจก็คือการพิจารณาสติปัฏฐานสี่ให้เชื่อมกันเข้าไปในองค์ธรรมานุปัสสนาค่ะสติปัฏฐานจะกลายเป็นธรรมแท่งเดียวเนี่ยค่ะมันคืออะไรคะอาจารย์คือธรรมานุปัสสนาก็คือการใช้ธรรมะในการปฏิบัติสติปัฏฐานสีเนี่ เวลาเราเจริญสติเวลาเรานั่งสมาธิอนาปนาสมาอานาปนาสตินี้เรากําลังเจริญธรรมานุปัสสนาเรากำลังเจริญสติธทมเจริญสมาธิทำเวลาเราพิจารณานั่งกายว่าเป็นไตรลักษณ์เวลาพิจารณาเวทน า, นาจิตเป็นไตรลักษณ์อันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมานุปัสสนา อ๋อเ่านั้นเองไม่จําเป็นที่จะต้องไปสนใจอ๋อค่ะสนใจที่สติเป็นหลักก่อนฝึกสติให้มากมากให้ควบคุมความคิดตรงแต่งให้ได้ทําจิตให้สงบให้ลงเป็นสมาธิให้ได้ค่ะพระอาจารย์มันเข้าได้แต่ทีนี้ยตอนหลังนะคะมันจะเป็นลักษณะเหมือนอย่างก็เราหายใจเพื่ออะคะ่ะ ก็นาจะเวลาจิตสงบมันจะรู้สึกมันหายถอนหายใจเฮือกสุดท้ายมันปล่อยวางลงจิตมันปล่อยวางลงมันก้าสู่สมาธิไม่มีปัญหาเลยถ้ามันเรื่องแสดงว่ามันสงบนะหลังจากเครื่องแสงมันก็นิ่งสบายค่ะแล้วพอมันหายไปสักพักหนึ่งพระอาจารย์มันก็เฮือกขึ้นมาอีกอี่ยวค่ะพระอาจารย์ก็รู้ดูไปเฉยๆก็แล้วกันไม่เป็นไรดู ดูไปเรื่องปัญญาดูว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปก็เป็นธรรมานุปัสสนาไปค่ะพระอาจารย์แล้วทีนี้ที่พระอาจารย์บอกถ้าเห็นอะไรก็ไม่ให้ไปสนใจอะตอนหลังอลูกก็ไม่ได้สนใจแต่ว่ามันจะมีมาช่วงบางทีอะค่ะมันจะเหมือนเป็นแสง น, นวลๆนะพระอาจารย<ต>์สเวลาเวลาทํำสมาธิไม่ให้สนใจเลอะไรนะให้อยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับลม อยู่การ <c oughs> การภาวาอย่างเดียวถ <c oughs> ้าไปสนใจแล้วมันจะเสียสมาธิมันจะเข้าสมาธิไม่ได้อ๋อค่ะค่าพระอาจารย์งั้นก็น้องปฏิบัติต่อค่ะพระอาจารย์แต่ละปฏิบัติแต่ละขั้นมันไม่เหมือนกันขั้นปัญญานี้ต้องสนใจขั้นปัญญาเราไม่นําไม่ต้องการสมาธิแล้วเรา อ, อกจากสมาธิแล้วเราก็มาพิจารณาร่างกายศึกษาให้เห็นร่างกายตามความเป็นจริงของมัน <c oughs> ทั้งภายนอกทั้งภายใน รอาการ32ให้บองให้เห็นให้หมดร่างกายของเราเนี่ยมี32อาการเห็นหรือเปล่ายังยังไม่เห็นพระอาจารย์ยังไม่ได้เข้าพิจารณาอาการ32อันนี้ต้องรอเราให้ชำนาญทางสมาธิก่อนอันยังไม่ชำนาญทางสมาธิยังไม่ต้องทําเจริญสติก่อนเมื่อเราเาใสมาธิมา ก, ก็ ควบคุมความคิดต่อไปอยปล่อยให้ใจคิดอย่ายอมความอะไรไปแล้วจนกว่าเราสามารถเข้าสมาธิได้อย่างรวดเร็วง่ายดายทำงานอ๋อ ย, ยังไม่ยังไม่ง่ายอะค่ะอ่ยังไม่ง่ายก็ฝึกสมาธิฝึกสติไปก่อนค่ะคนร ะ, ระดับกันค่ะค่ะเข้าใจไหมเข้าใจคะ่ะอาจารย์ยงั้นแค่นี้ะอะค่ะอาจารย์ ค, ค่ะค่ ะ, ค, ะคุณสมพรเชิญ จังหวัดระยองครับน้ัสการครับวันนี้มีเรื่องที่จะถามอาจารย์กับไม่ทราบคุณบอยพอจะโพสไอเพจขึ้นได้ไหมไ ม, ไม่ไม่ได้ครับพอดีเป็นเป็นไฟนิ่งครับโอเคโอเคโอเคถ้ายงั้นผมจะอ่านนะคือเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยผม ผมได้โพส์ข้อความส่วนหนึ่งขึ้ น, ข, นขึ้นบนบนเว็บนะหนึ่งผมจะอ่านให้ฟังนิดหนึ่งนะคือเรื่องของ ก, การตัดความผูกพันนะอ่าก็ได้เอาธรรมะของพระอาจารย์ขึ้นมาตัดความผูกพันที่จาเป็นต้องตัดเพราะไม่ตัดวันนี้วันหน้าก็ต้องตัดอยู่ดีเพราะหลักของความเป็นจริงคือเราต้องพัดภาคจากกันในที่สุดการพัดภาคแบบที่เป็นธรรมชาต มันเป็นการพัดภาคอย่างทุกขโทมานแต่ถ้าพัดภาคแบบที่พร้อมจะพัดภาคจะเป็นการพัดภาคกันอย่างสุขสบายที่จำเป็นต้องตัดไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเมตตาต่อกันเพียงแต่ไม่มีความผูกยึดติดกับบุคคลต่างๆเพราะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราต้องแยกกันไปคุรธานครับอันนี้คือข้อความที่ทีโพสต์ขึ้นไป เราทำได้ยังซึ่ ง, งส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเข้าใจสักเก้านสะิบเก้าปเซนตะแต่ก็ยังมีบางคนส่วนน้อยนะที่ที่ที่อาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของการตัดความผูกพันเพราะเขาไปอิงกับความความความพฤติกรรมของเขาว่าเออถ้าเขามีญาติมีพ่อแม่พี่น้องมีลูกมีอะไรต่างๆแล้วก็มีสิทธิ์มีอาจารย์กันเนี่ยเขาจะตัดตรงนี้ไม่ได้ แต่ความหมายของของอันนี้นี่ก็คือให้ตัดที่ใจก็คือตัดตัดในเรื่องเข้าใจถึงสัจจะความจริงของความไม่ยั่งยืนของร่างกาย mm. ว่าเกิดมาก็ต้องตายไปทีนี้ก็เลยอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าไ อ, อ้คำว่าตัดความผูกพันเนี่ยพระอาจารย์พอจะอธิบายให้ลึกลงไปได้ไหมว่าเพื่อบางคนจะได้ไม่เข้าใจว่าเป็นความเรียกว่าต้องตัดต้องคือต้องปล่อยวางเลยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลย ลักษณะนี้ครับไม่ใช่หรอกคือเราก็ยังดูแลกันอยู่อยู่ด้วยกันอยู่ทำหน้าที่ของเราอยู่ตามปกติเแต่เราไม่ทุกกับเขาครับเขาี้เป็นจะตายเราก็ทำอะไรไม่ได้ช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ก็ช่วยไม่ได้แสดงแสดงว่าเขายังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ในในตัวอยู่ใช่ไหมนี่ครับ ก็ยังคนไม่ยังไม่เห็นยังปฏิบัติไม่ถึงขั้นเขาก็ยังยังไม่เข้าใจความหมายของการปล่อยวางและการตัดความความยึดติดเขาเรียกว่าอุปทานครับผมผมผมก็คือเขาพูดมาผมก็พูดไปถึงว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจแล้วไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องไปเสียเวลาทั้งวันหนึ่งเราก็จะเข้าใจถ้าเขาไม่เข้าใจพูดยังไงเขาก็ไม่เข้าใจ โอเคในใ น, ในตรงนี้นี่มีคนสนใจค่อนข้างเยอะมากประมาณสาม1มื่นหะนึ mm ่งรอยสิบเอ็ดคนนะณณนะถึงปัจจุบันนี้ mm hmm. ก็แสดงว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจในเรื่องของของของร่างกายว่ามันก็ต้องมีวันที่ต้องตายต้องพากจากกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นคิดว่าธรรมะตรงนี้นี่คนคนคนเข้าใจค่อนข้างลึกซึ้งอยู่แต่มีบางคนที่ยังไม่เข้าใจนะ mm hmm. ก็จิตของแต่ละคนมันมีหลายระดับด้วยกันนะครับคนเข้าใจก็มีคนไม่เข้าใจก็มีวัวสเหล่าโบสี่เหล่าไอ้คําว่ามิจฉาทิฏฐินี่เราจะน้มนําไปถึงวิปปัลสูตรได้ไหมครับว่าเอ่อทั้งสี่ประการที่ว่าเห็นทุก์เป็นสุขหรือว่าเป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตาอะไรทํานองนั้นนะครับจะจะได้ฟิเนชั่นของมิจฉาทิฏฐิ ด้วยนักษณะไหมไม่ใช่นี่คือก็เห็นเห็นกับตาลับตาเห็นกงจักรเป็นดอกโบวอ๋อเห็น<อ>สุขเห็นเห็นทุกข์เป็นสุขอ๋อนั่นก็คือวิปลาสสี่วิปลาสก็ไม่ทราบเหมือนกันจะวิปลาสทลายมันเรารูแค่สามอ๋อเห็นทุกข์เป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยมว่าเทียมเห็นสิ่งที่ไม่เป็นตัวตนว่าเป็นเป็นตัวตนกับกับกับ คือเห็นตรงข้ามกับไตรลักษณ์ที่มาสอนนี่ใ้เห็นตรงความจริงพยายามเป็นทุกอย่างว่าเป็นไตรลักษณ์ให้หมดเพราะฉะนั้นเราพยายามยึดแนวทางที่ถูกต้องไว้ก็ก็เป็นเป็นหลักเป็นหลักการอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นสมาทิฐิเห็นไตรลักษณ์ก็เป็นสมาทิฐถ้าเห็นกรรมถ้าเห็นตรงข้างกับไตรลักษณ์ก็เป็นวิชฉาทิฏฐิครับครับคือคือสรุปแล้วว่าถ้ามีคนไม่เห็นด้วยอะไรนี่ก็ปล่อยวางธรรมดาปล่อยวาง ว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปชี้แจงไม่ต้องไปโต้ตอบก็ถ้าเขาเขาอยากจะให้อธิบายอธิบายไปแต่อธิบายแล้วเขาไม่เขาไม่เข้าใจก็ว่ามันต้องไปศึกษาใหม่ครับก็ก็อธิบายไปแล้วแต่เขาโต้ตอบกลับมาผมก็ผมก็หยุดแค่นั้นแหละแล้วเราไม่มีความปาหมายที่เจะแพ้ชนะเขาเราต้องบอกตามความจริงที่พระเจ้าสอนสอวนเ้าจะโต้ก็เป็นเรื่องของเขาไป ครับคับโอเคก็น้อมนําคําสอนของพระอาจารย์ไว้กับจะเพื่อเป็นประดับนั้นธรรมาส่วนใหญ่นี่เราเอามีไว้เพื่อตัวเราเองมากกว่าสอนตัวเราเองครับคับสอนตัวเราให้ปล่อยวางถ้าเราไปโต้เขาแสดงเราไม่เราไม่ปล่อยวางนะคือคือชี้แจงขั้งแรกคือถ้าเขาโต้กลับมาเราก็จบเลยจบเลยครับการเรายังพยายามที่จะเอาให้เขาเข้าใจให้ได้เราไม่ไม่ไม่ปล่อยวางก็คือครับครับ ครับโอเคก็ก okay. ็ขอน้องนําไปปฏิบัติครับแล้วก็หมดคําถามครั บ, คร บ, ครบใครจะเข้าใจไม่สําคัญท่ากับเราเข้าใจครับครับครับบางใครจะทุกข์มันมันไม่สําคัญถ้ากับเราทุกข์เองนะนั่นนั่นคือจุดทุกต้องเลยพ่อคุณแต่ว่ า, าต้องเข้าใจ<บ>เพื่อเราจะได้ไม่ทุกข์ฉะนั้ น, นบางครั้งคนเขามองเห็นว่าเออเราเหมือนเอาเอาตัวรอดคนเดียวเนี่ยแล้วก็อหม่ๆความก็ก็ก็ก็ก็เหมือนว่าเราเราเห็นแก่ตัวลักษณะ เราเราไม่ทุกคนเดียวแต่คนอื่นจะเป็นไงก็แฉ่งอ่ะมันมันมีความผิดพลาดแลไฟไม้นี่เขาวิ่งออกมากันทุกคนตัวใครตัวมันนั่นแหละอยู่ในบาใช่ไหมครับต้เป็นอย่างนั้นเองมอนเท่ยงเวลาจิงก็ตัวใครตัวมันนั่นแหลอืมครับครับโอเคก็ก็หมดวันนี้หมดคําถามกันนี้ครับเท่าแต่โอเคสาธุขอะคุณรลิตวันนี้เข้ามาแต่เช้าเลยเช้าแเช้าตอนประกาศตรงหัว แต่เช้ามครับก็เมื่อกี้ถึงเห็นคูดถึงเรื่องเมตตาแล้วก็สมมติคือถ้าสมมติปรดีนั่งสมาธิเยอะๆแล้วบางทีแบบรู้สึกเมตตาตกไม่อยากสูงสิงกับคนรอบข้างอันนี้มันผิดวิธียังไงครับหลวงพ่อก็ไม่เสียหายตรงไหนไม่ใช่ต้องเมตตาตลอดเวลาเด็กวิเวกเราก็อยู่คนเดียวเราก็ไม่ต้องเมตตาใครตอนนะั้นแล้วก็เมตตาตัวเราเองไปเมตตาตัวเอง อาหำสุขิโตโฮมบแต่เมตตาให้กับตัวเองด้วยการไปปิดวิเวกทําเพื่อตัวเราเองบ้างไม่ใช่ต้องทํำขอให้กับทุกคนเวลาคุณากินคุ ณ, ค, ณคุณกินข้าวคุณก็เมตตาตัวคุณเองไม่ออใช่เวลาอามน้ําเวลานอนนี่คุณก็เมตตาตัวคุณเองไม่ใช่คุณไปเมตตาให้คนอื่นได้ไหมตอนนั้น่ะไม่ได้อมันก็มีเวลาของมันสิ ถึงเวลาที่ต้อเมตตาคนอื่นก็เมตตาถึงเวลาที่ต้องม id, มเตองมตตาเราเราก็ต้องเมตตาเราทุกอย่างมันมีเวลาของมันครบก็คือก็ต้องเมตตาตัวเองก่อนเมตตาตัวเองก็เมืม่อเมตตาตัวเองมันต้องเต็มมันเต็มแล้วมันจะเมตตาคนอื่นตามมาใช่ต้องดูแ ล, ลตัวเองก่อนต้องพุทธเจ้าจต้องตัดทะลุก่อนถึงไปสอนคนอื่นได้ต้องพ้<ค> น, <ค>นทุกข์ก่อนก่อนที่ท่านไม่ตอนที่ท่านยังไม่พ้นทุ ก, กข์ท่านไม่ไปสอนใคร แต่พอทานคนทุกคนนี่ทั้งสอนคนทุกวันวันละสี่ห้ารอบสี่ห้าสี่สิห้าปีทําด้วยคนหนึ่งตลอดเลยยังไปหาพระผู้ศรัทธาเห็นแก่ตัวนี่ออกจากวังไปปฏิบัติอยู่คนเดียวเอาตัวรอดคนเดียวรอดที่ไหนคนเดียวภาษาโลกอาหารนี่มีเป็นกี่แสนกี่ล้านมาจากใครถ้าไม่มาจากพระผู้ศรัทาแต่คนที่จะพาคนหนึ่นน่าจะต้อง ท้อทำตัวให้รอดเป็นก่อนใช่ไหมถึงจะไปสอนคนอื่นได้คุณว่ายน้ําไม่เป็นคุณจะไปสอนคนอื่นให้ว่ายน้ำเป็นได้ไห ม, มก็ตายหมดครับออก็โอเคครับผมก็จะตั้งใจมากกว่านี้ก็หาถ้ามีเวลาว่างก็จะหาโอกาสไปปีกวิเวกอีกครับก็ก็แบบชีวิตมันเห็นอะไรรอบตัวก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็แบบแบบเวลาบางทีผมหลับไปเอา้า พี่เราตื่นมาโอเคเรายังไม่ตายผมก็คิดแต่อ่านข่าวคนนู้นตายคนนี้ตายคนนู้นเจเลยคนนี้ตกลงเออมันชักจะแบบอันตรายขึ้นทุกวันแล้วผมตากน้ำเข้ามาชดตัวเราต่อไปก็คิวเรานะครับก็ก็บุญเป็นที่พึ่งได้จริงๆวันนี้ผมเชื่อตุดใจเลยครับบุญเป็นที่พึ่งจริงๆถ้าชีวิตที่ขาดบุญมันก็ผมก็ มึงไม่ออกทําไมทําไมคนบางคนมันไม่ทมําบุญแต่ติดใจเขาไม่ห่อเหี่ยวเขาอยู่ได้ยังไงครับหลวงพ่อเออเรื่องของเขามีท่านนี้ใช่ไหมพอแล้วไ ม, ไม่มีไม่มีคําถามเลยใช่ไหมออคำถามของเราอะ่ะก็ผมก็ผมแค่รู้สึกเมตตาตัวเองจบ ก, ก็แค่นั้นแหะครับหลวงพ่อโอเคโอเคเ <นะ S 2> ข้าใจแล้วนะครับโอเคบัคนดานพรต่อจากขธรรมน์<ะ>น้องบินไปแล้วนะนันด า, านพนคุณมาขอก็ ไปลังเข้าเลยไม่เป็นไรเจ้าค่ะเพราะอาจารย์ก็เดี๋ยวทํางานวันสุดท้ายวันวันที่ยี่แปดนี้ค่ะอาจารย์มีวันออกก็เลยก็ก็ยื่นเวลาออกแล้วค่ะแต่มันมันต้องรอให้มีฝนก่อนเจ้าค่ะพอาจารย์ค่ะก็วันวันที่ยี่แปดกรุภานี้มันทํางานมันสุดท้ายเจ้าค่ะพรอาจารย์มันก็ไม่เหมือนกันนะบางคนเป็นมาตีนต้นบางคนมาตีนปายนะ ก็ค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามจ้ะค่ะเข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็มันต้องกังวลท่นที่พูดนี้ไม่ได้ทําให้กังวลเลยไว้ไม่กังวค่ะมันเพราะว่าเพราะว่าลูกอย่างที่เรียนพระอาจารย์ไว้ลูกก็วางวางไว้เป็นสเต็ปจ้ะค่ะพระอาจารย์ตามขั้นตามตอนไปจ้ะค่ะเท่าที่แล้วคนก็มีมีมีเวลาของเขาของค่ะเวลาของแต่ละคนไม่ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันจ้ะค่ะเพราะที่ลูกเรียนพระอาจารย์ไว้ว่าเบื้องต้น อาจจะต้องเป็นแบบที่ที่อยู่บ้านแล้วซูมกับเข้าซูมหรือเข้าอะไรก่อนนะคะอาจารย์ให้แม่ค่อยๆรับได้ก่อนนะค่ะแล้วก็เราก็ไปหาที่ไว้ในใจของเราอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์พี่ไหนบอกเจ้าค่ะได้ตอนนี้ต่อไปจะมีเพื่อนที่เข้าไปก่อนก็จะได้แนะนําที่ต่างๆได้ใช่ใช่เจ้าค่ะเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีมาบ้างแล้วเจ้าค่ะอาจารย์พูดถึงที่โนนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็่าจจะไป เป็ช่ว ง, งขัางช่วงขาบ่อยก็ได้ไปเที่ยวบ้างหนึ่งันไหนที่มีโอกาสไปไปได้ก็ลองแต่ครั้งช่วงราจะเป็นยังไงค่ะเพราะพ อ, พ อ, พอลูกยังจําแม่นที่พระอาจารย์บอกนะคะคือลูกก็จะลองไปแต่ละที่บ้างแต่ถ้าที่ไหนค่อนข้างมั่นใจก็จะไปยาวหน่อยอ ย, อย่างเงี้ยจังหวะลองดูซักเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าขับเรือลองดูซิมันจะมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยจังเหมือนลองเท้าเนี่ยต้องทดลองอะไรคู่ดูคู่ไหนใส่แล้วสบาย ใส่ข้าไมกกัดเท้าใช่ไหคะบางคู่ก็กัดเลยบางคู่ก็นานๆกัดทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องใส่ไว้นา น, า น, านาๆแล้วะรี้<า>โอเคมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีคำถามค่ะแต่ลูกประทับใจที่พะอาจารย์ห้องภาษาอังกฤษวันที่หนึ่งมากเลยเจ้าค่ะพะอาจารย์ลูกฟังทีไร ล, ลูกมีความรู้สึกปักเปื่อมากที่เป็นเรื่อง M M Jiness แล้วก็ Dirty Toilet c l e a from Our Body เจ้าค่ะค่ะมันมันโอ้โหมัน มันใช้ได้มากมันความจริงอะเพราะนั้นมันเพื่อนพ่อขายไม่ใช้เพื่อนพ่อเราอค่ะแต่เราก็ไปลังเกียดมนันแต่จริงจริงมันมาจากร่างกายที่เวลามันอยู่ในร่างกายเรามันเหมือนลังเกียจมันเค่ะน่ะค่ะลูกบ้านเอยจเวลาเวลาเอาเข้าเวลาเอามันเอาเข้ามันเข้าไปในร่างกายเราก็แ ย, แยกกันเอาญาติกันเข้าไปอย่านะ้ค่ะใช่จ้ะค่ะพันสารอ็ออมาแล้วแหม่รังเกียจนะมเราไม่ใช่ปัญญาค่ะ ใช้อารณ์คับเจ้าค่ะก็เดี๋ยวไปทวนฟังวันที่หนึ่งอีกค่ะก็แนะนำให้คนอื่นที่เขาสนใจฟังด้วยเ จ, จ้าค่ะวันนั้นเพราะว่าลูกฟังแล้วมันเป็นเหมือนคอของขอ ง, ของการปฏิบัติเลยเ จ, จ้าค่ะพระอาจารย์นะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอาจจะชอบและจะสะดุดใจไม่เหมือนกันแต่คนอาจจะมีมีมีอะไรที่มองมุมอมองไม่เหมือนกัน ก็ไว่เป็นไรก็แนะนํากันได้ส่วนเข้าใจเหมือนเราใชมไหมก็สุดแท้อต่อ๋อค่ะค่ะค่ะมีท่านี้มนะีเท่านี้เจ้าขากับนักวิชการเจ้าขครับคุณพี่เชิดช่คุณพี่เช่อยู่ที่ไหนนะคุณพี่เชิดกับนัสการผู้อาจารย์ครับอยู่ที่กรุงเทพครับ อ, อาจารย์มันวันนี้มีอะไรไหมอ๋อเออวันนี้ไม่มีคําถามครับแต่มากราบเรียนผู้อาจารย์ว่า อยอมได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระอาจารย์นะครับยมฟังธรรมเทศนาของพระอาจารย์ทุกวันแล้วก็ปฏิบัติทานศีลภาวนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความเชื่อมั่นและก็ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างสูงว่าจะช่วยให้เราสามารถที่จะดับทุกข์แล้วก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ครับาอาจารย์ยึ่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอาจารย์ เป็นครูสอนเราเป็นผู้นําทางครับอาจารย์แล้วก็คิดว่ากําลังวางแผนที่จะไปปฏิบัติธรรมที่วัดญาณสวรร์ครับอาจารย์ครับวงแรกก็จะไปสักสามวันก่อนครับอาจารย์ถูกต้องครับเพราะว่าอยู่ในระดับชั้นอนุบาลเพิ่งเริ่มเก่อไกของใก่ครับอาจารย์ก็แต่มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติที่วัดญาณก็มีสองที่ที่ที่พื้นที่อยู่ในตัววัดก็เป็นที่ สะดวกสบายหน่อยที่บทเขาก็แบบไปทุ่ดองไปไปอยู่ปา่าถ้ายังไ ม, ไม่พร้อมอยู่ป่าก็อยู่อยู่ที่วัดไปก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังวางแผนอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีเรื่องงานเพราะว่าโยมเป็นเป็นหมอทํางานอยู่ครึ่งวันครับแล้วก็กําลังไม่กเกษียณเลยเกษียณก็ไม่ใช่เกษียณแล้วแต่ว่ามันเป็นโรงพยาบาลเอกชนครับอาจารย์ก็สา ม, มารถทําต่อไปได้เรื่อย ก็เลยคิดว่ากาลังที่จะวางแผนที่จะค่อยๆเลิกแล้วก็หันหน้าเข้าหาทางประพุติประถนประสงค์ครับอาจารย์ะถามหน่อยได้ว่าเป็นหมอทางไหนเป็นหมอทางด้านจัญญกรรมกระดูกครับอาจารยรร์คุณหมอวีรพันธ์ท่านเป็นหมอทางประจัจสมองอ่ามันเป็นป ร, ระจัดจต่างกระดูกคือผมได้ติดตามเปลี่ยนของหมอของอยู่ครับบันอาทิตตอนสองทุ่มก็ติดตาม ที่จัดร่วมกับาอาจารย์นะครับเขาติดตาม็ก็ศรัทธาในพระคํา ส, สอนของพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับดีมากทำให้มีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนที่จะเข้าใจธรรมะได้ง่ายที่สุดก็คือพวกหมอเนี่ยครับอาจารย์เพอเครื่องหนึ่งของธรรมะก็เกี่ยวกับร่างกายครับาอาจารย์ก็ ตอนนี้โยมก็อยู่กับภรรยาสองคนทุกครั้งที่ฟังธรรมเทศนาก็ชวนมาฟังด้วยเพราะว่าลูกลูกชายกับลูกสาวก็ทำงานอยู่ที่อเมริกาทั้งสองคนครับลูกชายเป็นวิศวกรครับอาจารย์ไปทำงานอยู่กับไปเปรียนบัญญาโทที่นนทจบปรยัญญาตรีที่จุฬาแล้วก็เปเรียนปริบัญญาโทที่ อยู่เป็นนิสสุวรรณีแล้วก็ทำงานอยู่กับบริษัท Microsoft อยู่ได้สักสิบปีแล้วครับก็ก็ยังทำงานอยู่สรุกสาวเขาจบที่ธรรมศาสตร์แล้วก็เขาไปเรียนต่อทางโรแล้วก็ทำงานทางด้านบริษัท finance ก็ติดต่อกันทางเฟสเฟสทางโลกเฟสทสดุแล้วก็ปกติก็จะมีเวลาไปเยี่ยมลูกทุกปีปีช่วงโควิดนี้เลยไม่ได้ไป ก็าาติดต่อทางฟิตทางก็เหมือนกันใชหครับสบายนี้ไม่ต้องไปเองนะสบายครับพระอาจารย์ยิง่งอายุมากการเดินทางก็ไม่ค่อยสะดวกคือถามพระอาจารย์เป็นความรู้นะครับว่าเอ อ, อย่างในกรณีถ้าสมมติในอนาคตถ้าอย่างเราอยู่กับภรรญาสองคนแล้วเราคิดว่าจะเ อ, อไปบวชไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยแล้วภรรยาอยู่คนเดียวนี่ถือว่าเป็น รรรารับผิดชอบเขาไหมครับอาจารย์ได้เราเราก็สามารถรับผิดชอบทางเงินได้ผ่านเงินทังที่เรามีก็ให้เขาไปไว้ดูแลเขาสิ่งที่จาเป็นก็คยเงินทงังเพราะไม่มีเราเพราะว่าจ้างพยาบาลจ้างใครมาดูแลได้ครับอาจารย์ก็ทําให้คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ถ้าเราหันไปบวชไปตลอดชีวิต ไม่แน่นะก็อาจจะไปบ่ก็อาจจะไปฟังกับเราก็ได้ครับอาจารย์ถ้าเขาฟังเรื่องธรรมบ่อยๆได้ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวเขาเข้าใจแเขาก็ทําได้ครับอาจารย์ก็ส่วนมากก็จะฟังกับเขาทุกวันแล้วก็ก็ไม่ได้ไปฟอรนอะไรเขาเพือให้เขารับศึกษาเองแต่วันใดวันหนึ่งก็อาจจะปิ้งขึ้นมาก็ได้ครับอาจารย์ผมก็เพิ่งจะเริ่มต้นครับอาจารย์เป็นเด็กอนุบาล ก็การกับเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยชิี่ยเน้นเน้นสติอย่างเดียวพยายามฝึกสติตั้งแต่เติมขึ้นมาเลยอยี่งควบคุมจิตให้อยู่ในปัจจุบันแปรอดีแปอนาคตให้อยู่ที่ร่างกายไม่อยู่กับพูดถรอย่าคิดตรงใจแล้วก็นั่งสมาธิอันนี้นี่คือเคล็ดลับของการปฏิบัติแต่ต้องทำเยอะเท่านั้นเองทำอย่างต่อเนื่อง เป็นสัมปัชญะให้สติเป็นสัมปัชญะครับอาจารย์ยอมจะน้อมนําไปปฏิบัติครับวันนี้ไม่มีคํำถามอะไรได้มาสักจะคุณอาจารย์ครับย<ด>านพรมพิรายใช่โอ้โหอยู่รืเปล่าอยู่ค่ะการนมัสการพระอาจารย์ค่ะโอ้โห ไม่ไม่มากค่ะกับรัส ก, การค่ะพระจายผู้ <มา S 1> ูกมาแล้วค่ะมาแล้วมาสการพายครับเอ่าจะแลงตอนค่ะวันนี้คงไม่ไม่ถามค่ะฟังก็ได้ความรู้เยอะค่ะเอ่ค่ะนี่แล้วมาแบ่งแล้วมานล้วมาแบ่งประสบประการีค่ะวันนี้เราเป็นผู้ฟังค่ะเพราะเมื่อกี้คุยน้องๆก็คุยเรื่อง emptiness มาใช่ไหมคะ่ะก็เป็นประเด็นที่เรียนกับเป็นธรรมพระจายไปเที่ยวที่แล้ว มันต้องฝึกให้ได้มันต้องซื้อท่ารู้มาแล้วนะจากตอนนี้จากนะค่ะค่ะค <Okay. S 2> ่ะโอเคถ้าไม่มีอรายกลนะับไปที่เป็นหมอผาชนะต่ำนี่ก็หมอฟันกรรมน้ำพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ค่ ะ, ะ, าาคะก็กลับมาแล้วค่ะพระอาจารย์ไปไปที่อุดรไปสามวัดเลยค่ะพระอาจารย์ก็ได้ไปวัดปาบ้านตากไปไปกราบแล้วก็ไปวัดภูสังโคก ขับขึ้นไปเองแล้วก็ก็เจอวันปิดไม่เป็นไรก็ใจไม่ไม่ตกเลยก็รู้สึกว่าจะจะได้เห็นสถานที่และสุดท้ายก็ไปวัดถ้ําเต่าก็ไปใสบาตรตั้งแต่เป็นร้อยตั้งแต่ตีห้านะคะพระอาจารย์แต่ว่าพรเอิญพระหลวงปูนมีไม่ไม่ได้ออกมาท่านไม่ได้ออกมาเจ็ดวันแล้วค่ะคือก็เลยก็เลยไม่เป็นไรพอใส่บาตรเสร็จก็มาที่โรงน้ําชาแล้วก็มาคุยมามาขอพบท่านครูบาตุ้งมาอยู่เวก็เลยได้คุยกับท่านว่าตั้งใจที่จะมาอยากไปยุเวอ่ะค่ะก็ท่านก็ไปเรียน หลวงปู่ให้แล้วก็ท่นอนุ ญ, ญาตค่ะก็ ค, ะคือคุยกันสักพักหนึ่งแล้วก็คุยคุยเรื่องสติปัฏฐานอะไรเนี้ยค่ะท่านก็เลยเอาหนังสือมาให้สามเล่มอบอกว่าให้ไปทํากันบ้านมีที่ท่านไเทีที่ปูฐานด้วยค่ะก็กลับมาอ่านจบแล้วก็กำลังทําก็จะก็กะว่าจะไปเดือนหน้าต้นเดือนนะค ะ, ะอาจารย์เจ็ดวันไปที่วัดธรรมเต๋าเขาจะมีกุฏิของผู้ชายเนี่ยจะมีกุฏิสองแบบก็คือเป็นแบบเรือนรับรอ ง, องมีน้ํามีไฟนิดหนึ่งแล้วก็มีมีแบบในป่าที่ไม่มีน้ํามีไฟของผู้หญิงก็เหมือนกัน ตัวเองก็ขอเขาบอกแตงของผู้หญิงเนี่ยให้ไปอยู่กับแม่ไปให้อยู่กับแม่ชีแล้วก็ได้ได้ไปเรียนหามแม่ชีด้วยอแม่ชีบอกว่าคือแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามาจังหวัดลีเนี่ยเราขอกุฏิที่แบบอยู่ ใ, ใกล้ๆในป่าเนี่ยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคนคนมีคนจองเต็มแล้วอ่ะเราก็ต้องอยู่ต้องลงครัวค่ะมีแม่ชีชาว <c oughs> ชาวฝรวั่งเศสอยู่คนไม่ใช่แม่ชี <c oughs> เป็นบาซิกาไม่ทราบอยู่เม่เอปักเจอไหมอ๋อไม่เจอค่ะเจอแต่แม่ชีไทยสองท่านไม่เจอค่ะที่ที่วัดท่าเต่าเหรอคะที่วัดท่า ไม่ไม่เจอค่ะพระอาจารย์เจอแต่แม่ชีไทยค่ะแต่คงถ้าเกิดไปคงได้เจอตอนนี้ก็กลับมาทํากันบ้านของหลวงปู่แล้วก็ฟังเทศทางเทศท่านด้วยค่ะดีถ้ได้มีโอกาสจะไปท้าลองเดี๋ยวก็เป็นอย่างไงแต่ก่อนไปเดินไปเดือนนี้ก็จะไปอยู่เขาชิโอนก่อนเจ็ดวันเพราะรู้สึกเขาชิโอนเนี่ยเหมือนแหล่งที่แบบต้องขอบพระคุณเขาชิโอนมากเลยมันทาให้เราเข้าใจอะไรแบบมันมันเหมือนกับจุดเริ่มต้นทําให้จุดประการแล้วก็เข้าใจค่ะจางก็เลยกลับมากลับมาเก็บแปลงเจ็ดวันก่อนแล้วก็ค่อยไปต่อที่อุดรแล้วเดี๋ยวทีนี้ก็จะไป สาราน้อยเลยค่ะเดือนนี้แบบจัดเวลาให้กัวบวัดหมดเลยไปเพราะว่ า, าหลว ง, งพ่อนิพนธ์บอกว่าอยู่ใกลๆเนี่ยมันอยู่ที่จะต เ, เข้าใจอยูอย่ไกลก็เหมือนใกล้คือแล้วก็ประทับใจทําทนักหลวงพ่อด้วยแล้วก็กาจะไปแผ่เมตตาเจ้าสุนัขเพราะว่าที่เนี่ยก็เอาของอะไรไปให้ด้วยพระอาจารย์จะได้ทําทางน้อยให้เขาจังหวะไดค้คุณงูเงินโ้นเขายังอยู่เนี่ยคุเงินเนี่ยมันจะไปดูไปดูด้วยเพราะว่าเขาปิดไมไฟอ่ะเขามันมันไรคิดต่ก่อไม่ได้เดี๋ยวว่าจะลองไปดูด้วยค่ะเพราะว่าเพราะจริงๆ้วกำหนดการเขาน่าจะ น่าจะกลับเดือนหน้านะคะเร็นตอนต้นบอกจะย้ายที่แล้วทาไปทำงานก็เปลี่ยนใจสู้ต่อใช่ไมใช่ใช่แต่ว่าเขาไม่ได้เปิดไรฟาไงพระอาจารย์ก็เลยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเจอเขาเนี่ยค่ะจะได้ถามให้ใหแล้วก็กลับมาก็ก็ท่องท่องปริยายา ส, สูตรเรียบร้อยเลยนะคะอาทิตย์ปริยายาสูตรเนี่ยท่องเกือบได้แล้วค่ะก็ท่องทุกวันแล้วก็พอท่องเสร็จปุ๊บนั่งสมาธิรู้สึกว่ามันนั่งได้เร็วก็รู้สึของสัตัวเองมีความผูกพันกับพวกเนี้ยเวลา ดูทัดไฟเลยมันก็ลงลึกได้เร็วแล้วก็พอท่องอันนี้ยบุ๊คมันก็นั่งสมาร์ที่ได้เร็วขึ้นนะคะท่านท่องแปลแล้อว่าท่องอะไรท่องบาลีเลยค่ะเพราที่อาจารย์บอกไนะก็เลยท่องบาลีแล้วว่าแปลแปลออกเพราะว่ามันคือพอศัพท์มันฝักมันมันแปลออกเพราะมันฝักชามือก็เลยเข้าใจความหมายแล้วมันก็ดีด้วยเพราะว่าพอเราพอตอนเช้าเราทําสติปัญฐานยาไอ้นี้มันก็มาใช้ได้อ่ะอาจารย์ก็เลยรู้สึกดีมากชอบชอบเรื่องของความร้อมันเห็นต้องเข้าใจความหมายต้องเข้าใจความหมายถึงจะมีประโยชน์ทางปัญญา เขาเข้าใจค่ะอาจารย์เพราะมันสับใกล้กันอีกนินนึ่งค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยเพราะว่าอาจารย์สอนให้ดูใจอค่ะเออแบบพอเรากลับมาทำทำงานใช่ไหมคะมันทําให้เราเข้าใจแล้วก็ตอนนี้หยดน้ํามันใบบัวเนี่ยมันเข้าใจจริงๆเพราะว่ามันเห็นอย่างทางานเนี่ยเห็นเลยเพราะว่าพอเราทํางานสมาคมเนี่ยมันจะเห็นเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าความโลภความโกรธความหลงของคนมันย้อนกลับมาดูที่ตัวเองเราเห็นเลยว่าใจเรานิ่งคือแบบพระอาจารย์งงมากเลยอ่ะมันนิ่งขึ้นเพราะเรามองของเขาแล้วมองเรา เฮ้ยมันมันนิ่งอ่ะมันทําให้เรามีปัญญามันเกิดแล้วก็ทํางานเนี่ยช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีอ่ะพระอาจารย์คือมันมันเข้าใจที่พระอาจารย์บอกตอนแรกที่อาจารย์บอกว่าหุดแล้วไม่วัวมันค่อยรู้เรื่องตอนนี้เข้าใจเลยพระอาจารย์มันมันเข้าใจแล้วว่ามันมันแยกกันเลยใช่ไหมคะใช่มันนิ่งจิตเพียงแตริย์แต่ว่ารู้กับเหตุการณ์ต่างๆคิดจะคิดด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้คิดด้วยอารมณ์ค่ะมีคําถามอันนึงค่ะพระอาจารย์คือ จริงๆแล้วตัวผู้รู้ใจเนี่ยมันเป็นอนัตตาแต่ว่าธรรมารลมันเป็นไตรลักษณ์แสดงว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเราเราพอเราไม่มีความอยากเนี่ยมันจะมันจะหนึ่งที่บอกมันจะมองเห็นได้เลยว่ามันหยุดมันมบบัวเพราเราเข้าใจแล้วพอมันตัดความอยากได้มันไม่เห็นแต่ว่าไอ้ตรงสุดท้ายเนี่ยไอ้ใจที่เป็นอนัตตามันต้องแยกมันคือถ้าเกิดสมมติจลุดพนนี่มันต้องแยกให้ออกจากธรรมารลมไปเลยใช่ไหมคะอาจารย์ตรงนี้ยอย่างไม่แยกแล้วก็มันดลน้ำดลบาบนวลไม่อยู่กับอารมณ์ไป แล้วก็ดูว่าไม่มีความต้องดูว่ากิเลสตัวไหนที่ขึ้นมาเราก็ต้องดูว่ามันเป็นใจรักแล้วก็ให้มันเป็นแบบพอเขาได้มาให้หายไปก็ต้องกใช้ใจรักทำเลยก็ฝึกไปเรื่อยเรื่อยๆจนกระทั่งมันนิ่งไปบอกทุกเรื่องใช่ไหมครัอาจารย์ก็มันเฉยไงมันมันมันอยู่กับอารมณ์ต่างได้อารมณ์ดีก็อยู่กับมันได้อารมณ์ไม่ดีก็อยู่กับมันได้มันเหมือนกับเป็นเมฆบนท้องฟ้าเมฆหมอก อย่างนี้แล้วทั้งนั่งสมาธิเช้ากับเย็นเนี่ยได้ใช่ไหมคะคือคือยังอยากนั่งสมาธิอยู่อ่ะพระอาจารย์<ฮ>คนยังนั่งมากกวา่าเช้ากับเย็นอ๋อนั่งได้อีกมากกว่า น, นั้นใช่ไหมคะ อ, อ๋อนั่งได้ตลอดเวลาอย่างนั้นทำไมเขาชี้นั่งสลับกันทั้งวันได้เลยใช่ไหมคะพระถ้าไม่ถ้ากว่าจะนั่งไม่ได้ครับออกมาออกม า, ออกมาก็ใช้ปัญญารับกับรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบกับใจมาสัมผัสกับใจให้ใจวางเฉย ใช่ค่อาจารย์ขอพระคุมากับมันบทคําถามว่าอาจารย์เขาใจอีกมากขึ้นสมาที่นี่นั่งได้มากเทายย่าไหร่ยิ่งดีมันจะทําให้ใจมีพลังมีอยู่เวลาที่จะเฉยได้สัตย์นะวราวู้ได้เพระเาะย์คือแในสัญชีเนี่ย จ, จริงๆแล้วตอนนี้ตัวเองไม่ค่อยก้านั่งกลางคืนเขาจะนั่งตอนเย็นเพราะกลางคืนมันนั่งเพรามันจะตื่นแล้วมันก็จะไม่หลับมันจะตื่นไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าในสัญชีจริงๆแล้วถ้าเราปฏิบัติได้ทําได้เนี่ยในสัญชีเราก็อาจจะไม่ต้องทําตลอดได้ใช่ไหมคะก็ เราเริ่มทําเป็นช่วงๆล้วก็อดอาหารเนี่ยเราต้องเออริ่มอดอาหารเป็นช่วงๆไปอืมค่ะได้ก็คือทําอาจจะทําให้เป็นแค่ช่วงๆเป็นแค่วันเดียวอะไรเงี้ยมันโอเได้ะะแล้วแต่กําลังของเราแล้วแตแล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะอ่หลับนำจิตให้ปฏิบัติมากขึ้นก็ น, นอนนอนให้น้อยลงไปค่ะได้ได้ขอขอคระบอาจารย์ อันนี้ก็แล้วแต่เฉลี่ยนะบางคนไม่ถูกขอบเจฉลี่ยก็ก็ไม่เป็นประโยชน์ตัวเองชอบอันนี้มากกว่าอัตตหารชอบในสันชีมากกว่าแล้วก็ชอบไฟคือรู้เลยว่าเออชอบไฟชอบทาาไฟเวลาเผาตัวเองแล้วมันแบบตอนนี้ไม่ค่อยได้เผาแล้วนะพระอาจารย์เพราะมันนั่งสมาธิลงได้แล้วอะมันเห็นอวกาศได้แล้วแล้วทีนี้สครับเหื่อที่จะนั้งไม่หลับไม่นอนไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อวันนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะ โอเคนะที่วัดภูสังโ์เขาเปิดเข้าไม่ได้เลยไม่เจอใครเลยนะ คือจิงแล้วเนี่คนที่บอก่เขาบอกว่าเปิดประตูเขาไปได้แต่เกรงใจพราะหลวงพ่อท่านแปะไว้คือรู้อยู่ก่อนว่าคือพอตอนที่ถางขึ้นไปอย่าชาวบ้านบอกว่าเข้าไปได้เปิดประตูแล้วเข้าไปได้เลยหลวงพ่ออยู่แล้วก็อีกคนนึงบอกว่าวัดปิดปะตูเองก็รู้ว่าวัดปิดนะคะแต่ว่าก็แบบผู้สามารถถึงที่แล้วก็เลยขับขึ้นไปพระอาจารย์ขับขึ้นเขาไปเองแล้วก็เจอประตูปิดจริงๆก็ไม่อยากเกรงใจท่านอะว่าอาจารย์ไม่อยากเปิดเข้าไปมันเกรงใจก็เลยไม่เป็นไรเราไม่ได้แจิตไม่ได้ตกเลยนะว่าอาจารย์เพรารู้สึกว่าเห็นวัดแล้วอะไรเงี้ยก็โอเค เดี๋ถ้ามีบุญต้นงได้เจอเขาใจเพอเดี๋ยวก็ต้องไปอีกแล้วแต่ท่านปิดมาสองสองปีแล้วนะคะปิดตั้งแต่โควิดอ่ ะ, อะเขาบอกว่าปิดวัดมานสองปีแล้วแล้วพะเอินลูกศิษฐ์ท่านอ่ะอาจจะเอาอาหารอะไรไปได้แต่ว่าตัวเองไม่เคยไปไงั้นก็เลยไม่อยากเข้าไปถ้าอยากเป็นวัดป่าสารน้อยจะกล้าเข้ารู้แล้วว่าเข้าไปยังไงแต่ว่าอันนี้ไม่เคยไปก็เลยไม่กล้าเข้าไปเกรงใจไม่เป็นไรโอกาสหน้ายจะได้หมายได้ถ้าอยากจะไปเรานะ เดี๋ยวเขาหน้าเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปแล้วจะลองดูค่ะอาจารย์รู้สึกว่าเขาแยมป็เหมือนกับวัดป่าจาราน้อยคือผู้หญิงต้องเข้าครวัวตอนเช้าไม<ะ>่ช่วยกันทำอะไรในครัว ท, ที่วัดถ้าเต่าก็มีครัวห้องครัวก็ใหญ่นะแต่ก็ ก, ก็ก็ที่ถามแม่ท่านแม่ชี ก, ก็ก็อาจจะมาช่วยครับเพราะว่ารู้สึกว่าคงมาช่วยครับ อ, อีกอย่างหนึ่งนะพะอาจารย์วัดถ้ำเต่าอ่ะท่านเจยให้ ผู้ชายตื่นมาตีสามคึมาสวดมนต์เนี่ยฮะตัวเองก็พี่ตีสามครึ่งมาสวดมนต์เพราะตัวเองตื่นตีสอยู่แล้วขอท่านเขาบอกว่าเอ้ยผู้หญิงเขาไม่เขาให้นั่งข้างล่างเลยเอาเป็นอไรอย่างนั้นนั่งสมาธิเองแล้วกันคือท่านสวดมนต์ตอนเช้าสามตีสามครึ่งค่ะแ้วให้แต่ผู้ชายสวดนมนือศาลาไม่ให้ผู้หญิงขึ้นโอเคสวดแล้วใช่ไหไีอะไรนะไปที่โย ม, มหญิงที่ไรพรพรธรม ไปยังไงมีอะไรไหมกาบนมัสการพระอาจารย์ค่ะพอดีไม่ได้เข้ามากาบพระอาจารย์สามอาทิตย์พอดีไปอุดรวัด ต, ตาบ้านตากค่ะไปงานของไปงานของหลวงตาแล้วก็ได้ไปขึ้นท่านาคาค่ะแล้วก็ได้ไปกาบที่ทุดงของหลวงปู่เสาแล้วก็หลวงปู่วังตอนที่ไปกาบเอ่อของหลวงหลวงหลวงปู่เสาอะค่ะโยมมีมีความผิติมากเลยค่ะ <c oughs> แล้วพอหลังจากกลับมาก็บังเอิญว่า คนในกลุ่มที่ไปอะค่ะพระอาจารย์ก็เหมือนกับว่าเขาติดโควิดโยมก็เลยถูกกักตัวสิบวันแล้วพอกักตัวสิบวันคือตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะทุกอย่างปลอดภัยแล้วระหว่างช่วงที่กักตัวสิบวันนะคะพระอาจารย์โยมก็ได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ซึ่งอยู่บ้านซึ่งไม่มีอะไรเลยอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็โยมก็เลยเจเริญสติตลอด แล้วในขณะที่โยมเจริญสติโยมก็พิจารณาของของการเคีย้ยวว่าค่ะพระอาจารย์แบบคือจะรู้หมดว่าการเดินการหิบทุกการจับการก้าวพยายามเจริญสติตลอดแล้วในระหว่างที่การเคีย้ยวพระอาจารย์แล้วพอเอาเ ข, าขา้าวเข้าปากแล้วก็โอเครับรู้แล้วก็ในความรู้สึกตอนนั้นนะคะพระอาจารย์มันมีเสียงแบบดังมากเหมือนกับเวลาเราเคีย้ยวข้าวอะไรมันมันเป็นเหมือนกับเฟืองที่มันเยด็เยดเยด็ดเย็ดเหมือนกับเครื่องจกักรกาลังทํางานเลยค่ะพระอาจารย์ อย่างนี้เราก็ต้องดูแล้วก็ปล่อยมันไม่ค่ะเจอเสียงดังมากเลยพระสมัยก่อนเราทานข้าวแล้วก็ทานปกติแต่พอเราเริ่มมีสติอยู่กับการที่เราทานพระอาจารย์เสียงมันดังมากเล ย, ยฐฐฐฐค่ะโยมปฏิบัติกู้ น, นูตามความเป็นจริงไปค่ะอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปคิดอะไรให้นู้นเฉยๆไปค่ะแล้วก็โยมก็ทานข้าวถึงแค่เที่ยงใช้ใช้เวลาอยู่เนี้ยค่ะสิบวันแล้วโยมก็ได้อ่านหนังสือของหลวงตามหาบัวเล่มเนี้ยค่ะ ที่ตอนอ่านอ่านไปได้อ่านไปได้ครึ่งหนึ่งตอนที่ตอนที่หลวงตาท่านท่านบรรู้ทมแล้วรู้สึกว่าดีมากๆเลยค่ะพระอาจารย์เป็นประวัติของหลวงตานะีน่ยะชื่ออะไรนะเออยานสาสัมปนุสร น, นะคะที่เขาจะตอนที่หลวงตาใช่าศใช่ค่ะอ่านไปได้เสร็จหนึ่งส่วนสามของของเล่มแล้ะค่ะดีมากๆเลยค่ะพระอาจารย์เนี่ยเป็นคติซอนใจใช่ค่ะใช่ค่ะ กับนมัรรการพระอาจารย์ค่ะอเ okay. สาธุสาธุค่ะพระอาจารย์คุณคุณยนร์นรเชิญคุณุรตายอยูีกรทมเหมือนกันใช่ไหกลับนมัการค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์อยู่กรทมค่ะมีอะไรมวันนี้วันนี้ไม่มีอะไรค่ะหนูเข้ามารับฟังและกวาราบพระอาจารย์ค่ะสาธุค่ะเป็นทีกุเกิสกอะกิสกรนเเ รมนักการชอบพระอาจารย์อ่าเข้ามากราบพระอาจารย์ครับวันนี้ไม่มีคําถามครับที่กรทมรใช่ไหมใช่ครับคุณแนนเชอแนอนอยู่ดอนเดี๋ยเปาเชื่อคุณหมอว่าคุณหมอไม่เจอเจอกันนะขากลับรมนักการค่ะพระอาจารย์ไม่เจอค่ะแต่ว่าแบบว่าอยากไปวัดภูสังโฆมากเลยค่ะคือแนนแนนได้ไปกราบ อาจารย์บุญมีที่วัดท่านเต่า อ, อยู่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่รู้จักวัดผูสังโฆค่ะแต่ตอนนี้มีความตั้งใจอยากไปกราบมากเลยค่ะเ อ, อ่อ ต, ต้องรอท่านเปิดกันมั้ค่ะแล้วก็แล้วก็วกอ๋อวันงานหลวงตาค่ะได้ไปออใส่บาทค่ะแล้วก็เจอพอดีแนนตาม หลวงพ่อสงบมาค่ะพัดปาสุขใจอะค่ะคือแบบสัทธาเรามาเลยค่ะแล้วคือหนูแน่ในอยากไปใส่บาตรอกมาเลยค่ะแล้วทีนี้ก็เลยได้เจอบางท่านก็เปื้อปิติมาเหมือนกันค่ะวันนั้นก็เิดพระอาจารย์บุญมีนะคะแต่ว่าไม่ได้ใส่บาตรค่ะได้ใส่ได้ใส่บาตรหลวงพ่อสุธรรมค่ะค่ะก็มีความสุขดีค่ะดีมากมิตรนี้ไม่มีคำถามเลยไม่มีค่ะค่ะพระพุทธเจ้าพระพุทาจากสัจจะ การรักษาการพาไม่มีคําถามค่าวพระอาจารย์โอเคคุณเอกจาเชียงรายเกการรักษาการพอาจารย์ครับเอ่อวันนี้เข้ามากับพระอาจารย์ไม่มีคําถามข่าวรักาการครับอืม<ช>ได้เั้นก็ไปที่อาจารย์สายทิพตต่อกรักษกาครแจวันนี้อยู่สารคามเจ้าค่ะ เข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะแล้วก็เข้ามาร่วมรับฟังค่ะวันนี้ไม่มีคําถามค่ะโอเคค่ะคุณเมยต่อคุณเมยจากปัทยาใช่ไหมคุณเมย์พูดได้นะคุณเมครับผมพูดได้แล้วได้ยินนะพูดได้ไม่มีคำถามาครับพาอาจารย์เข้ามาฟังคำรู้ครับอ่าได้เห็นไปที่คุณยุทธต่อคุณยุทธคุณยุทธอยู่ที่ไหน จำไม่ได้ขอไปหน่อยฮัลโหลกันน้มัสการครับอยู่ที่ไหนล <c oughs> หานครับลุานาครับ ม, มีอะไรไหมป้าอาจารย์ถามอันนี้เนี่ยคําคํานี้นะครับคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดจึงรู้ต้องจะอาศัยความคิดถึงจะรู้ครับคือตัวคิดเนี่ยมันมันบางตัวรู้ไปนะพอหยุดคิดก็จะเห็นตัวรู้ครับ อ น, นี้เป็นขั้นตอนแล้วต่อมาก็คิดอีกทีนึงแต่คิดไปในทางปัญญาตัวหยุดคิดนี่คือตัวสมาธิใช่ไหมครับเวลาหยุดคิดก็เราก็เรียกว่าสมาธิครับแล้วเวลาเอาตัวคิดมาคิดทางปัญญามันก็จะทำให้เราตัดกิเลสได้มันมุ่งทำได้ครับแต่ตอนต้นต้องหยุดคิดก่อนเพื่อจะได้รู้จักตัวรู้เห็นตัวรู้ อาจารย์รู้ว่าตัวที่กับตัวรู้เป็นตัวละตัวละตัวกันตัวละตัวกันครับทีนี้เข้ามาสอนสอนตัวรู้ด้วยความคิดให้ให้ตัวรู้ปล่อยวางทุกเสิ่งทุกอย่างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจรัะครับพอปล่อยแล้วตัวรู้ก็จะไม่ทุกกับทุกสิ่งทุกอย่างครับอาจารยนะครับเห็นตอนที่ฝึก หยุดคิดก่อนใช้สติพุทโธพุทโธหยุดคิดครับบางทีไม่ได้ทําอะไรบางๆก็อาศัยความคิดแนี่ยไปพุโทโธครับอืถ้าไปใช้ปัญญามากเกินไปมันจะเป็นความฟุ้งซ่านครับใช่ตอนนี้ยังใช้ปัญญาไม่ได้เพราะจิตยังไม่สงบก่อครับครับตอนนี้นะบอกเลยวหรืออาจารย์แล้วสมาธิวิมุตติกับ สมาธิโลกีมันแตกแต่างกันยังไงครับอ๋อสมาธิวิมุตติก็คือเรากุุตระคือสมาธิที่สนับสนุนนะวิมุตติสมาธิสมาธิที่สนัสนุวิมุตติต้องเป็นอัปปนาสมาธิครับสว่วนสมาธิที่เป็นโลกียัก็เป็นอุปจาระสมาธิครับสมาธิที่ทําให้เรามีริ้น ม, ม่เด มีตาที่ผูทิพเหาะออ น, นเดิอากาศได้อันนี้สมาธิแบบนี้เรียกว่าโลกี้ะไม่สามารถทําใ ห, ห้จิตหุดพ้นจากจากโลกของการเมินไม้ตายเกิดได้ครับต้องอัปนาสมาธิอันนี้สามารถส่งจิตให้ออกจากการเมินไม้ตายเกินดนะอาจารย์นมีสองทางงั้นอย่าไปสนใจเรื่องโลกี้ะสมาธิอย่าไปสนใจอินเทลิสต์ปัญหา เออเดินอนากาศนั่งเลชาติได้ผ่านวารจิตของคนอื่นได้นั่นอะไรไม่เป็นโนเกียมันไม่หลดพ้นมีมีสมาธิแบบนี้ก็ไม่มีวันที่เรหลุดคนได้ท้ามีอัปนาสมาธินิ่งเฉยสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาครับครับกระจ้วนะครับแล้วสมมตมกกมิมัติกับวิมุตติมัติแตกต่างกันยังไงครับ สมมุติก็ก็ตายนักก็ตายพบเนี่ยเราถ้าอยู่วับติดกับสมมุติก็เราก็ติดอยู่ในตายพบติดในพบของมนุษย์ติดในพบของเทวดาในโลกสมมุติครับส่วนวิมุตตก็คือโลกของพระอริยเจา้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปมมครับวิ ม, มุตตครับพระอาจารย์ผมเห็นในบางเพจเขาเขียนว่าแค่รักธาสิงห์ห้าก็เข้าสู่โลกุตระได้ เข้าได้จริงหรือเปล่าครับไม่ได้หรอกนั่นพระพุทธเจ้าสอนสมาธิปัญญาทําไมครับครับไม่ไม่ได้หรอกมันต้องมันต้องเขื่อนขั้นปัญญาถึงจะเข้าสุนบอุตระไนดะครับครับครับหมดแล้วนะวันเรื่อยกาครับโอเคถึงลูกทหารใช่ไหมโอเคคุณอ้อมเชิญ น้ามาสการมีคาถามค่ะเอเคไม่มีคาถามไม่มีคำถามไม่มีคาถามไม่มีคำถามค่ะไม่มีคำถามไม่วันศุกร์นี้จะเข้าจะเข้าขึ้นเวทีแล้วใช่ไหมวันศุกร์งี้นะใช่ค่ะเตยมอาวุธไปนะเต็มสักดิ์ศรีก็พระอาจารย์บอกว่าให้ตั้งการไปถึงก็พุทโทรพูดโทรใช่ค่ะ อย่าปล่ายให้กิเลสมันยับเราต่ อ, อยเรานะค <c oughs> ่ะค่ะรอบนี้ต้องชนะกิเลสถ้าคิดถึง <c oughs> ผีคิดถึงนั่งแนดงกิเลสมันยับเราตานนั้นเล <c oughs> เนค่ะเราต้องพูทโธส่้มันค่ะคโอเคค่ะขอบคุณคุณสมชายตอนอยู่อเมริกาใช่ยูนอตไหนนั่งเรียนไปแล้วสวัสดีครับ NBC. วับธมัาสตรท่านผมอยู่รัฐเพนซิลเวเนียครับผมผมอย Test ู่รัฐเพนซิลเวเนียกับประมาณประมาณโอไฮโอกับน freely, ิวยอร์ก่าเยอะครับระยะนี้ครับอยู่กลิสเบิร์หรืออยู่ใกล้คือแล้วร์กจผมก็แค่ร้อยแปดสิบครับ้ยแปดสิบครับผมก็ไปเรื่อยก็ผมก็ไปเรื่อยครับ ้วก็น้ำตกแรงกระลาก็ประมาณแปดสิบไมล์อยู่ด้านอีกด้านหนึ่งของอันนี้อยู่ที่ทำงานตอนเช้าแล้วเนี่ยครับก็ก็ผมอ่าเมื่อก่อนผมเป็นผมมาอยู่นี่แล้วผมเรียนเป็นช่างเป็นอ่าเป็นอ่าอ่าวิศวะอไฟฟ้าครับก็เลยทำงานกับอ่าไอเรือที่เดินทะเลใหญ่ก็ค่อยไปซ่อมให้เขาเรือเดินครับก็เลย เห็นก็ดีใจครับส่วนมากผมส่วนมากผมทิ้งทิ้งระยะการที่เขวัดเขวานี้ไปนานหลายปีครับจนจนอายุผมจะลีไทยอีกไม่กี่เดือนนี้แหละครับก็เลยปว่าก็เลยตอนนี้รู้รู้สึกว่ามีเวลาหน่อยก็อ่า แต่ว่าการฟังของของพระเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่คล้ายๆกับยากมากนะไม่ใช่ง่ายๆนะเป็นคล้ายๆกับจะคล้ายนักคอมเพลคตตอบผมเนีครับและก็เลยว่าแต่ว่าต้องต้องใช้เหมือนกับข้าวอนุบาลที่ท่านที่ท่านคุณหมอว่านะครับท่าน ผมกำลังจะเข้าอนุบาลใต่ขึ้นไปให้รู้แจ้งได้ไม่ยากหรอกถ้าเราตั้งใจจรงเดี๋ยวก็จะเข้าใจอ๋อครับครับส่วนมากก็ระยะนี้ส่วนมากคล้ายๆกับคิดว่าจะยังไงจะเพราะว่าลูกเต้าก็ออกไปหมดแล้วก็ก็คิดว่าว่าทำนอนไม่ค่อยบางครักก็นอนไม่ค่อยหลับมันก็ออ เลือกถึงคุณพระคุณเจ้าเนี so, so ่ยแหละครับก็เลยว่าขอวิธีเลือกระแบบแบบว่าเล็กๆไ่น้อยนะครก็อยู่คิดเงคิดมากมาเลยนอนไม่หลับหยุดคิดใช้พุทโธพุทโธหยุดเลยเวลาจะนอนก็ทำพุทโธพุทโธไปเอาครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ผมก็ได้ยินจากเสียงคนนั้นคนนี้ของท่านผู้อื่นที่ ถามถามท่านมาแล้วผมก็ฟังเอาแล้วก็บางครั้งก็ไม่ค่อยเข้าใจครับบางครั้งก็เข้าใจบมางกับกับผมก็จะพยายามเรียนไปเรื่อยๆครับได้ฟังไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจไปตามนั้นน ะ, ะท่านบอกว่ามีภาคภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาคใช่คืนเมื่อวาคานเมื่อคืนนี้เมื่อแล้วก็ไปในเพจภาษาอังกฤษอ๋อ าาาาตตตเป็นภาษาอังกฤษนี้ก็ชื่อผ้าอาจารย์สุชาติอภิชาตโต๊ะแต่เป็นภาษาเกี่ยนต้งเสริมหน่ออ๋อเดี๋ยวแอนด์มินจะสง่งแชทไปให้ถ้าคุณเปิดแชทดูเดี๋ยวจะเห็นอ๋อครับอ๋อคุณเข้าไปตอนนี้ก็ดูย้อหนหลังได้มีของของมุ่นคืนนี้เก็บไว้อยอู่โอเคโอเคไอเอ็มอยาวันวันนี้อวันนี้ก็รอแล้วรออีกอไปไหนผมก็เลยมาเจอครับขอบคุณมากครับกไ็ไม่ไม่ Uh, take time for somebody else. Okay, good. It's okay. It's o ร a y Learn, learn. Okay. Okay. Anything you say i า okay. If there's a p ผมก็พยายามทำครับส่วนมากผมคนรักษาสีหน้าให้ได้อย่าเดินชราได้ยิงดีเดินชราแล้วมันจะปฏิบัติยากก็ต่อไฟฟ้าเสร็ส่วนมากคนนี้จะจะจะท้าร์ลดค่อยๆลดทีละเล็กทีลน้อยก็ได้ลด I will try that เรียนอดอดได้ถ้าเราพยายามมันเยวเราก็ได้ก็ได้ ขอบคุณครับอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมารขอบคุณมากขอีคุณมาม ก, ขณขออกขอบคุณมากของคุณมากขอบคะณมาอาคากขอบคุมาคุณมามขอบคุณากขอบคุมากขอบคุณาขอบคุณมกขอบคกขอบคุณ้ากขอบคุณากขอมากขอบคุณมากขอบคุ่มากขอบคุณมา แล้วก็ขอให้ท่านอาจารย์สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงค่ะเป็นล่โมล่อมใสให้ลูกแล้วก็ทุกๆุกคนนานๆค่ะท่านอาจารย์ไปที่ท่านป๋าไปนะป๋าถูกค่ะหนองคายน้องคายเป็นน้องคา ย, อ, คายอยู่ที่รา น, น, นการพระอาจารย์ครับอยู่หนองคายครับ ค, ครับผมคือเวลาเวลาไปดูศพดูกระดูกอย่างนี้ครับมันมันไม่ยอมอ่า พิจารณาทางด้านปัญญานะครับมันไปเจอแล้วมันก็สงบแช่นิ่ยงอยู่เฉยๆนะครับแล้วต้องการปัญญาอย่างไรนะ่ะไหนนะไม่ว่าเป็นกัญญาคืออยากพิจารณาให้เห็นอสุภะกรรมฐานนะครับผมบางครั้งมันก็พิจารณานะครับถ้าอยากจะดูสภาพก็อาจจรขั้นดูคกระดูกนะครคือการดูสภาพนี้เพื่อละกามาราคายุดความกามารมณ ที่เวลาเราเกิดในกามอารมณ์อยากจะร่วมเพศเราต้องพยายามมองให้เห็นโครกระดูกของคนที่เราจะร่วมเพศ ด, ด้วยเห็นไหมนึกถึงโครงกระดูกเขาได้ไหย <Yeah. S 2> ถ้านึกเห็นโครงกระดูกเขามันก็จะทําให้กามอารมณ์มันมันดับไปได้อาผ ม, มนั่นคือเป้าหมายของอัศวะเพื่อดับกามอารมณ์ เราจะได้อยู่คนเดียวแบบไม่เหงาถ้าเรามีการมณ์เราจะรู้สึกเหงาว่าวัยอยากจะมีแฟนอยากจะมีเพื่อนพอเราคิดถึงร่างกายของเขาไม่สวยไม่งามมันก็ทํำให้ความอยากจะมีเขามาเป็นแฟนก็หมดไปครับผมเวลาไปไปดูศพอย่างนี้นะครับมันมันไม่ยอมพิจารณานะครับก็ดูเฉ ย, ยๆไม่ต้องพิจารณาก็ดูว่าครับแต่มันมสงบนิ่งๆอยู่เฉยๆครับผม ก็ดูว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นเขาแ้วถ้าคนที่เรารักต่อชอบเขาเป็นสมแล้วเรายังอยากจะมีความมีความล่างเขาอยู่รป่ายังอยากจะนอนร่วมหลับนอนกับเขาหรือเปล่านี่คือการพิจาราต้อง<ม>ถามตัวเองอีกหนึ่งคำถามนะครับคื อ, อมีวิธีใดบ้างครับ ท, ที่จะทำให้คนในครอบครัวหันมาสนใจในคำสอนของพุทธเจ้าครับผม อลองบวชด้วยคุณบวชแล้วเขาก็จะตามมาหาตามมาที่วัดถ้าคุณบวชแล้วเดี๋ยวเขาก็อาจจะตามมาผมจะบวชวันที่10เม ษ, ษายนครับค<ว>ือทีนี้<ป>จะจะช่วยจูงศรัทธาคนในครอบครัวได้ใช่ไหมครับผมได้แต่ก็ไม่แน่นะอยู่ที่เขาศรัทธาหรือไมอท่ทีบางทีเขาอาจจะไม่มาก็ได้าอาจจะมาส่งเราวันแรกแล้วเขาป้อยมาอีกเลยก็ได้เพราะว <laughs> ่าช่วยอย่งนั้นก็ช่วยไม่ได้ ที่น้องคายนะครับเขายังอ่าเชื่อเรื่องผีบันพบุรุษอย่างนี้นะครับคือเขาแต่เขาจะชอบฟังคําสอนของพระนะครับแต่คนธรรมดาเขาไม่ค่อยฟังครับก็ดีเราเป็นพระแล้วพระมงคลพราจะมาถามคําถามเราต่อบไปก็ได้ครับผมครับจะบวชเชื่อข่าวหรือบวชนานบวชบวชไปตลอดครับผมบวชไปตลอดนะค ถ้าบวชไปตลอดเนี่ยเขาก็ต้องมาเยี่ยมแล้วมาทมําบุญมาฟังเทศฟังธรรมทำทำแล้วเดี๋ยวเา อ, อาจจะเกิดศรัทธาอยากจ ะ, ะมีอยากจะปฏิบัติต่อไปก็ได้นะครับผมนี่วิธีดีที่สุดจะดึงให้คนเข้าวันเราต้องเข้าก่อนพอเราเข้าแล้วเดี๋ยวเขาต้องตามมาถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยลูกอยู่ที่ไหนก็ต้องตามไปใช่ไหมลูกติดคุกก็ยังต้องไปต้องไปเยี่ยมในคุกเลย งั้นดีล้วล่ะการบวันเนี้ถ้าเราว่าเป็นเหมือนกับเป็นการให้พ่อแม่มีโอกาสให้กอดชายผ้พเห่อยไหมครับผมครับถาถุกนะครับผมมือบริสต์จ้าบริสต์แบกใบหยอบ ม, มีอะไรไหมบริสต์ก่อนมาจั ก, การค่ะพระอาจารย์ค่ะพอดีว่าวันศุกร์ที่ผ่านมา ได้ไปปฏิบัติที่วัดเนลยองค่ะอาจารย์เป็นวัดที่อยู่บนเขาค่ะที่ไหนชื่ออะไรที่วัดปิดผีว่นานามค่ะเป็นเป็นวัดปฏิบัติค่ะเป็นป่าเลยเป็นป่าเป็นเขาเลเป็นป่าเป็นเขาค่ะออาแลดีไามสงบเงียบดีไหมสงบเงียบมากค่ะเพราะว่าไม่มีมีแค่สี่คนที่ที่ไปปฏิบัติอะค่ะมีชีแม่ชีท่านหนึ่งแล้วก็ อุปศิกษภูหญิงสองแล้วก็ผู้ชายหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็มีมีพระ ท, ท่านสอนกรรมฐานนะคะหน้าที่ภาพไม่แยกกันอยู่เรื่องภารวมกันอ่าเป็นเป็นแยกกันอยู่ก็ได้คะ่ะแต่ว่าจะอยู่ด้วยกันก็ได้คะ่ะอ่ามีสองแบบแต่แต่หนูไปก็คือมีพี่ทํางานไปด้วยคะ่ะไปได้วยกันไปอยู่ด้วยกันเป็นตาท้องโ ก, กลอะไรอยู่ค่ะอาจารยก็อยู่ด้วยกัน ไปเท่าคนเดียวอะค่ะพระอาจารย์ก mm. <อ>็ก็แบบกลาคืนนะคะขึ้นไปเหมือนกลืนๆว่ามันเป็นชั้นดันฟางาเงี้ยค่ะพระอาจารย์เป็นเหมือนที่ชมวิวที่สูงในในในในวัดนะคะก็ก mm. ็ว <c oughs> ชวนกันขึ้นไปไปนั่งสมาธิอะค่ะพระอาจารย์แล้วเดินมันต้องเดินออกไปด้านนอกตัวอาคาร <c oughs> เพื่อจะขึ้นไปด้านบนนะคะก็แต่ ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่ามันคูไม่มีอะไรก็ก็เดินไปไม่มีไฟก็ส่องไฟกันขึ้นไปค่ะก็ไปนั่งกันก็อยู่ด้วยกันแล้วก็แต่ห่างห่างกันนิดนึงค่ะ <laughs> แต่ว่ามันมืดมืนมากค่ะพระอาจารย์แล้ว ต, ตอน <c oughs> <ผ>มรกคนเดียวต้องไปคนเดียว <c oughs> ถึงจดีใช่ค่ระอาจารย์แต่ว่าก็ก็ลองดูก็ไปนั่งก็ก็ก <c oughs> ตอนต้นก็อาจจะไปหลายๆคนก่อนต่อไปก็ลองไปคนเดียวดู พระอาจารย์แต่ว่าแบบลั่งไปแล้วมันมันเงียบสักพักนึ่งลมมันแรงมากค่ะพระอาจารย์แบบแรงมากๆแรงจนเรารู้สึกกลัวเลยอะค่ะพระอาจารย์แบบใบไม้มันก็ปิวแล้วแบบ ก, ล, ก ล, ลัวค่ะในใจรู้สึกกลัวก็แต่ไม่รู้จะมันก็แต่เหมือนพุดโธไม่ลงเนี้ยค่ะพระอาจารย์มันมันทั้งหนาวไอ้แล้วลมก็พัดแรงทั้งเสียงในป่ามันวิเวกมากเลยค่ะพระอาจารย์ ก็เลยคิดถึงถึงองค์สมมาสัมพุทธเจ้าเขาแบบนึกถึงท่านถึงถึงความเสียสหละของท่านและเราก็แบบต้องไม่กลัวอะไรอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์ที<ม>่ไปเรื่อยๆมันก็ไม่ไม่ลมมันก็ไม่อีกมาอี ก, ม า, อกมาแรงขึ้นเรื่อยๆก็ยังยังรู้สึกกลัวอยู่แล้วมันก็อยู่ๆมันก็คิดได้ว่าแบบว่าลมมากระทบร่างกายแล้วมันเกิดความเย็นขึ้นเท่านั้นเอง<ม>เสียงก็เสียงใบ<ม> ไ, ไม้ ทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติเงี้ยค่ะพระอาจารย์ hmm. อยู่ๆมันก็ใจมันก็สงบลงแล้วมันก็เหมือนความกลัวมันมันจางหายไปเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็อรู้สึกดีรู้สึกดีค่ะพระอาจารย์ที่แบบว่าเราไปคิดได้ให้มันยอมเบาลงอย่าเงี้ยค่ะพระอาจารย์เอถ้าคิดแบบว่าถ้าเราจะตายก็ยอมตายน่ายินดีค่ะพระอาจารย์ ว่าร่างกายมันในเสร็จมันก็ต้องตายมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราเราเป็นใจผู้นี้ผู้คิดมาเกาะติดกับร่างกายทั้งวันหนึงก็ต้องแยกทางกันถ้ามันจะตายก็ยินดีให้มันตายถ้าอย่างนี้ก็มันก็จะสงบอีกแบบสงบแบบพายกลัวแลทีนี้ต่อไปมันจะไม่กลัวอาจารย์ก็คิดว่าจะไปใหม่ แต่ว่าเดี๋ยวจะลองสลับเป็นขึ้นไปดูแบบคนเดียวใจเพื่อพิจารณาใจรัของร่างกายร่นางกายไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราถ้าไปยึดไปติดมันก็จะกลัวจะทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ติดไม่ถือว่าเป็นตัวเราของเรามันก็จะไม่ทุกข์ไม่กลัวค่ะเพราะเหมือนตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ากลัวอะไรแต่มันรู้สึกว่ามันกลัวอย่างเนี้ยค่ะต้องกลัวตายตนะัวอะไร <laughs> เขาไม่รู้ว่าว่าตายกลัวผีหรือวัวอะไรแต่รู้มีความกลัวเข้ามาในจิตใของเราเพราะว่าจะเกิดขึ้นกับร่างกายเรานะเดี๋ยวค่ะน่าจะประมาณนั้นแต่ตอนนั้นเหมืนคิดไม่ทันนะคะปาอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวลองทำกันบ้านไว้ก่อนร่างกายนี้มันต้องตายสักวันหนึ่งวันหนึ่งพอถึงเวลาที่ว่ามันจะตายก็เอยอมตายไปเลยค่ะปาอาจารย์แล้วมันจะหายกลัวออไป เดี๋ยวเดี๋ยวลองค่ะค่ะพบไปแล้วมันไม่ได้คิดไม่ได้คาดคิดว่ามันจะน่ากลัวแบบนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ถ้ามันนั่นกลัวแบบนี้ก็ไม่ไปคก็ตอนที่กลับมาก็แบบวิแค่แค่นอนนอนแล้คิดถึงวันนั้นก็หวั่นหวเหมือนกันแต่ก็คิดว่าไม่ได้ก็ต้องกลับไปทําให้มันให้มันหายกลัวอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ปล่อยไว้จะหายกลัวจริงๆต้องยอมตายค่ะ อืค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะพรอาจารย์ <Okay. S 2> ไม่มีคำถามค่ะจะังวลไหว่าอจา์ที่ไหนกังวงไหมว่าอ๋อแมนครับสงสัยชื่อมันเปลี่ยนะนะ ค, ครับมโอเคก็สบานเท่กันนก็อาทิตย์นี้ก็น่าจะเรียกว่าก้าวหน้ามันนิดนึงนะครับไปอาจารย์ก็ นั่งได้นิ่งขึ้นแล้วก็มันจะชาตามตามแขนตามขาครับแล้วเมื่อวานรู้สึกว่าจะลงไปเป็นไอสิ่งที่เรียกว่าสมาธิได้นิดนึงครับลงไปแล้วมันมันสบายเหมือนลอยอยู่บนอะไรสักอย่างครับนุ่มๆสบาย <c oughs> ลงไปแล้วมันก็ก็เหมือนกึ่งดีใจะครับพยายามประคองไว้ได้แป๊กเดียวมันก็ขึ้นมาได้สักยี่สิบวิครับก็ขึ้นมามาดูสติดูลงต่อครับ อ๋อก็น่าจะดีไหมครับหรือว่ามันมันไม่ใช่ถ้าดูดูลงไปเรื่อยๆก็ได้อย่าไปสนใจกับอะไรัรบให้ดูไ ป, ไปแล้วจิตจะสงบแล้วมันมันจะดูว่าก้าวได้ยังไงครับมันจะดูหรือว่านาด้นานขึ้นแล้วจิตก็สงบมากขึ้นขึ้นก้าวรับถ้าอย่างนั้นก็ ค่อยๆทีละนิดนะครับยังก็ทำต่อไปกันทาไปเรื่อยๆนั่งให้ได้นานขึ้นให้มีสติอยู่กับลมาหายใจได้แล้วกาจิตก็ไน้นานน่งมากขึ้นไปตามลำดับก็ค่อยๆพยายามไปเรื่อยๆครับก า, การุูภายก็ต้องทำแบบนี้ไปนะ แต่มากได้น้อยก็ทําไปอย่าท้อแท้บางวันอาจจะได้น้อยบางวันอาจจะได้มากไม่แน่นอนก็นั่งทุกวันครับถึงน้อยวันหนึชั่วโมงบางวันก็สองชั่วโมงกว่าขึ้นอยู่กับสติของเราถ้าสติของเราไม่คดีมันก็นะมันก็ได้น้อยไม่สงบน้อยถ้าสติดีต่อเนื่องมันสติไม่หายก็จะสงบได้ได้มากขึ้นครับโอเคนะไม่มีอะไรใช่ไหม ขอบพระคุณทุก ท, ท่านครับยินีคุณหสทธานินานีธรรสารทนจันท์ค่ะวันนี้ไม่มีคาถามเจ้าค่ะไม่มีนะวันนี้ลูกสาวหายไปไหนนอนเท่าตรลงไปทางล่างแล้วเจ้าค่ะการเปส็สมพองศจาสมพงศอยู่ที่ไหนคุณสมพงศ ใช่ฝันมาได้เลยพูดได้เลยคุณบังคม น, นำส ก, การครับอ า, าจารย์ครับผมอยู่ที่ไหนอยู่บึงการครับบึงการมีอะไรไหมก็ขึ่งขึ้นมานะครับผมก็เดี๋ถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความคิดปรุงแต่งอะไรเงี้ยครับก็คือเวลามันชอบคิดแล้วก็ คือเราต้องมีสติรู้แล้วก็มันจะหยุดนี้ใช่ไหมครับหรือว่าอย่างไรสติรู้แต่มันหยุดแป๊บเดียวใช้มันหยุดนานๆมันใช้พูดโธเท่าพูดโธพูดโธไปโถอยๆไปแข่งของมันมันจะคิดอะไรแล้วก็พูดโธพูดโธพุทโธไปมันก็หยุดคิดือเอาตัวส่วนก็แล้วแต่ใช้พูดโธหยุดได้พุทโธพุทโธถ้ารู้มันจะหยุดแป๊บเดียวเก็พอพอไม่ไปรู้มันมันก็คิดต่อ แต่ถ้าเราพุทธรูปทร อ, อไปเรื่อยๆมันก็คิดไม่ได้คืออต่อเนื่องจากคนหยุธเมื่อกี้ที่ว่าถามเรื่องเรื่องความคิดนี่นะครับก็คือถ้ามันหยุดแล้วปัญญามันจะเกิดอ่ที่พู้อาจารย์บอกว่ามันจะเห็นความไม่เที่ยงอะไรเนี่ยครับเอ๋ออันนี้ต้องต้อ ง, ต, องต้องคิดอันนี้ต้องอีกขั้นนึงขั้นตอนนี้หยุดคิดเพื่อให้จิตนิ่งสงบเวลาหยุดคิดก็ให้มันนิ่งไปนานๆไม่ต้องทําอะไรมีขั้นสมาธิ ทำบ่อยๆทาไม่ชํานาญแล้วเวลาออกจากสมาธิมาต่อไปเก็คิดทางปัญญาเช่นคิดว่าร่างกายเราไม่เที่ยมร่างกายเราเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่จะเป็นปัญญาขึ้นมามีคําถา ม, ถามที่นี่ครับอาจารย์โอเคแต่อย่าทำรวมกันนะขั้นตอนในพยายามทำสติสมาธิให้เยอะๆหยุดคิดก่อน พุโทโธพุโทโธพุทแล้วนั่งสมาธิทำจิให้นื่งให้สงบคือหมายถึงว่าถ้าเวลาทําสมาธิก็คือทําสมาธิอย่างเดียวอะไใช่ไหมเออทาสมาธิอย่างเดียวแต่ไปทําปัญญาคนนึงือ เ, เวลาปกติของเราเนี่ก็พุโทโธพุทโธทำกิจการอะไรเออก็พุโทโธพุโทพโธไปก่อนเ พ, พื่หยุดทํามิดให้ได้ก่อนเพื่อให้เข้าสมาธิให้ได้ก่อนแล้วพอเราเข้าสมาธิได้ชํานาญแล้วเรต่อไปแล้ว เวลาไม่ได้เข้าสมาธิเราก็คิดทางปัญญาว่าร่างกายเรา kay, ไม่เที่ยมมีเกิดมีแก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นธรรมดาร่างกายไม่ใชดตัวเราเวลาทําสมาธิก็ทําได้ไม่นานครับมันก็แล้วยังก็แต่ผมก็ทำทำบ่ PLAYING อยๆทำลายหลนลายนองให้มันนาๆให้มันนิ่งนานๆให้มันชานานก่อนจสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการ เราตนได้ไปทำปัญญาตรี้โอเคนะเอาจารย์ครบับพอาจารย์นักการโอเคอกัฟฟ่เชฟ่จากสุราธานีกับนมัสการครับก็คือจริงๆผมก็เข้าใจที่พระอาจารย์เทศพระอาจารย์พูดสั้นๆผมก็เข้าใจนะครับทีนี้ผมก็เริ่มมาแบบว่า ที่พระอาจารย์พูดนะครับเรื่องพุโทโธคือตอนนี้ก็คือใช้พุโทโธแบบว่าที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นพุโทโธแบบพิสดารนะครับพยายามมาสะกดใจเอาไว้ที่แบบท่องเป็นคํายาวๆครับผมอ๋อแล้วมันก็สะกดใจได้ครับกับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเจริญ อ, อผมวิหารสี่ครับถ้าสมมุติว่าเราจะเดินเมตตาครับเราจะเข้าได้แล้วก็มีความสุขมากขึ้นครับคือเมื่อก่อนผมก็เข้าได้อนาปัสสติเข้าได้ลึกแต่ว่าตอนนี้มันทําไม่ได้ครับก็ก็คือที่ที่ทํามานี่คือแบบมันพอจะถูกหรือเปล่าครับมนก็ใช้ได้ใช้เมตตาแต่เมตตานี้มันยากนะคืยากครับใช่เพราะว่าแบบมันผมต้องโไม่ได้เพราะโทรง่ายครับ มันมันผมต้องอภัยคนอื่นอย่งเงี้ยคือผมจะมีความแบบไม่ไม่ได้ติดทันคือใครทําร้ายเราเราก็จะแบบเราปล่อยได้ครับใช่มันเข้ายากครับพระอาจารย์แต่ว่าเข้าได้ครับจะใช้เมตตาต้องใช้ตอนที่เราโกรธใครตอนนั้นถึงจะใช้เมตตาได้ครับถ้าเราไม่ได้โกรธใครใช้เมตตามันไม่ค่อยเกิดผลมันไม่ค่อยได้ถึงเท่าไหร่ใช้พุทโธหรือใช้ดูลงหายใจเข้าออกอันนั้นอันนั้นคือปัญญาเลยใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกว่าเป็น ก็เป็นเมตตาไม่ใชเป็นคนเดียถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าผมใช้พุโทโธก็คือว่าผมก็ท่องคาถาแบบว่ามงคลพุทธเจ้าที่แบ verses, แบว่าเกี่ยวกับเรื่องพณิเชิญกระแสะพพระนิพพานมาเข้าครับผมจะได้ทั้งพุทโธแล้วก็นิพพานรูสติไหมครับไม่ได้เนอก็ก็ได้สติอย่างอย่างอย่างอย่างหนึ่งนครับอาจจะเป็นพุทธานุสติถ้าเราเราเรึ้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นพราพุานุสติแล้บางทีแบบว่ามันไม่ไหวก็คือว่า เชิญพระพระมามาแบบว่านึกถึงเออพระพุทธรูปอะไรอย่างนี้เหมือนด้านหลังนี้ได้ไหมครับคืออย่าเอาหลายอย่าคนกันเอาอย่างไดอย่างหนึ่งอาจจะสวดก็สวดไปอย่างเดียวพอไม่ต้องเอาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ได้ครับอารมณ์ใจตอนนี้มันคือแบบผมเคยปฏิบัติมาเยอะครับแล้วมันก็เลยแบบว่าเออไม่รู้สึกว่า จับยากครับผมผมก็ลองทดลองมาประมาณสองอาทิตย์แล้วครับเดี๋ยวจะลองนําไปปฏิบัติดูครับแล้วยังใดอย่า ง, น, าางนั้นเราเป็นนา น, านไม่เห็นเราแป๊บหนึ่งกเปลี่ยนอีกแล้วมันก็เลยไม่ถนัดกันอย่างใดอย่างหนึ่ทนทีครับส่วนส่วนเรื่องส่วนเรื่องบวชก็คือคือตอนนี้ก็คือว่าต้องทาหน้าที่เรื่องเรื่องร้านเรื่องอุปกรณ์ในร้านนะครับประมาณเป็นประมาณสักปีหรือสองปีครับพยายามวนลงก่อนก็นแล้วกันนะ ก็ผมเข้าใจที่อาจารย์บอกว่าเออเราก็ต้องรีบหนีแล้วก็เห็นเห็นสังคมก็คือเข้าใจยอมรับพระอาจารย์ทุกอย่างแต่ว่าเขาก็เลยไม่พูดอะไรมากไม่ได้ครับเพราะแบบยอมรับปัญญาของท่านนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงครับโอเคถ้ทําไปเท่าที่เราจะทำได้แล้วกันมันตอนนี้มันก้าเกึื่อ่ะพระอาจาร<อ>ย์ก็รู้สึกแบบว่าก็ก็อวนใจอยู่ครับก็ถ้าได้สมาธิแล้วมันน่าจะดีขึ้นครับผมกลับพบคุณครับ ก็พยายามปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วกันการบวชนี้ไม่สําคัญนะถ้าสําคัญกับการปฏิบัตินี้สําคัญกว่ า, า, า, วาถ้าบวชแล้วปฏิบัติไม่ได้มันก็เหมือนกับไม่ได้บวชอย่างนนะเรียนพยายามปฏิบัติให้มากมากให้ให้เก่งทางด้านปฏิบัติแล้วการบวชมันก็จะง่ายามันก็จะตามมา อ, อย่าอย่าไปตั้งเป้าที่การบวชตั้งเป้าที่การปฏิบัติก่อน ขจานะโอเคไม่ได้ยินเสียงไปคุญสุพัฒ น, นาต่อสุพัฒ น, นาอบอวินเรามาสักการ์าอาจารย์วันนี้เข้ามากราบก็ค่ะไม่มีอะไรเ<ๆ>งินไปที่คุญปิลวลานอยู่ที่ไหนคุณพิพ์ กราบนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมอยู่ที่ราดพาวกรุงเทพเจ้าค่ะโยมได้มีโอกาสไปใช้บัตรพระอาจารย์แล้วก็ได้ไปถวายพัฒหานเช้า ท, ที่ที่วัดด้วยเจ้าค่ะก็วันนี้ก็เป็นมิตรหมายที่ดีแต่ทั้งจิดไว้ว่าขอขออนุญาตขอโอกาสได้มีโอกาสไ ด, ได้ได้สนทน า, ทากับพระอาจารย์สักครั้งหนึ่งในห้องห้องมิตรที่ก็ก็ถือว่าคำขอขอของของโยมก็ประสบ ควเนปะ็นก็ยมอยากจะขออนุญาตกลาบเรียนถามนะคะว่าในการพิจารณาสุภะเจ้าค่ะอะจะมีการพิจารณาอย่างไรเช่นใดบ้างเพราะว่ายมยังไม่เข้าใจในการพิจารณาสุภะเจ้าค่ะในคามไม่ไม่ไม่ใช่สุภอะอสุภอะอะสุภะค่ะพอดีว่ายมยมก็ไม่ทราบว่าสุภะนี้พิจารณาอย่างไรแต่ว่า วันนั้นโยมได้มีโอกาสไปปฏิบัติที่วัปดป่ดาดอนนาดนะคะกับพระอา alors, จารย์ในจุลนั น, น, นิชโโตก็เป็นสายพระกรรมฐานหลงปุ่ ม, มั่นเจ้าคะ่ะแล้วพระอาจารย์ท่านก็แนะนำว่าในการปฏิบัติของเราเราพิจา ร, รณาสุภาแล้วก็อยู่ภาวนาพุโทโธอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ปฏิบัติใ น, ในสัญชิกมาคือหลังไม่ติดพื้นติดกัรสามวันโยมเคยเคยปฏิบัต ปฏิบัติมาเช่นนี้เจ้าค่ะแล้วพระอาจารย์ท่านก็เลยแนะนําว่าลองพิจารณาสุภาษดูบ้างแต่ว่ายมไม่เข้าใจแล้วก็โยมยังไม่มีโอกาสที่จะได้ไปกราบขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ท่านเพราะว่าช่วงโควิดยมก็เลยยังไม่ได้ไปที่มหาาสระธรรมเจ้าค่ะก็เลยถามว่าเขาไม่ได้พิจารณาสุภาษกันพิจารณาสุภาษะค่ะมั่นใจไหมสุภาษะแปลว่าสวยงามสุภาษะแปลว่าไม่สวยงามเจ้าค่ะ เขาไม่พิจารณาความสวยงามแล้วก็ความสวยงาม น, นี่มันเต็มไปหมดมองไปที่ไหนก็มีแต่งหน้าทาปากการแต่งตัวการสวยงามไปหมดแล้วก็ทําให้เกิดการอารมณ์ต่างๆขึ้นมามการที่จะเป็นนักบวชการจะเป็นผู้ที่ถือศีลทําทําใจให้สงบได้นั้นจำเป็นจะต้องสัตว์การอารมณ์เราต้องมองร่างกายในส่วนที่ไม่สวยงามส่วนที่ไม่สวยงามว่าร่างกายอยู่ตรงไหนบ้าง อยู่ภายใต้ผิวหนังไงวะใต้ใตามมองคัทเทิลูกเขไปใต้ผิวหนังก็จะเห็นอะไรบ้างเห็นโครงกระดูกใช่ไหมเห็นกคงกระดูกเห็นปอดใช่ไหมเห็นหัวใจเห็นตับเห็นลำไส้อันนี้หละอสุภะพยายามมองในส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายแล้วจะทําให้เราตัดการอารมณ์ได้มาจารียัง เข้าใจเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะแล้วก็ขออนุญาตถามกาบเรียนถามอี ก, อ, กอีกเรื่องหนึง่งเจ้าค่ะเอะยมปฏิบัติแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเราอยู่พุทโธนะคะตามดูลมหายใจทั้งเข้าแล้วออกว่าลมหายใจอยู่ตรงไหนเนี่ยพอเข้าสมาธิแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวจะแข็งเจ้าค่ะแต่ว่าคือขยับตัวไม่ได้แต่ก็ยังรู้สึกตัวยม่เป็นไรก็ธรรมดานั่งร่างกายเป็นอย่างไรก็ไม่ต้องไปสนใจ ค่ะไม่เป็นปัญหาเลยเดี่เออกจากสมาธิมามันก็จะกลับเป็นปกติอยู่เจ้าค่ะแต่บางทีจะออกจากสมาธิจะออกไม่ได้เจ้าค่ะจะจะจะอยู่อย่างนั้นแบบคือนานนานพอสมควรเจ้าค่ะบางทีโยมก็จะนั่งชั่วโมงหนึ่งเจ้าค่ะแล้วพอครบเวลานี้ก็ยังออกไม่ได้ก็ยังจะอยู่ในท่าสมาธิอยู่เจ้าค่ะสักระยะหนึ่งถึงจะออกจากสมาธิได้เจ้าค่ะได้ไม่เป็นไรเพก็ใช้เวลาหน่อยเจ้าค่ะ เจ้าโยมหมดคำถามเจ้าค่ะขอขอบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะยมก็วังว่าจะมีโอกาสสักครั้งที่ให้ไปรับฟังอว่ารำกับพระอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติที่วัดเจ้าค่ะได้ได้ใชค่ะเจ้าค่ะอยู่ที่ไหนนะพี่เลี้ยวฐานอยู่ที่อยู่รับรับพระกรุงเทพเจ้าค่ะกรุงเทพเจ้าค่ะไปที่ท่านต่อไปคุณทวิสาอันนี้อยู่เซอร์เบ เรื่องนาวกลับมัเทศการค่ะพระอาจารย์ค่ะเป็นยังไงบ้างมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีค่ะท่านพระอาจารย์ก็พยายามทำไปเรื่อยๆค่ะพยายา<ม>ละลงเรื่อยๆค่ะพรนอาจารย์ตัดความนึกลงความอยากให้น้อยลงไปนะค่ะพระอาจา<ม>รย์ค่เวลาอยากอะไรก็บอกเข้าสมาธินี้บ้านั่งสมาธินี้บ้างค่ะพระอาจารย์ก็ คือตอนนี้ก็พอคิดปั๊บมันก็ดึงกลับมาได้ทันทีอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็ดีดีขึ้นค่ะพระอาจารย์อเคงั้นก็ไม่มีอะไรก็ไปที่ท่านต่อไปนะคุณมอท่านทวุเชิญอกลับทังสการพระอาจารย์ครับอะเพราะพอดีอ่าขอขอถามพอดีฟังดิธรรมะโดนใจอ่ะครับก็ คิดว่าเข้าใจบางส่วนแต่ว่าอาจจะมีความสงสัยบางส่วนครับจะเป็นสักสองสามวันก่อนที่เรื่องอเรื่องให้รู้ว่าเกิดมาแล้วต้องตายเหมือนกันทุกคนถ้าไม่อยากตายก็อย่ามาเกิดถ้าไม่อยากเกิดก็จะต้องฆ่ากิเลสให้หมดอ่าถ้าตัญหาที่มีในใจให้หมดแล้วก็าจะไปกลับมาเกิดส่วนส่วนก็คิดมาเข้าใจครับเพราะว่าถ้าไม่เกิดก็คงไม่ตายแต่ว่าการปฏิบัติในส่วนหลังครับที่จะฆ่ากิเลสให้หมดใน ใ, นใจดูกําลังคิดว่าไอ้ไอ อจเรามันค่อนข้างเร็วเราไม่ความละเอียดนะคะแล้วก็เรามีปัสสาวะมีร่างกายมันก็มีเวทนามีอะไรที่เราจะให้ไปติดพันอยู่ตลอดเวลาครับก็เลยคิดว่ามันจะต้องปฏิบัติอย่างไรต้องต้องดูที่ใจเราตลอดเวลาที่ว่าต้องแยกใจออกจากร่างกายก่อนด้วยการฝึกสมาธิครั บ, รบสมาธิให้ใจรวมเป็นหนึ่งแล้วมันก็จะแยกออกจากปัสสาวะทั้งหมดครับแล้ว ควมันแน่งเราทีนี้เวลามันกลับเข้ามาเราก็จะเห็นทันทีเห็นมันมาสัมผัสรับรู้กับโลกเสียงเกิดบ้างต่างๆแล้วก็จะเริ่มเกิดอุปทานเกิดความอยา ก, กต่างๆขึ้นมาเราก็ใช้ตายรักเข้ามาสอนมาโลกเสียงเกิดตา่างๆนี่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปนสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุม บ, บังคับเก็บไว้อยู่ให้เป็นของเราไปได้ตลอดมันเป็นธรรมชาติ ถ้าไปอยากเป็นเจาของเวลาสูญเสียมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมามันก็จะทำให้ใจเราตัดความอยากเหล่านี้ได้ต้องต้องต้องมีสมาธิก่อนมีสนาี่มีอุเบกขาก่อนแล้วกอออกมาพอมันเห็นอะไรมันก็จะมันจะรู้ทันเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเห็นแล้ว ใ, ใช้ปัญญามาสอนต่อได้เลยว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นของไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวเราของเราใช่ร่างกายนี่ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะงั้นการปฏิบัติก็ต้องอ่าคือ <costing> ส่วนหนึ่งก็คือเราเอาก็ยังมีผ well ัสสะมีเวทนาตลอดมันก็ทั้งใจทั้งตามไปแต่ว่าฟังดูเหมือนว่าเราต้องให้มองให้ให้ออกว่ากายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคือ <O an S 1> <ๆ S 2> มราเสิ่งที่เราไปรับรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราัรไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังครับของเราคร่ะ เช่นหน้ากายนี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราบังคับได้เวทน า, นาทก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราบังคับได้ครัูปเสียงเกิรก้อตต่างๆอารมณ์ต่างๆแล้วเราก็อุมบังคับมันไม่ได้มันเกิดดับของมันไปมันมีสุขมีทุกสลับกันไปดวงหยางก็สุขดวงหยางก็ทุกนี่เัาจะประหยาดให้มันสุขอย่างเดียวก็จะก็จะทําให้เราทุกเพราะมันเป็นไปไม่ได้ครับ ความทุกขก็เกิดจากประธานมันต้องไหลไปฝสนใจให้เราให้รู้เฉยๆอย่าไปอย่าไปยุ่งเกี่ยวอย่าไปจัดการกับเขาัน ะ, ะอนยูก่กับเขาไปะะต้องเป็นยังไงก็รับรู้ไปแล้วก็ปล่อยวาง ม, มันน่ะคือทำทำโดยที่ไม่ไม่ไม่กัดความอยากขึ้นมา ก็จะฆ่าความโลภความโกรธความหลงต่างๆหมดไปจากใจได้ครับเข้าใจแล้วยังเข้าใจขับผมต้องไปทบทวนอีกครับแต่ว่าคิดๆมาเข้าใจก็คือต้องต้องกเข้าสมาธิแล้วก็แล้วก็ปล่อยใจออกจากร่างกายออกจากสิ่งต่างๆที่ใจไปสัมผัสเรื่องนี้ครับะไปจะรู้ว่าใจมีอุเบกขาครใจอยู่คนเดียวได้ใจอยู่โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งต่างๆที่ จี่ใจไปเกี่ยวข้องได้แต่ถ้าเคยไม่เคยแยกออกมันก็จะคิดว่าอยู่กับต้องอยู่ต้องอยู่กับสิ่งนั่นสิ่งนี้ต้องมีสิ่งนั่นสิ่งนี้มีคนนั่นคนนี้คเพราะว่าอไม่เคยพบกับความสุขอีกแบบนึงความสุขแบบที่อยู่คนเดียวแบบที่ไม่ต้องมีอะไรเวลเราต้องฝึกสมาธิให้จิตแยกออกจากทุกสิ่งทักอยางให้ได้ก่อนชั่วคราวครับ แ, แล้วพอมันกลับมากลับมา คืนสูญเย้ามันก็สอนใจว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดกับสิ่งอะไรนี่นะเพราะมันไม่เทียมวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องจากอราไปนะเราต้องจากมันไปครับเมื่อเราจากก็จะต้องเกิดความเศร้าสศกเสียใจขึ้นมาพอมันเห็นด้วยปัญญามันก็มันก็ไม่ไปอยากมันก็จะเป็นการแยกแหงเท้ากอนถ้าไม่จะอยู่ด้วยกันก็ไม่ถ้าไม่จะอยู่ด้วยกันเราก็ไม่ไปเครื่องเขาแล้วไม่ต้องอาศัยเขามาให้ความสุขของเรา ครับได้ครับพอจะกข้าใจนะพอเข้าใจครับใจที่ไปปฏิบัติบนเขาเพื่อแยกใจออกจากทุกสิ่งทุกอย่างครับไปปิดวิเวกนะครับให้รู้ว่าเราอยู่คนเดียวได้อยู่ในป่าคนเดียวได้ไม่ต้องมีอะไรแล้วลงจะยาออกจากวังเมือไปนั่งสมาธิในป่าครับดังนั้นที่สุดก็สามารถ ความอยากที่จะกลับไปอยู่กับสิ่งต่างๆที่รทีี่่ทิ้งมาได้อเหมือนคนที่ติดเลิกเลิกติดยาเสพติดเนี้ยครับวิธีที่จะเลิกติดยาเสพติดก็ต้องมแยากอย่าไปอยู่ใกล้สิ่เสพติดใช่มหมต้องอยู่ใกล้สิ่งที่มีความสุขมากกว่านะแล้วก็เปหาวิธีหาความสุขเป็นทําใจให้สงบทำใจใหสงบเขาว่าเอ้เราก็อยู่ได้เะไม่เสพยาเราก็อยู่ได้ครับไม่ต้องใช้ร่างกายครับ แล้วท่านมันยังคิดอยากจะโวยกลับไปหายาก็บอกกลับไปต้องทุกข์นะมันก็จะไม่กลับก็ต้องคอยมองทุกอย่างให้มันว่างให้หมดทั้งทั้งทุกอย่างเป็นทุกข์ถ้าเป็นถ้าไปอาศัยเข้ามาให้กวามสุขก็จะต้องทุกข์ใจวันใดวันหนึ่งครับเพราก็จะหมดก็จะเปลี่ยนก็จะสิ้นครับเขาจะดับของของใจรักของทุกอย่างใจรักครับกจับตรงตจรักนะครับแต่เบื้องต้นที่ต้องยากใจออกจากทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ครับ ครับฮะอยากให้ให้อยู่คนเดีวไปได้นานๆเป็นเดือนเดืนก่อนเนี่ยทีนี้มันไม่ค่อยกลับไปทดสอบเลยว่ากลับไปสัมผัสแล้วใจยังมีความอยากในรูปแบบครับเป็นงั้นบางทีถ้าใหถ้าทําไปถึงตรงจุดนั้นมันก็ก็ไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่าถึงตอนที่มีการสัมผัสมีอะไรมันก็ هي, มันก็เห็นลยมันก็ใช้เฉยมันก็รู้ละมันคนที่เรื่องบูรีแล้วให้นบูรีก็เฉยเฉยไม่ใจไม่รู้สึกอะไร ครับวันที่เลือกกาแฟได้แล้วเวลาเห็นคนอื่นคนหนึ่งกาแฟว่าเฉยเฉยครับครับก็รู้ว่าถ้ายังถ้ยังเลือกไม่ได้นพอเห็นนี่มันก็อดไม่ได้เปรี้ยวปากเป็นอะไรนี่ครับมาขบคุณผ่านอาจารย์นะฮเมื่อโดนต้องแยกใจออกจากทุกสิ่งทุกอย่างครับครับแล้วต่อไปเมื่อเรากลับมาอยู่กับสิ่งต่างๆแล้วก็อยู่แบบปล่อยวางได้ ใไม่มีความอยากไม่มีความอยากที่จะเสกเขาเพรารอะรอะไรยังต้องอยู่กับตลอดเวลาไม่ใช่นะเนี่การไปปฏิบัตินี้เป็นการไปแยกตัวชั่วคราเราก็ต้องอยู่กับโลกใช่ไัมยังต้องกินต้องทมาหากินต้องอะไรอย่ า, าก็ต้องเกี่ยวข้องกับลูกเสียงกิเลสเกี่ยวข้องกับคนนั่นคนนี้แต่ว่าถ้าเราเราตัดได้แล้วเราปล่อยได้แล้วเวลาสัมผัสเราก็จะเฉยเฉยไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับเขา รก็ที่สุดก็จะเป็นมหาสติมหาปัญญาคือทันแล้วก็สัมผัสปุ๊บรู้ปับนะฮะใครหลับก็ปล่อยว่าพอจะอยากก็ปล่อยวางเพราะมันสัมผัสันต้องมีอยู่ครับไพอพอยากก็ปวดทุกข์เนาะปัญญามาว่าคอยู่คนเดียวดีกว่าไม่ต้องมีอะไรมีแล้วทุกมีแล้วต้องคอยดูแลรักษาลงใหญ่ครับแล้วเวลาสูเสียก็เศร้าโศกเสียใจ ครับนี่คือปัญญามันจะเข้าใจนะคุณเข้าใจนะครับนะเข้าใจนะครับนะขอบคุณครับไปที่ท่านต่อไปคุณตาลันชัยคุณตาลันชัยอย่ที่ไหนมาครั้งที่สามอยู่กรุงเทพครับท่านหลวงเอือพ่อมาเลยในครั้นี้ก็ ครั้งนี้จะมาสอบถามเรื่องพอดีตอนเช้าๆเนี่ยผมสักหลายเดือนก่อนเนี่ยก็จะตื่นเช้ า, าตีสี่ครึ่งเขาจะสวดทำวัดเช้าครนี้มันจะมีช่องอมรินทีวีเขาจะเปิดปกติเนี่ยทำวัดเช้าเราก็จะยินเสียงบาลีสนันสกฤตเนี่ยครับคร้งนี้เขาก็แปรพอแปรปุ๊บเนี่ยผมก็สงสัยตรงตรงที่ว่าอะไรสามีจิปฏิปันโนเพว่าโตสาววสังโค เขาก็แปลว่าสงสาวกของพระผู้มีภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทีทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริษายุคานิคู่แห่งบุรุษสี่คู่อัถะปเริษาบุคลานับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษอันนี้ที่ผมเข้าใจไม่ไม่ไม่ไม่ทราบวา่าเข้าใจถูกไหมครับก็คือโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลสกิทาคามีมักสกิทาคามีผลอนาคามีมักอนาคามีผลแล้อหรอหรันต์มักอหรอหันตผล ได้แปดบุรุษนะครับหลวงพ่อ<ม>จะเมตตาอบอกความเมตตาหลวงพ่ออธิบายตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับคือการปฏิบัติของเราเนี่ยก็เป็นเหมกับการศึกษานลำเดิบเข้ามาหาเลยก็เรียนปริญญาตรีก่อนนะพอจบปริญญาตรีแล้วก็เรียนโทต่อจบโทแล้วก็เรียนปริญญาเอกต่ออันนี้ก็เหมือนกันบุรุษบุรุษแปดคู่ วันแปสี่คู่นี้ก็เป็นระดับของปริญญาทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นคนคนเดียวนี่แหละที่ไปไปเป็นบุธธรุษทำแปดนี้เข้าใจนะมครับรู้ครั บ, บ, บ, บรุ่งตอนเวลาคุณเจริญมากเวลาคุณพิจารณาเพละสังโยชน์สามข้อแรกนี้คุณกำลังเจริญมากอยู่ก็เหมือนกำลังเรียนปริญญาไปเรียกว่าเป็นนักศึกษาแต่ยังไม่ได้เป็นบัณฑิตนะะ พอคนเรียนพอคนเรียนจบป ร, ริญญาตรีคนก็เปลี่ยนจากนักศึกษามาเป็นบัณฑิตแทนก็เป็นคู่หนึ่งผู่ป ร, ริญญาตรีนะครับคู้ป ร, ริญญาโทก็ให้คู่หนึ่งคู้บ ร, ริญญาเอกก็อีกคู่หนึ่งก็เหมือนกระทางพุทธศ า, าสนาก็แบบเป็นคู่คู่เป็นสี่คู่มันเป็นสี่ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือศึกษาเพื่อที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบัน การตอนศึกษาแล้วก็เรียกว่ า, าโรดาปัตติมรดพอศึกษาสําเร็จบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็เรียกว่าเป็นโสดาปฏิปภผมิศึกษาถูกคู่แล้วพอเราเสร็จโสดาขั้นโสดาแล้วเราก็ต้องก้าวไปสู่ขั้นที่สองคือท่านสกิดาคาก็ศึกษาวิธีที่จะทําให้เราบรรลุเป็นพระสกิดาคาพอศึกษาแล้วบรรลุถึงสกิดดาคาแล้วก็ได้คู่ที่สอง เช่นเนี่ยขั้ที่สามข้ที่สี่ไปแต่เป็นคนคนเดียวกันเห็นได้ว่ามีสี่ระดับของการบรรลุธรรมตามพระวจนศาสนาขั้นที่หนึ่งแมวาสุวดาบันขั้นที่สองแน่วาสกดาคาบีขั้นที่สามเรีว่ า, านาคาบีท่านที่สมมีาาส่เรียกว่าอารหันต์ต้องเรียนให้จบึงขั้นที่สี่ก็จะถึงขั้นที่ผ่านแนละ้วครับ เข้าใจครับอจารหลวงพ่อขอขอถามอีกข้อหนึ่งครับพอดีไปอ่านหลักธรรมของหลวงปู่ดุล น, นะครับพุทธโล<ม>เรื่องท่านบอกว่าจิตตรงออกนอกเป็นใครผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธนะครับ<ม>เดี๋ยวแม่พ่ออธิบาย มีมีข้อสุดท้ายแล้วครับสาคือท่านพูดสรุปของการปฏิบัติซึ่งถ้าเรายังไม่เป็นถึงขั้นขั้นนั้นเราจะไม่เข้าใจความหมายก็คือถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าเวลาจิตเราคิดตูดแตกไปทางรูปเสียงกลี่นเราเรียกว่าจิตสอบใช่ไหมครับคิดไปเที่ยวที่นั่นคิดไปเที่ยวกินที่นั่นเดืนที่นี่ไปทนะํานาคาไปโูน่นมานี่เรียกว่า จิตสว่างนอกนะถ้าไปออกนอกเดี๋ยวก็ต้องทุกข์อ่ะเห็นไหมไมันเป็นติดที่ทานาคาต้องกี่ชะมองสุขที่ไหนมันไปเที่ยวเที่ยวจะไปสุขกันที่ไหนน่าก็ต้องไปทุกข์กันบรรลุลเสียงกิตนั่นนี่มันเป็นทุกข์มันไม่แน่นอนพางทีเราคิดว่ามันจะดีพอไปเจอเข้อจริงๆมันกลับไม่ดีเห็นไหมนังเรียกว่าจิตสว่างนอ ก, นอกจิตสวางนอกก็จะไป ไปเจอทุกข์มันจะมีความอยากพอเห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้ก็อยากได้อยากด้อยากเป็นขึ้นมาพอไม่ได้ก็ทุกข์ใจขึ้นมาพอได้ก็ทุกข์อีกได้มาก็ต้องทุกกับการดูแลรักษาแล้วพอสูญเสียไปก็ทุกข์อีกนั่นคือการคนที่ของของจิตที่ออกเน่าจะเป็นอย่างนี้จิตจะไปเจอความทุกข์สาทุกข์ส่วนส่วนจิตเห็นจิต จิตที่อยู่ข้างในใช่มนี่นะจิตเห็นจิตก็คือจิตที่เข้าสมาธิได้พอจิตรวมเข้าสมาธิจิตก็จะเห็นตัวรู้ตัวจิตนี้แล้วก็จะเห็นตัวที่จะมาคอยสร้างความทุกข์ให้กับจิตคือความอยากต่างๆจิตก็ใช้ปัญญาระงับความอากต่างๆได้จิตดูจิตดูจิตเพื่อละรับความอยากดูจิตเพื่อระับสิที่มีอยู่ในจิต ความระงับกิเลสได้หมดจิตก็หลุด ค, ค้นนี่คือความหมายคือการปฏิบัตินี่อย่าส่งจิตออกนอกส่งไปแล้วจะมีแต่ทุกข์ให้ดึงจิตเข้ามาเข้ามาด้วยสมาธิแล้วพอเข้ามาสมาธิแล้วก็จะเห็นกิเลสทํางานในจิตก็จิตดูจิตดูกิเลสนี่เองดูว่ารับกิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ให้มันหมดไป พอจิตหมดไปมันก็เป็นทีร่รอดความทุกงทั้งหลายมันก็หาให้เป็นหมดพอใจไหมครับเข้าใจแล้วครับานี่ต้องมาของบันปฏิบัติก็คือนึ่งจิตให้เข้าข้างในนะไปฝึกสติพุโทโธพุโทโธไปนั่งสมาธิให้มันเข้าข้างในอย่าให้มันไปหาลูกเสียงกินนั้นอย่าไปตามสนการค้าอย่าไปตามที่ท่องเที่ยวต่าง อยากไปหาราบยึดสารสุขกันให้มาหาสมาธิหาความสงบกันนี่คือท่านพูดแบบสรุปเลยแต่ถ้าคนไม่เคยปฏิบัติจะไม่เข้าใจแล้วพูด ค, ความหมายความว่าอย่างไรครับอาจารย์้เข้าใจแั้วใช่ไหมคือประเด็นสําคัญก็คือให้เราหยุดหาความสงบภายนอกกันให้มาหาความสุข ภ, ภายในใจด้วยการฝึกสมาธิ ท่านนั่นงนั่นคือประเด็นสาคัญอยู่ที่เราเนี้มีอะไรไหมคุณ น, นัญจ ไ, ไม่มีแล้วครับหลวงพอ่อครับก็ขอกราบขอพระคุณครับโอเคงั้นไปที่ค Marie, นมารีตาธนัรจอยู่กอธอรรมเนี่ยมาลีอันนี้อยู่บางัวทองอยู่ที่ไห น, นอยู่มุทากาศค่ะหลวงพ่อมุทกาโอเคค่ะ okay. หลวงพ่อหลวงพ่อครับ เออที่คําพูดที่บอกว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระเจ้าเป็นโคแล้วก็ถ้าถ้าบวชหรือว่าทําตัวให้มันทุกข์จิตเป็นทุกข์ถือว่าไม่ฉลาดหรือว่าโงพ่พระเจ้าไม่สันเสริญอันนี้หมายหมายถึงยังไงคะอ่าก็คนเราอยู่ดีๆมาสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองมันฉลาดหรือโง่อะใช่ไหม แต่ก็เป็นคนที่มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็เป็นรู้ทางโลกไงความรู้ทางโลกดับความทุกข์ไม่ได้ความรู้ทางโลกเนี่ยเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับจิตก็ถือว่าไม่มีปัญญาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเออไม่มีปัญญาทางพุทธศาสนาไม่เห็นไตรลับเห็นว่าดีไม่กหมดท่านจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์กลับไปเห็นว่าเป็นสุขพอไปเห็นเป็นความสุขก็ไปหามันประยากได้มันขึ้นมาพอไม่ได้เข้าใจก็ทุกข์ไป อยากเป็นสอสอเงี้ยคนเลิกตั้งผ่านบันนี้พวกสอสอสอบตกก็เสียใจใช่ไหะเพราะไม่เห็นปัญด้วยปัญญามันเป็นทุกข์ให้คนได้มันก็ทุกข์มันได้ามาที่มันก็ต้องคอยรักษาตําแหน่งรักษาเต้าอี้มันก็ต้องคอยกังวลค่ะมองไม่เห็นทุกข์เมาทุกข์ไม่ไม่มีปัญญาที่จะเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นทุกข์เท่านั้นเพราะมันไม่เทีย่ยม นี่งถ้ากายทําตัวเองให้ทุกขแสดงว่าโง่เราให้เป็นมหาเศรษฐีก็ยังโง่ตามตามหลักของศาสนาเป็นบัณฑิตจบปริญญาเอกมาก็ยังโง่แลยังมีความทุกข์ใจก็ <c oughs> ถือว่าไม่ฉลาดในทางธรรมอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงใช่ใช่ทำทุกเดือต้องไม่ทุกข์กับอะไรถึงจะเรียกว่าฉลาดทางธรรมมีมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง แล้วแล้วแล้วอย่างที่เราเห็นบุคคลที่เขามีชื่อเสียงมีหน้ามีตามีเงินมีทองแต่ว่าสุดท้ายของชีวิตนะคะหลวงพ่อเขาเขาไม่เหลืออะไรแล้วก็ไม่มีคนดูแลป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยคะ่ะหลวงพ่อแล้วเวลาเราไปเห็นเนี่ยคือใจมันก็เหมือนมันเหมือนมันมองเห็นความจริงว่าเออจริงๆแล้วอะ่ะมันมันไม่มีอะไรที่เราจะ ยึดจะลังเอาไว้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงอย่างเงี้ยถือว่าถือว่าเราก็มองมองเห็นความจริงได้ใช่ไหมคะใช่อะไรอยา่างเงี้ยไม่เที่ยงก็เห็นความจริงเราจะได้ไม่ไปหวังเพิ่มมันแล้วต้องหาสิ่งที่เราพึ่งได้สิ่งที่พิ่งได้ก็คือความสมองนี่ที่พระเจ้าสอนให้เราเข้าหาแต่แต่แบบบางทีมันก็จะอดคิดไม่ได้ว่าเออเขามีระดับเป็นร้อยเป็นพันล้านแต่ทําไมมัน มันถึงล่วงลงมาได้ขนาดนี้ค่ะหลวงพ่อมันใจมันก็มีคิดนะคะหลวงพ่อว่าโอ้โหมันไม่น่าจะแบบเป็นแบบไม่ได้ดสายการบินต่างๆช่วงนี้ปิดกันไปตัองเยอะแยเปิดได้เพราะเศรษฐกิจมันโดนโควิดโควิดขย่อมเต้าไม่มีคนบินมันก็มันก็เจ๊งกันนมาแล้วค่ะหลวงพ่อคะแล้วอีกคําถามหนึ่งคือถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติ คือชาตินี้เราได้ประมาณแค่เนี้ยเรามีความสนใจที่จะอยู่ในทางธรรมแต่ว่าสมมุติว่ามันไปได้ไม่ถึงแล้วแล้วอะไรที่มันเป็นเหตุให้เราเระหว่างที่จะต้องไปเกิดเป็นมนุษย์หรือว่ามาเป็นเทวดาอย่างเงี้ยอะไรที่มันทาให้ให้ไปเกิดแล้วเหตุเนี่ยมันต่างกันยังไงคะไม่ต่างหรอกเพราะจิตเราไม่มีร่างกายจิตเราก็ คือจิตเราตอนนี้อาจจะมีร่างกายเป็นมนุษย์นะแต่จิตเราอาจจะเป็นเทวดาอยู่แล้วก็ได้ถ้าเราทําบุญไม่ไม่ทําบาปแล้วก็เป็นเทวดาถ้าเราทําบาปไม่ทําบุญแล้วก็เป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างขึ้นอยู่กับปริมาณของบาป ท, ที่เราทํา ม, มันเป็นโดยที่มันเป็นมันเปลี่ยนไปได้เรื่องเหมือนบัญชีในบัญชีในบัญชีธนาคารของเราเนี่ย เราฝากเงินไว้มันก็ขึ้นเรื่อยๆ เ, เ, เราถอนมันก็ลดลงไปเรื่อยๆนองมันอยู่ที่ที่ใจใช่ไหมคะอยู่ที่ใจอยู่ที่กรรมเนี่ยท่นบอกอยู่ที่กา ร, รกระทําของเราทําบุญแล้วก็ยกจิตให้เป็นเทวดาทํำบาป ก, ก็ดึงจิตให้เป็ น, เ ป, นเป็นเดรัจฉานเป็นนรกเราตายเ<ม>พราะไม่มีร่างกายมันก็อยู่ในสภาพนั้นทันทีมันก็เป็นทันทีเลยค่ะหลวงพ่อคัดแล้ว แล้วที่บอกว่าอะไรนะที่บอกว่าไม่ไม่ไม่มีไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เป็นสัตว์ไม่ใช่เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาอันเนี้ยหมายถึงหมายถึงจิตหรือหรือว่าความคิดหมายถึงทุกอย่างทุกอย่างในเลานี่เป็นธาตุทั้งนั้นน่ะร่างกายเราก็เป็นธาตุสิทำมาจากธาตุสิจิตก็เป็นธาตุรู้ไม่มีตัวตน เป็นตัวรู้ตัวคิดเป็นผู้รู้ผู้คิดเป็นเหมือนฝนพระาทิตย์มันก็เป็นมันมีตัวตอนเนนนนมื่อพราทิตย์มันก็มันก็มีมันก็มีแสงสว่างมีความร้อนเป็นธรม ร, ธรมชาติของพระอาทิตย์ธรรมชาติของจิตธารู้ก็มีความรู้ความคิดธรรมชาติของธาตุดิบก็มันแข็งนะธรรมชาติของธาตุน้ำมันก็เหลวมันเปียกธรรมชาติของธาตุไฟมันก็ร้อน ธรรมชาติของท่านลมมก็พัดไปพัดม า, ามันเป็นธรรมชาติทั้งนั้นนะไม่มีตัวตนทั้นั้นเพราะน<อ>ั้นมารวมตัวรวมตัวเป็นร่างกายแล้วก็ไปสมมติว่าเป็นตัวเราของเราขึ้นมาก็คือแค่แค่มันมาอาศัยกายแล้วก็โดยการที่แสดงออกแค่ทางกายให้เราเห็นแค่นั้นถูกไหมคะหลวงพ่อมันไม่มได้ ม, มันมาสร้างร่างกายท่าตุสีรวมกันมาสร้างเป็นร่างกายขึ้นมา ธาต น, น้ำธาตุานมธาตุไฟพอมารวมกันก็เหมือนเหมือนทำขนมเค้กอะ่ะแล้วทาําขนมเค้กต้องเอาอะไรมารวมกันใช่ไหมต้องเอาแป้งเอานมเอาน้ําตาลแล้วก็ตอเอามามามาอบในเตาอบธาตุไฟมันเ<ต>นี้ยกลายเป็นขนมเค้กขึ้นมือแต่ถ้ามองลึกๆ ก, ก็คือไม่มีอะไรเลยถูกไหมคะหลวงพ่อมันมีมันเป็นธาตุมันเป็นต้นมันเปธาต์ ถัดดินน้ำลงไปมารวมตัวกันต้นไม้ในการถัดดินน้ำลงไปมารวมตัวกันกลไกต้นไม้ขึ้นค่ะหลวงพ่อแต่าริมาณที่มันรวมกันมากน้อยมันเลยทําให้มีต้นไม้ต่างๆไม่เหมือนกันสูตรสูตรที่มารวมกันมันไม่ไม่เหมือนกั น, นเหมือนสูตรที่เรามาทําขนมต่างๆเนี่มันก็ไม่เหมือนกันแต่ก็วัตถุดีกอันเดียวกันใช่ไหม ก็ใช้แป้งใช้น้าตาลใช้กะทิใช้อะไรนี้แล้วพอพอพ อ, พอพอพอผสมมามีมีวิธีกรรมทาไปไม่เหมือนกันมันก็เลยมีขนมต่างๆมีเท้าหยิบหวไอ้ทองมีขนมเค้กมีซาลาเปาอะไรนี่มันก็ใช่ไหมมันก็มาจากมาจากแปก้งมาจากน้ําตาจากเกลือทั้ง น, นี้ที่มาผสมกันค่ะแล้วสุดท้ายมันก็ต้องกลับคืนไปมันก็อยากกลับคืนไปกินเข้าไปมันก็ถ่ายร่ากลายเป็นดินไป ส่วนที่เป็นน้ำมันก็ถ่ายออกมาทางปัสสาวะไปพอใจไหมไ ม, ไม่มีตัวตอนมันมีแต่รินน้าําลงไปส่วนตัวจิตก็เป็นตัวรู้มันก็รู้แล้วมันก็คิดแล้วมันก็สัใช้ร่างกายให้ทําอะไรต่างๆตามความรู้ภาคทิศไปพอร่างกายตายไปพอร่างกายหยุดมันก็แยกกันออกไปมันก็อยู่เป็นกายคิดไปค่ะแล้ ว, ลวก็ไ ป, ไปหาไปหาใหม่ใช่ไหมคะก็ยังมีความอยากจะ มีร่างกายมันก็ไปหาร่างกายไปรอจังไปเข้าคิวรอพ่อแม่้นใหม่ผลิตร่างกายใหมขึ้นมาแต่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ ม, ไ ม, ไดมีไม่ได้มีความคิดอยู่ในจิตว่าเราไม่อยากมาเกิดแล้วอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อถ้าไม่หิวก่อนรู้เสียงเดือดร้อนก็ไม่ทาก็มีร่างกายถ้าตัดการมาการมาตัดหาได้ก็ไม่ทำมีร่างกายค่ะหลวงพ่อวันนี้หนูมีคําถามเท่านี้ค่ะหลวงพ่อ พอใจไหมที่ปฏิบัตินี่มาเขาเพื่อตัดความละสนานนี่ตัดความอยากในเรื่องสิ่งกินเราเช่นตอนนี้อยากกินกาแฟก็อยากกินเดี๋ยวน้ำเปล่าแทนถ้าอยากจะกินอะไรยังไม่ถึงเวลากินก็อย่าให้มันกินกินแบบกินปัญญากินเพื่อรับความเห็นขอางกาไม่ได้กินเพื่อความสุขสนานบันเทิงใจคือถ้าตัดความอยากได้ทุกอย่างมันก็ หมดหมดใช่ไหยคะหลว ง, ลงพ่อหมดมันไม่ต้องมีเวลาไปดวดได้สบายตัดก็ดูเสียงกิงก่นแล้วดันก็ไปดูดได้่ะค่ะหลวงพ่อมันจะตัดไม่ได้มันยังอยากดูอยากฟังอยากลิ้นลออยากดมกลิ่อยากอยู่ใกล้ชิดกับคนนั้นคนนี้อยู่พวลามันอยู่คนเดียวแล้วมันเหนายมันจะให้ฝึกสมาธิให้จิตสงบแล้วมันไม่เหนืแล้วมันก็จะไปอยู่คนเดียวได้ แล้วแล้วถ้าเกิดสมมติว่าช่วงที่เราไปวิเวกแต่ว่าเราไปอยู่ในที่ที่มันอันตรายแล้วมันจะกลายเป็นว่าเราไปอยู่ในที่เราประมาทหรือเปล่าคะว่าถ้าเกิดปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์หรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วเราถือว่าเราประมาทไหมคะหลวงพ่อกนน็้วคนอื่นก็ไปอยู่ยแยกเพราะประมาทเนี่ยพระรพุทธเจ้าก็ไปอยู่ในปากคนเดียวเพราะอย่างการก็ตายประมาทไม่ประมาทมันก็ตายดังนั้นอยู่ที่ไหนมันก็ตายถึงเวลาใช่ไหม ค่ะที่ไปนี่ไปเพื่อหาที่สงบที่สงบวิเว้ถ้าเราใจอ่อนก็ไปหาที่ปลอดภัยก่อนอยู่ในกุติอยู่ในที่พ้างก่อนอแพอใจกล้าวขึ้นมาก็อยากจะมาทดสอบความปัญญาของเราว่าเราเราคงได้หรือเปล่าเราปล่อยวางได้หรือเปล่าแล้วก็ออกไปอยู่ที่มันน่ากลัวเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่ไม่ก็ไม่มีใครตายอที่ตายก็คือความกลัวตายมากกว่า ที่ไปนี่เขาเพไปไปข้ามความกลัวตายให้มันหมดไปจากใจมันต้องไปอยู่ที่มันน่ากลัวความกลัวตายมันจะได้ออกมามันจะได้ใช้ปัญญามาความความทุกข์มันมากกว่าความกลัวค่ะหลวงพ่อตอนตอนที่ไปอยู่อ่ะมันมันไม่กลัวตายแล้วอ่ะมันมันไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวแล้วเพราะทุกข์มันเยอะกว่าค่ะหลวงพ่อมันก็เลยอยู่ได้ค่ะหลวงพ่อ ใ น, นเวลาปฏิบันิที่บางทีมันก็ต้องต้องยอมตายมันถึงมันถึงจะรู้ว่าหายกลัวแล้วเปล่าถ้ามันยอมตายมันก็จะหายกลัวค่ะหลวงพ่อใครใครห้ามก็ไม่ฟังอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเราเราก็ต้องคือก็ยอมไปเลยตายก็ตายเป็นยังไงก็เป็นไปเลยเราก็ไปอยู่ที่เน้น ท, ที่ที่น่ากลัวอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อใช่ไปพิสุดน์ดูว่าเราเราโป่งหน้าหรือเปล่า ค่ะถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าพูดไปถ้ายังกลัวยังทำไม่ได้ก็ไม่ไปเองไม่แต่ถ้าเวลาถึงเวลาแเวลานันพร้อมมันก็อยากจะไปลองเพราะมันอยากจะํามันอยากจะกําก จ, กจัดไอ้ความกลัวตายนี้มันหมดไปจากใจให้ได้ค่ะหนูหนูหนช่วงนี้หนูไม่ได้ไปเลยค่ะเพราะว่าวัดแถวแถวที่หนูไปอ่ะเขาเขายังปิดวัดอยู่ค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าจะเปิดประมาณสักช่วงช่ว ง, งสงการหนูก็ว่าจะไปอีกค่ะ ได้ไปเมื่อไหรได้ก็ไปถ้ามีเวลามีโอกาสก็ไปถ้าอยากไปไม่ได้ก็ทําที่บ้านไป่อก็ได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งนะคะก็ทําทําทุกวันค่ะหลวงพ่อดีค่ะมีเวลาตอนไหนหนูก็เข้าทางนี้อย่างเดียวค่ะหลวงพ่อกลับเพราะว่าคุณหลวงพ่อค่ะหมดละค่าสาธุค่ะคุณแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรจวอไม่มีคําถามเจ้าค่ะแต่ว่า วันนี้ค่ะคำถามดีมากๆเลยค่ะแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเพิ่มปัญญาได้จ้ะค่ ะ, ะในประเดน็นต่อไปคุณพัิศาจากพัทยาทำได้นะานางเกือกดอันนิวทำ อ, อันนิวไมโครโฟนตูวดได้น ะ, ะน้องกล่าวคุณผู้ารก็ ้องหนูก็พยายามทําแต่ก็สู้กิเลสตัวที่ว่ามันเหมือนกับว่าเราเนี่ยทําไม่ได้ก็คือนั่งสมาธินี่แหละค่ะพระอาจารย์อ๋อไม่เป็นไรค่อยๆทําไปเหมือนกับเราไปสู้กับชิงไปชิงแชมป์โลกเราก็ต้องค่อยตต่เต้าขึ้นไปทีละขั้นกับมันมันมันยังอยู่แค่ทานอยู่เลยพระอาจารย์มันมันไม่ไปมังพุทโธมันพุทโธเรื่อยๆ วันวันมีเวลาคิดนู่นคิด น, น, นี่ก็ใช้พุทโธพุทโธอย่เลใช่ค่ะอย่า อ, อย่าปล่อย้คิดเลยเปื่อ ย, อย่าคิดฟุ้งซ่านทําพุทโธพุทโธภายใาใจรือส่วนที่ไปส่วนในใจก็ได้ขยัข<อ>สนสวดหน่อยขยันสวดขยันพุทโธหนะเดีย๋ยวมันก็จะมีกา<ข>ลังนั่งสมาธิได้ค่ะตอนนี้ก็พยายาม เ, เวลา เวลาพูดโธนหนูก็พยายามเจริญจิสติกับตัวเองว่าเวลาว่างก็คือพุดโธอยู่ในใจเสมอแต่ว่าจะให้นั่งสมาธิมันยังนั่งไม่ได้กิเลสมันหลอกว่าอย่างประมาณว่าถ้ากลางคืนอย่างเงี้ยค่ะกว่าหนูทํางานเสร็จหนูก็ประมาณสักสองทุ่มกว่าความรู้สึกว่าเราเหนื่อยมากเลยวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วว่าจะตื่นตอนเช้ามานั่งแต่พอนาฬิกาปลุกมันก็ ไม่ไม่ไม่ต้องรอเวลาแบบนี้หรอกช่วงไหนกลางวันว่างปั๊ก็นั่งสักห้านาทีก็ได้เนาะบาทีละห้านาทีไปก่อนก็ได้เมอมันตั้งหลักนี้มันจะไม่ได้นั่งมือนช่วงกลางวันนีพอเราช่วงไหนว่างๆไม่มีงานทําเรานั่งหลับตาสักห้านาทีพูดทัวพูดทัวไปได้ก็ทําไปเลยนั่งไม่ต้อนั่งกับสมาธินั่งเก้าอี้ไปก่อนก็ได้อย่าไปตั้งถ้าตั้งเวลาโอ้ยพอถึงเวลานั้นกว่าจะพร้อมมันไม่พร้อมนาที นิสิตมันเอาแบบปัจจมันทันโดดนี่หว่าว่างเท่าไหร่ตอนนี้ว่างไม่มีอะไรทานะนั่งลับตาพุโทโธพุโทโธไปเลยเคได้สักห้านาทีก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยใหม่ๆเริ่มต้นใหม่ๆนี่นั่งให้ได้ห้านาทีก่อก็ยังดีมาทำหลายรอบเดี๋ยวต่อไปก็ว่างเก้าพุโทโธพุโทโธเมื่อก่อนมันก็นั่งได้นะคะพระอาจารย์เป็นคร<ม>ึ่งชั่วโมงชั่วโมงมันก็ค่อยๆไต่ระดับไปแต่พอแบบ ตั้งแต่หนูไม่ได้โทษผ้าจารย์นะคะตั้งแต่หนูไม่ได้ไปไปหาพระอาจาร์ที่ฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆ hmm. ใจมันออกข้างนอกเยอะหนูก็รู้ตัวรู้ตัวมองตัวเองพยายามพยายามปรับตัวเองตลอดนะคะว่าไม่ให้ไม่ให้ส่งจิตส่งใจไปออกข้างนอกเยอะแต่มันก็ยังสู้ตัวนี้ไม่ได้มันก็กลับเข้าไปนั่งเหมือนเดิมไม่ได้ใช้พูดโธ้ไงพอพอรู้ว่ามันส่งออกข้างนอกพอพูทโธพูดโธ้หนึงมันกลับเข้ามาข้าง ค่ะมีอยให้พระอาจารย์เทศที่ที่นัก่าติดจะได้ไม่รู้จะเทศได้หรือเปล่าเพราะอย่างนี้มันมันแก่ลงแกลงนะสายเทศในในในช่วแทนอย่นี้มันมันสบายกว่าค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็ฟั ง, <c oughs> ฟ, งฟังของเก่าที่เขาไลฟ์สดทุกวันตอนบ่ายสองโมงก็เหมือนกันน <c oughs> ไม่เหมือนต้องมานั่งที่วัดถึงแล้ว ไ, ได้นั่งสมาธิได้นะ เข้าใจบางคนนี้เวลามานั่งมาฟังนี่เพื่อมันจะได้มาฝึกสมาธิกันเพราะไม่เช่นนั้นอยู่ที่อื่นมันทำไม่ได้พอมานั่งความเท่แล้วมันทําอะไรไม่ได้เลยมันเลยต้องบังคับนั่งสมาธิไปนะแต่เรืั้งที่มันแก่ลงแก่ลงทุกวันแล้วมันจะให้มาพูดกันเมื่ก่อนเมื่อถึงชักจะไม่ค่อยไหวนะค่ะ <c oughs> วันนี้มีเท่านี้คะ่ะอาจารย์เขาบอก ต้องพยายามบังคับตัวเองสอนตัวเองปฏิบัติเองไม่ใช่ให้เป็นแต่กอนุมาลต้อความอาป้อนทุกวแต่ก็มองดูมองดูตัวเองว่าตัวเองก้าวหน้าเหมือนกันนะคะก็คือมีทานแล้วก็มีเริ่มมีสินก็เริ่มมีสิงขึ้นมาหน่อยมันทานหนังสือซื้อสินแบกอย่าง้ใช่ใช่ค่ะถูกครับนี่ตอ น, นนี้ก็เพียงแขาดนะพูดทโทนพยายามทาราพูดโทนบ่อยๆหน่อยได้ค่ะพระอาจารย์ โอเคนะครับ้องพอโอเคครับดี่เป็นผู้ที่พงเชิญเป็นผู้ที่พงอยู่ที่ไหนอ่า่ที่ไหนอยู่ีไหนอยที่ไนยยองประมานั้นระยอมีอะไรหมครับยองคผมผมผมดูดูจิตแล้ว ผมก็ผมก็ดูได้มาตอนเริ่มเริ่มเริ่มแรกผมผมดื่มสุรามากแล้วผมอยากจะเลิกสุราแล้วทีนี้ผมเลยใด้คําฟังคำมัจบอกว่าให้รู้ทุกพอดีผมไปดื่มสุราแล้วตากแดดแล้วมันทุกมากเลยพอตั้งแต่ทุกมากตั้งแต่วันนั้นมาผมไม่ดื่มสุราเลยเพราะความทุกมันทุกแล้วผมก็ผมก็เลยติดมีอะไรผมก็ดูให้ว่ามันเป็นทุกเป็นทุกตลอด มาวันนี้ปุ๊บคิดอะไรปั๊บมันทุกเลยอะ่ะพระอาญาพอพอพอคิดปุ๊บมันมันมันมันวิ่งมาทุกเลยแต่ผมคิดเองก็หยุดคิดให้รู้เฉยเฉยอย่าไปคิ ด, ดอะไรรู้สึกว่าเขาคิดกับทุคกคนล้วเดี๋ยว่าถ้าถ้าผมรู้ไม่ทันความคิดปุ๊มันวิ่งมันทุกเลย แล้วแล้วแล้วจรนี้ผมมันก็มันก็บางเป็นบางวันนะก็อาจจะถ้าดูทันมันมันก็ไม่ทุกแต่บางถ้าเราเหนื่อยจางานหรือมีปัญหาอะไรเงี้ยมันดูไปทำมันทุกทั้งวันเลยพอแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมันก็มันทุกทุกทุกพอได้ทุกปุ๊บมันวางปุ๊บเลยแต่เพิ่งไม่รู้ไปเลยถ้ามีสติมันก็ทันแลมันก็หยุดทุกได้คือเกิดจากความคิดของเราเอง ที่เป็นทางความอยากมันก็ทุกข์เหมือนกได้ยังไงมอะไรไหมมีคำถามไมมันปล่อยแป๊บเดียวแล้วมันมันมัางเลยมันไม่ดีใชยสัญญาไม่ค่อยดีคือผมผมลองปล่อยให้มันทุกขูว่ามันจะทุกได้ขนาดไนมันมันจะดับไหมมันก็ดับบ้างไม่ดับบ้าง ที่นี่มันปล่อยเองครับอาจารย์ปล่อยป่อยประมาณ20นาทีแล้วมันก็รวมทุกอีกมันมันเป็นอะไรครับอาจารย์ก็เป็นอย่างที่เป็นนละมันไม่เที่ยงมันเกิดเกิดกับนยก็อย่าไปทุกข่นมันมันเป็นธรรมธรรมธรรมดาเีไครับอาจารย์ธรรมชาติเลยก็ต้องคอยคอยดับทุกข์ไปเรื่อยเวลามันมันมันทุกก็ต้องดับมันดับปล่อยให้มัน อย่าป่อให้มันทุกข์นะพอรวงทุกข์ปั๊บก็หยุดนั่สนสการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ไงพอทุกข์เกิดแล้วก็ดับมนันทันทีที่คุณดับมี่ดับด้วยสติคุณรู้ทันปับ๊บทุกข์มันก็ดับไปพอคุณผอมคุณก็สร้างทุกข์ขึ้นมาใหมา่พอคุได้สติมันก็มันก็ดับไปมันดับแบบรวดเราวถ้าอยากจะให้มันดับถึงท้อวันต้องใช้ปัญญา ระดับที่ต้นเหตุของความทุกข์เวลาต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากต่างๆนี่เพระไม่มีความอยากแล้วความทุกข์ก็จะไม่เกิดต่อไปอาจากย์นะอาญานไม่ด ไ, มได้ยินเสียงมันไปได้ยิน จำพูดใหม่ไม่ได้ไม่ได้ยินเลครับได้ยินไหมครับมาจากได้ยินนะตอนนี้ผมผมผมแค่ผมผมดูดบุหรี่ปั๊บปผมทุกเลยอ่าเ็อยู่นั้นเป็นทุกแล้วดูดมันทําไมล่ะก็อย่าดูดเพรรู้มืนทุกลเกลยผมผมว่าผมจะดูดให้มันทุกหนักหนักแล้วให้มันเข็ดเหมือนเหมือนสุราผมคิดว่าผมดูดให้มันทุกทุกให้มันยอมอครับ ผมเดินทางมาถูกแล้วไม่ถูกหรอเมื่อเหว่าทุกข์ก็ต้องหยุดเสียบแสดงว่าผมยังโง่อยู่นะครับรู้ว่าก็าูกบอกเลยถูกบากว่าทุกิเลสเราให้สุบกิเลสมันอยากให้เราสูบผมว่าผมถ้าเราเรามันทุกข์เราก็ต้องหยุดสีงครับผมครับครับพระอาจารอาจารย์ครับผมผมผมสูบปั๊บผมทุกปั๊บเลยผมคิดปั๊บผมทุกปั๊บเลยผมโวยก็ ต้องปัก็ต้องหยุดปั๊บเลยเลยอย่าไปอย่าไปทําำแล้วมั น, ท, มนทำแล้วมันทุกข์ทำไปทำไมครับอาจารย์ครับผมขอบคุณอาจารย์มากครับโอเคครับนะ <c oughs> อย่าถูกหลอกนะหลอกให้ไปสุขอาจารย์ครับอย่างนี้แสดงว่ากิเลสหลอกเราใช่ไหมครับใช่กิเลสมาหลอกเราครับบางทีบางทีงทมันกิเลสหลอกผมผมก็มาพุดโธพูดโทแล้วผมว่า ผมพูดโทรประมาณสิบนาทีมันก็ฟัดกับมันอีกแต่ผมแพ้ไม่ตลอดเลยครับเจ็บตีน เ, เลยก็อย่าหยุดเลยเราพูดโทรไปไเรื่อยๆอย่าหยุดแล้วถ้าเกิดแรงผมไม่พอผมเดินโยงคมเดินพูดโธพูดโ ท, ดโ ท, ดโทเดินไปเลยไม่ดูไม่ดูใครเลยเดินไปไกลๆอ่ะแล้ว ก, กลับ<ช>มาอีกสัดกับมันอีกแต่ผมก็แพ้มันอยู่เดี๋ยวผมไม่ได้อย่าหยุดทําไม่ได้แอยๆเดินไม่เรื่อยๆบางทีต้องเดินต้งหลายชั่วโมงกว่าจะกว่าจะชนะมันได้ครับผม คือผมเป้าหมายผมผมไม่อยากเกิดใหม่อีกครับผมว่ามันทุกทุกอย่าเลยครับอาจารย์ใช่ต้องพยายามใช้พุทโธใช้สติช่วยกันไปนะครับผมผมผมแพ้อยู่แต่ว่าผมผมก็ไม่ท้อผมซัดตลอดทําไม่เรื่อยๆนะเดี๋ยววันต้องชนะสาธุครับอาจารย์ครับครับครับไปที่เป็นเวสลาถ้าอ่าชื่อผิด เวชรัตถะเมสรัตเวชรสวิศรสครับอาา ร, นะ ร, รครับครับวิรสครับค <prone> รับครครับอาจารย์คอ่าพอดีอันนี ả, ้ก็เป็นครั้งแรกที่เข้ามาอยู่ที่ไหนมาจากที่ไอยู่ที่พอถึงเขาครับพอถึงเขาอ่ามีคำถามเลยครับก็มีพอดีผมปฏิบัติอยู่เหมือนกันฮะก็อ่าพอดีมีคําถามว่าสงเจริญณ า, าปานเสียครับแล้วก็อ่าทิจณาการในกายเนี่ยนะครับแล้วก็ คือในช่วงนี้ว่ามีสี่หายใจเข้าหายใจออกครับแล้วก็จนถึงทํากายสังขารให้ระงับใช่ไหยครับพอพอหลังจากนั้นนะครับในช่วงเวทนาในเวทนาครับอพอเรากําหนดนะครับมันจะเป็นในลักษณะของรู้พร้อมซึ่งเฉพาะซึ่งปิติครับตรงนี้ครับผมพิจารณาแล้วมันไม่เกิดเหมือนกับว่าปิติหรือสุขมันไม่เกิดครับเอก็ <ทำ S 2> เลยทำผิดไงทำผิดไงทำอันี่มันมันทําต้องหลายอย่างข้อมๆอกัน เวลาทำอนาปัญสตินี่ให้หยุดที่ลมเองอย่างเดียวยที่ลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปพิจารณาอะไรทั้งหมดตอนนั้นยังไม่ใช่เวลาการปฏิบัติอานาปัญสติเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิก่อนยังพิจารณาไม่ได้ถ้าพิจารณาแล้วก็กลายเป็นกลายเป็นเอากาแฟร้อนมาประสบกาแฟเย็นมันก็เลยไม่ร้อนไม่เย็นไม่ได้ไม่ได้เรื่องทั้งอย่าง ปัญญาการปฏิบัติเนือลสมาธิกับปัญญานี่บนกันไม่ได้ต้องแยกค่ะตอนตอนที่ผมพิจารณาคือว่าเราเรารู้มีสติหายใจเข้าออกสั้นยาวยาไม่ไ ม, ไม่พิจารณาให้รู้เฉยเยไม่พิจารณาให้ดูเฉยเนะครับ อ, อไม่พิจารณาให้รู้วมันเข้าแล้รู้วมันออกมันสั้นก็รู้ว ม, มันสั้นมันยาวก็รู้วมันยาวให้รู้เฉยเฉยให้ดูเฉยเฉยได้ไหมเขาดูเฉยดูแค่ลมาหยายใจเฉยนะครับใช่อย่างเดียว เพื่อจิตหยุดคิดเพื่อจิตแจ่เป็นสมาธิขึ้นมาแล้วในส่วนของแล้วอาจารย์ครับแล้วเกิดในส่วนของเวทนาครับถรืว่าเราไอ้นั่นยังไม่ถึงเวลาตอนนี้ถึงเวลามันจะถึงเองเราจะรู้เองใช่ไหมครับใช่เรื่องตอนนี้ครับทํำจิตให้ได้สมาธิก่อนแล้วถ้าเกิดนั่งไปแล้วมันเจ็บก็อย่าไปสนใจมัให้อยู่ระบายหายใจนะครับในพิจารณาตอนที่เรานั่งไปครับแล้วก็เปวดมากๆ มันจะไม่ได้ผลทังอย่างปัญญาก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่ได้ถ้าทำปวดกันนจะไม่ได้ทั้งอย่างคือคือผมก็นั่งดูความปวดไปแล้วก็จนความปวดมันหายไปค่อยๆหายไปจนจนเราเห็นความปวดครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่นะครับเรคือสังเกตเห็นตรงเนี้ยครับเออมันก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ั้นก็ไม่ได้สมาธิถ้าทีถ้าทราทำอย่างนี้ถ้าเราไม่อยู่กับลมเราก็จะไม่ได้สมาธิจิตไม่รูมเป็นหนึ่งไม่ไดสลับนี้รวมครับ คือเวลนั่งสมาธิทำรวรนาปนัญสติไม่ให้ไปนสนใจกับอะไรทั้งสิ้นที่ปรากฏขึ้นมาแค่ให้รู้อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับ<อ>รให้รู้อยู่กับลมอย่างเดียวอย่าไปรู้เมตนาอย่าไปรู้ร่างกายว่าอะไรทั้งมันไม่จำไป็นรู้ให้รู้ลมอย่างเดียวนั่นนั่นใ น, นขั้นหนึ่งให้เราผ่านขั้นสมาธิไปก่อนทีนี้ไปดูเมตนาว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดดับมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะฉะนั้นต้องรออีกขั้นหนึ่ง ทัานตอนนี้ธรรมนาปัญสติเพื่ อ, อจิตรวมให้นิ่งสงบเป็นสมาธิครับนี่เราเอาทั้งสองอย่างเอาทั้งสมาธิเอาทั้งปัญญามาปนกันก็เหมือนเอาทั้งกาแฟร้อนกาแฟเย็ น, นมาก็เลยคือิดไปด้วยไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้เลยครับกาแฟก็ร้อนก็ไม่ร้อนกาแฟเย็นก็ไม่เย็นเราเอากาแฟร้อนกาแฟเย็นมาปนกันเม่ได้เราจะสุดเลยไม่ได้ปนอืม ช่วนไหนที้คุณจะยากดื่มกาแฟร้อนก็ร้อนเอากาแฟร้อนอย่างเดียวไม่เอาน้ำแข็งใส่เข้าไปช่วงไหนที่คุณต้องการกาแฟเย็นคุณก็ไม่เอาน้ําร้อนใส่เข้าไปคุณแยกกันอันนี้ก็เป็นการสมาธิกับปัญญาถ้าเป็นคนละนากันรวมกันไม่ได้ครับครับครุณครับอาจารย์ครับโอเคในตอนนี้ฝึก ส, สมาธิให้มากมากก่อนให้จิตโรวมเป็นหนึ่งให้ได้ก่อนนะ แด้เองทางกระตาลงได้อัปนาสมาธิก่อนล้วค่อยไปทางปัญญาต่อไปครับครับจับใจนะนะครับกลับคุณครับจใจครับครับโครับใครต่อนะคุณ p อ o n e เดี๋ยววันคุณสุวรรณิ่ยคุณสารนิดเนียสานิดเดียวเชิคุณสานิดกลับนวัตกรรมอาจารย์ครับอยู่ที่ไหนอยู่บ้านอ่าบาำเภอครับตลาดอำเภอครับมาบ้านคเอนี่ ก็ใส่บาทรอาจ์ทุกวันครับแล้วก็ขึ้นขึ้นไปบนเขามาสี่รอบเลยครับอาจารย์เปนั่งสมาธิเหรอก็ตั้งแต่คุยซูมกับเรื่มคุยซูมกับอาจารย์ตั้งแต่ทางเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ผมผมขึ้นไปน่าจะสี่ครั้งแต่ว่าเป็นกลางวันวันอาทิตย์ธรรมยานครับแล้วก็ วันวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ผมไปหนึ่งวันกับหนึ่งคืนครับปี่ใหญ่ก็ตัดสินใจว่าพอคุยคุยกับหลวงพี่ปับ๊บแล้วก็คุยกับหลวงพี่ป้อมแล้วก็ตอนแรกก็ไม่กล้ายอยู่เพราะว่าตัดสินไปไปอยู่สามวันแต่ก็มองมองพอตอนเย็นเนี่รู้สึกรู้สึกกลัวมากแต่ว่าอ า, อาทิตย์ที่ผ่านมาตัดสินใจอยู่หนึ่งคืนกับหนึ่งคืนกับหนึ่งวันโอ้ยตอนตอนลงมาตอนเช้านี่รู้สึกโลง่งอาจารย์ครับ ทำไมันน่ากลั ว, ลวอะไรข้มือนก็คือผมอยู่อ่สาสระที่เจ็ดเลครับอาจารย์อืมโอ้มีกวางมีลิงทั้งคืนเลยครับโอ้โหแบบผมนี่ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่ากวางเนี่ยคุ้นตอนกลางวันเพรกวางก็เดินตอนกลางวันเขาคุ้นอยู่แต่ลิงตอนตอนค่ํานี่ยโอ้ดูดูโผลต้นไม้เนี่ยอัลว่านหนักมากเลยครับกระช่ไหมานี่แล้วก็อยู่ของเราไปนั่นเองต่างฝ่ายต่คือครับ อ่าตอนแรกก็กัดฟันนะครับก็รู้สึกนึกนึ ก, นกถึงอ่พี่หมอที่แกเล่าให้ฟังในผ่าน u t u b e ตอนที่แกขึ้ น, นบนเขาท่านบนนะครับพี่แกบอกว่ามีใครเดินมาวกแวกอะไรผมก็ไม่รู้ตอนนั้นตอนนั้นประเด็นเดียวคือว่านิ่งเอาไว้แล้วทั้งหัวทั้งอะไรคือมีสารพัดเข้าใอใช้พแต่ว<ห>่าใจมันฟุบไฟใจมันมวน ก, ก, ก, กระท่อกุ้ยโุ้โุคือเสียง มาตลอดทั้งคืนแล้วก็แต่ถ้ากวางเดินนี่ผมรู้แล้วกวางนี่ผมจะอุ่นใจมากครับเพราะเรารู้แล้วว่ากวางมาเคี้ยวต้นมงต้นไม้ทั้งคืนไม่รู้ผมโอ้แต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าโล่งโล่งไปได้ระดับหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์นี้ผมน่าจะไปสองคืนกับหนึ่งวันคุยกับการจับจุดกับรองพี่ไปแล้วครับว่าสุดโล่งสโล่งสุดสุดโล่งเข้าใจต่อไปก็หายคุยคือกัดฟันเลยครับอาจารย์กัดฟันแบบยอมหสักทีหนึ่งเพราะว่า ไปดูตอนกลางวันมาสามสามวันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าคือมันก็รู้สึกว่าได้ระดับหนึ่งครับอาจารย์ครับรู้สึกว่าควบคุมจิตได้ระดับหนึ่งครับก็พุโทโธพุโทโธเป็นหลักนะครับแล้วก็ตอนกลางวันก็นั่งนั่งบวกกับเดินครับอาจารย์ครับใช่ใช่ทีนี้ขอถามอาจารย์นิดนึงครับเบื้องต้นอยากอยากถามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรู้กับตัวคิดนะครับ ก็มันมันเป็นธรรมชาติา ข, อของใจไงใจมันมัมนทําได้สองอย่างมันรู้แล้วก็มันก็คิดอตัวนี้ก็ปล่อยวางนะใช่ไหมครับอาจารย์รู้ลมอย่างเดียวไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้อกกนอาจารย์หยุดความคิดอย่ า, ยยายให้คิดถึงเพลงอย่าให้คิดถึงความคิดถึงผีคิดถึงอะไรให้อยู่กับลมไปอเบื้องต้นฟโฟกัสที่รู้ลมหลังจากนี้ไปขั้นตอนที่สองอยังไงก็เกิดเกิดแน่น อ, อนแต่ว่าเกิดเมื่อไหร่ก็เมื่อพร้อมใช่ไหมครับอาจารย์ คือไม่ต้องให้จิตหยุดคิดให้ได้ก่อนให้จิตนิ่งสงบหยุ ด, ด ค, คิดเป็นสมาธิก่อนแสดงว่าเราควบคุมการคิดเป็น้ขั้นต่อไปก็เวลาไม่ได้นั่งสมาธิก็สานให้มันคิดว่าร่างกายเราไม่เทียมวันใดวันหนึ่งก็ต้องตายครับคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะได้ไม่กลัวตายมันจะได้ยอมตายได้ ก็ฟังฟังยูทูบอาจารย์เรื่องพิจารณาเรื่องศพเรื่องที่ว่านี่ารพูดบอกว่าเมื่อก่อนเขาไม่ได้เผาเข้าไปฝังสันกินนู่นนี่นั่นก็ตอนนี้คิดว่าก็ต้องนั่งดูรูปพวกนี้เริ่มดูรูปกันแล้วก็รูมเริ่มวิเคราะห์เริ่มหมายถึงว่าแยกแยกอ่าเขาเรียกว่าแยกขันออกมาว่ามันไม่สวยในงามครัแยก่าต่อไปร่างกายเราก็ต้เป็นอย่างนี้ร่างกายของทุกคนต้เป็นอย่างนี้หมดไม่ว่าจะหญิงหรือชาย คือเมื่อก่อนพอนึกถึงภาพเนี่ยผลก็ลุกแต่ตอนนี้พอนึกปั๊บเนี่ยมันก็มันมันเหมือ น, ม น, ม น, มนไม่ค่อยลุกแล้วครับมันก็ความกลัวหายไปดับหนึ่งครับก็เดี๋ยวก็ปฏิบัติต่อตอนเย็นครับอาจารย์ครับอบ อ, อดีมากครับก็เจออาจารย์ตอนเย็นกับทุกวันครับผมไปวิ่งแล้วก็ลง<น>มากกงทานผมไปผมไปยืนสวนนัสดีอาจารย์อยู่ที่หน้ากุฏิที่ผมไปวิ่งกับทุกวันนะครับอือาจารย์จะเดินจนกลประมาณหกโมนครึ่งประมาณนั้น ใช่ครับครับก็เดี๋ยวยังไงก็เข้าซูมขอมาอปรึกษาอาจารย์อยู่เรื่อยๆครับผมได้เชิ่นทำไปปฏิบัติสลับกันปฏิบัติด้วยศึกษาไปเรื่อยมันก็จะได้ก้าวหน้าได้นะครับผมครับขอบคุณอาจารย์ครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวท่านต่อไปคือนายโฟนสิบสามอยู่ที่ไหนอครับอาจารย์อยู่ที่ไหนแคลิโฟเนีย อยู่บางแสนครับรอาจารย์บางแสนที่บ้านสีปากใต้ใช่ไหมใช่ครับอาจารย์น่าจะต้องกลับไปอยู่ที่ใต้ยาวแล้วครับพรกลับไปดูพ่อด้วยว่าจะปจะดูแลพ่ อ, พ, อ, พ, อพ่อเป็น้าอาหานของลูกๆนะแต่ดูแลยากมากยิงย่งยิงย่งยิงย่งอายุเยอะยิ่งดูแลยากมากนะดีดจะได้เป็นข้อสอบยิ่งอยิ่ง <c oughs> ดีชุกคนมีปัญญาบวเกิด กินอยู่ยากมากเอาใจแบบโอ้โหเจ้าเจ้ถึงตอนที่เราเป็นเด็กมากเราคงจะยากเหมือนกันแหละครับตอนนี้เริ่มต้องใช้อาบน้ําต้องใช้แปง้งทำอะไรหมดใครทำํำตอนนี้รีบทําเสียเวลาตายแล้วจะได้ไม่มาร้องไห้เสียใจว่าไม่ได้ทําอะไรให้พ่อ เ, เลยครับพ่อจาัจนพยายามทาําแบบอะไรอย่างนี้ทดทนบุญ ค, คุณท่านนะั้นไม่มีใครมีบุญ ค, คุณเท่ากับพ่อและแม่เรานะครับผม ครับวันนี้มีคําถามพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ให้ข้อข้อคิดข้อทําไปว่าอผมจะติดเรื่องกายกตายัสติอะไรสักอย่างนะครับอาจารย์คือติดร่างกายครับติดแบบว่าอจะจะกลัวเป็นโรคนูนโรคนี้อะไรแบเนี้ยแล้วพอพอพอช่วงหลังมันรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าเริ่มเริ่มคิดได้เริ่มมีปัญญาว่าเออเราไปฝืนมันก็ไม่ได้มันก็เป็นทุกข์อยู่ดีเนี่ยมันมันเหมือนกับเริ่มคิดได้นิดนึงแต่ว่า เราต้องทํำยังไงเหมือนต้องต้องต้องนั่งสมาธิต้องยอมนั่งสมาธิถ้าใจก็จะยอมรับความจริงได้แล้วก็คิดย้ําอย่างนี้อยู่ตลอดใช่ไหมย้ำอยู่เรื่อยๆว่านี้ไม่พ้นแน่ๆเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายครับผมครับอาจารย์ติดข้อนี้ครับอย้ํำบ่อยๆย้ำบ่อยๆว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นสู่ตายตัวเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียว ครับผมพยายามคิดตลอดไปแล้วถ้าเรายอมแล้วเราจะไม่ทุกข์ในที่ไหนถ้ายอมนั่นเราจะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะพ่อไม่ยอมเพราะกลัวใช่ครับต้องยอมให้ได้วิธียอ ม, มนั่นนัสมาธิถ้านั่งสมาธิจิตสงบแล้วจะยอมได้อืพอออกจากสมาธิแล้วแล้วแล้วคิดเลยเหรอครับวเวจันได้แล้วมาแล้วก็มาคิดเรื่องนง คิดย่ำ อ, อยู่นะี่เนี่ยต้องเจ็บนะเนีย่ยต้องเป็นมะเรง็งเนี่ยต้องเป็นตบาวานเนี่ยต้องอะไรคิดไปร้อยร้อยแปดันปัตตานิคิดให้มันจกิยอมรับให้ได้ครับผมครับอาจารย์แล้วต่อไปมันก็จะไม่กลัวนะครับผมคิดถึงคนอื่นบ้างก็ได้ไปไปเยี่ยมโรงพยาบาลบ้างก็ได้แล้วดูนะวันนี้เป็นโรคนั้นคนนั้นเป็นโรคนี้เต็มไปหมดเขาเมื่อก่อนเขาก็เป็นเรื่อนะาวเพราะเขาไม่ได้เจ็บไข้ได้ปวย พอถึงเวลามันก็ต้องเป็นด้วยกันทุกคนครับนะแล้วต่อไปจะหายกลัวห้ยกลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยน่กเป็นเรื่องธรรมดาท่านนี่ก็คิดไปก่อนวนะ่เาเราแก่มาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาลงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ให้เท่านห้่เรยครับผม เรากนะ็นั่งสมาธิให้นนะนัะ่งสมาธิก็พยายามนั่งนั่งทุกวันแต่ว่าก่อนนอนจะจะนั่งพยายามนั่งให้ได้ทุกวันแต่ว่า น, นั่งได้ไม่นานก็ประมาณสิบนาทีประมาณนี้ยครับอเอก็ลองเอาตอนหลังหลังจากตื่นขึ้นมาอาจจะนั่งได้นานขึ้นนะเดินขึ้นมาก็อย่าพูดไปทําอะไรนี่ขึ้นมานั่งสมาธิต่อครับแล้วก่อนนอนเวลาหลับก็จะพุทโธจนหลับไปเลยครับเอ่าเด่นะก็เวลาทําอะไรก็ทํำไหวก็พุทโธไปด้วยก็ดี ครับผมยิ่งวันพระจะได้เยอะหน่อยแต่ถ้าวันอื่นกิเลสดึงไปหมด อ, อยากล่อให้ใจคิดเลื่อนอปนะครับผมโ <Okay, na. S 2> อเคนะครับผมพระอาจารย์ประคุณครับคนปรวิชเชจากดั l ลัสแท็กซ์ส์ลองไฟไม่ดับใช่ไหมไ ม, ไม่ดับครับจะก็ตั้งปฏิญาณว่าไม่ออกจากบ้านสามวันก็ทำได้ ก, ก็4สี่วันพอดีครับไม่ออกจากบ้านเลยไม่ไปชนเขาหรือเขามาชนเราครับผม อันนี้ถ่ายไปแล้วใช่ไหมควนนมามหนามครับผมครับผมก็น้ําแข็งมันหลังบ้านมันในหมู่บ้านมันอันตรายมากกับข้างนอกครับว่าออกหลังบ้านไม่ได้ครับน้ําแข็งมันหนามากก็รถจึนลืลนล่นออกไปททาางง<อ>นะครับผมวันนี้ก็ได้ฟังที่พระอาจารย์ตอบคุณหมอนะครับก็คําถามที่จะถามก็พระอาจารย์ก็ตอบแล้วคือการปฏิบัติก่อนบวชเนี่ยก็คือมี สิทธิ์ของหลวงพ่อทูนที่ท่านเป็นคุณหมออยู่ที่ดารลัตเนี่ย่อนที่ท่านจะบวชท่านก็ปฏิบัติคือก่อนจะบวชท่านก็เอาเสื้อผ้าโด onation หมดให้เหลือแค่เจ็ดตัวอ<ม>ล้ก็จะกินส้มตําเนี่ยท่านทานมอลโกอก่อนท่านมาทานถั่วเป็นช้อนคือท่านแยกออกบวชทุกอย่างเป็นชิ้นๆวัน น, น, นี้ว่าเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยเอะเราก็ยังบอกเออท่านทําเพื่ออะไรนะเพิ่งเพิ่งได้ฟังจาก พระอาจารย์ตอบคุณหมอวันนี้ว่าพระพุทธเจ้ า, จายังออกจากการปฏิบัติมาออกจากการมีคู่มาเมื่อไปอยู่คนเดียวเนี่ยก า, การอยู่คนเดียวเนี่ยมันสบายยังไงตอนนี้ที่ผมอยากเอ๊ะมันการอยู่คนเดียวมันสบายยังไงที่พระอาจารย์เคยเขียนอยู่ตลอดเวลาว่าเอออยากรู้ก็ไปอยู่คนเดียวสิถ้าเราไปอยู่คนเดียวด้วยน่แล้วต้องจิต้องสมบัติงี้มีความสุข ถ้จิตไม่สงบ ก, ก็อยู่คนเดียวไม่ได้มันหนาวนั้ท่านยังนั่งสมาธิไม่เป็นนี้ไปอยู่คนเดียวไม่ได้มันจะคิดถึงแฟนคิดถึงบ้านคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้แต่ถ้าจิตสงบแล้วมันไม่อยากจะอยู่กับใครอยู่คนเดียวสบายกว่าแล้วมันเห็นอะไรครับทุท่านเห็นอะไรเหรอเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบ เขไม่มีความสุขไหนดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบวราเป็นของที่เป็นของเราอย่างแท้จริงอยู่กับเราไปตลอดความสุขอย่างอื่นนี้มันเดี๋ยวมีวันหมดไปได้เข้าใจไหมครับผมอันนี้อันนั้นค ว, ความเข้าใจมีอยู่ครับแต่ว่ายังปฏิบัติไม่ถึงครับอ่าตั้งพยายามฝึกสตินั่งสมาธิให้มาก ครับไม่มีอะไรมากครับขอคุณผู้คุณมากครับอาจารย์วันนี้ได้ตได้ฟังข้อดีๆเยอะครับระหวัน อ, อ, อาทิตย์ก็ตอนเมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ชัดดีครับผม อ, อคุณหมอดูของคุณหมอวีใช่ไหมครับผมเมืม่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาชัดมากครับเมื่อมีสองอาทิตย์ก่อนเนี่ยมันกระตุกกระตักอยู่ครับมันอยู่ที่สัญญาณบางทีทางเราไม่ดีทางคุณไม่ดีมันก็เลยมีปัญหาได้ อาทิตยนี้ชัดเจนมากครับอันนี้ได้ยินได้ได้ฟังพระอาจารย์ตอบปัญหาเกือบทุกข้อชัดมากครับโอเคสาธุสาธุาธาธครับผมอาทิตท่านตอไปคุณ BB, BB, BB, BB อยู่ที่ไหนป๊่อก่อนีบได้ยินหครับกลาวรรมสารครับ่ที่ไหนอยู่ที่ชายบุกเนี่ยครับชายาบุกปัญยาเนี่ยครับเพิ่งจะเข้า ครังแรกครับอาจารย์มีอะไรไหมไม่มีอะไรครับก็เริ่มเริ่มอยู่คนเดียวก็เริ่มที่จะฝึกตามที่พอาจารย์บอกก็นั่งที่ปึกษาตเองการนัสมาธิไปเรื่อยๆเยี๋ยมมากจริงๆของดีนะของดีอยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกครับอาจารย์โอเคใน่ฏิท่ินต่อไปนะคุณภูมิศักดิ์เชิญคุณภูมิศักด์คุณภูมิศักดิ์อยู่ที่ไหนเอ่ย แบบได้ได้ปากมึงาบโอเคได้ไหมคะโอเคอเอไย์แลนด์นะชิญต อ, อนอยู่ที่ไหนอยู่แคลิฟอร์เนียค่ะเรืองไหนคะิฟอรนยอยู่อนนายฮมค่ะอ uh, นายฮมออลอยู่ใคลใกล้ดิสนีย์แลนด์ติดบ้านอยู่ใกล้ดิสนีย์แลนด์เลย ค, ะค่นนะค ม, มีอะไรไหมมีค่ะอาจารย์หนูก็พยายาม ที่จะนั่งสมาธิอืมแต่หนูเป็นคนที่จิตรวมยากมากหนูพยายามนั่งสมาธิมันนานมากแต่รู้สึกว่ายังไม่เคยสมด้วยมสติเล ย, ยต้องฝึกสติให้ามาก mm hmm. เวลาที่ไม่ได้นั่งนี่ต้องหมั่ฝึกับสติมีเรื่อยๆยช่นที่อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปหรืออยู่กับงานที่เราพยายามทำค่ะพระอาจารย์เอืม แล้วอยู่ที่นี่ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปวัดเท่าไหร่อ่ะค่ะพะอาจารย์ก็โชคดีได้เจอพระอาจารย์ทางออนไลน์อ่ะค่ะก็อยู่ใกล้ๆทางนี้วัดออนตาริโค่ะได้ยินชื่อวัดภูริทัศเมือนออนตาริโค่ะคือหนูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอเลือกที่จะไปวัดค่ะก็จะมีวัดภูริทัศน์กับวัดเมตตาที่หนูจัดอาจารย์เจฟฟ์ค่ะพระอาจารย์เจฟฟ์ ก็จะไปอยู่แค่สองวัดเนี่ยค่ะวัดอื่นก็จะไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่วัดสอวันนี้เป็นวัดสายปฏิบัติค่ะก็เคยหนูเคยไปนั่งสมาธิที่วัดเมตตาค่ะอยู่ในมันเป็นป่าต้นอะโวคาโดค่ะ รู้สึกนั่งอยู่สองสามวันคนเดียวอ่ะค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ก้าวหน้าอะไรเท่าไหร่เลยค่ะว่าสติจะน้อยงแงเราต้องพยายามพัฒ น, นาสติให้มากขึ้นถ้ามีสติแล้วจะนั่งได้านานได้สงบได้มากย่งต้อพยายามจะเริยนสติอยู่บ่อยๆค่ะแต่หนูก็พยายามไม่ลดละนะคะพระอาจารย์แต่ว่าแบบรู้สึกเป็นคนที่นั่งสมาธิยากมากทุกคนนะไม่ใช่เราคนเดียว ถามคนในห้องนี้ทุกคนเลยนั่งยากไม่ยากนั่งด้วยกันทั้งนั้นน่ะค่ะแต่หนูก็พยายามค่ะเพราะว่าก่อนที่จะไปทำงานทุกๆวันเออคือหนูมีมีร้านอ่าร้านนวดสปาอยู่แถวแถวอ่าแถวแถวนิวพอร์ตนะคะก็โชคดีว่าเข้าร้านใสใๆได้หรือมไม่เข้าเลยก็ได้ก็จะมีเวลาปฏิบัติค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าอุปสรรคก็คือนั่งสมาธิยาก เป็นธรรมดาชีวิตของคาราวาให้มันคิดมากมันใช้ปากคิดมากพอจะมาหยุดคิดให้มันยากมันรถที่นั่งยี่ร้อยี่สิบีเราเหยียบเบรกปัป๊บจะให้มันหยุดทันทีไม่ได้ต้องไปอยู่แบบไปอยู่ไปอยู่วัดสักหน่งแล้วความคิดมันก็จะน้อยช้าลงแล้วก็จะสงบได้ง่ายขึ้นอีกสักสองสามเดือนนะคะจะกลับเมืองไทยอขอโอกาสถ้าจะไปปฏิบัต ที่วัดหลวงพ่อจะได้จะได้ไหมคะได้ไดที่วัดมีที่พักให้ปฏิบัติมีสองแบบแบบที่อยู่เป็นหอพักนะก็อยู่อยู่ที่วัดช้า่างแล้วก็ที่บ น, นเขาก็มีเป็นแบบบ้านทพักปฏิบัติเป็นเดียวอยู่คนเดียวอืมค่ะมีอ่าก็ตั้งใจว่าจะไปขอใส่บาตรแล้วก็ขอปฏิภาณธรรมสักสองสบ้านนะคะเดี๋ยวยังไงหนูจะ<อ> ต, ติดต่อก่อนุ่งหน้าใช่ไหมคะ กิตติต์เนี่ยมีคุณลารที่คนที่อยู่ในห้องนี่ถ้า เ, เป็นคนที่ดูจากวิธีนะเดียให้เธอสง่งแชทไปให้แล้วเรอ่านแชทเธอไปผมเปิ ด, ชดแชทมอกได้ค่ะได้เปิดแชดหรือสักครู่คุณลารจะส่งข้อความมาให้แนะนำวิธีว่าจะติดต่ อ, อยังไงนะอ๋ะอค่ะพระคุณค่ะอาจารย์ Okay, เดี๋ยวเราดูดูแชนทําอีด้วยตัวเด้ขึ้นมาในแชท ก, ก็กดปิดด่วนได้ก็คือ ส, สรุปในเรื่องการปฏิบัติของก็คือให้พยายามต่อไปใช่โดยเฉพาะสติสำคัญมากถ้าไม่มีสตินั่งที่นั่งทั้งหลายก็ไม่มีวันสมมได้มันต้องฝึกสตบบิบ่อยๆตั้งแต่ลืมตาขึ้นมา ก, ก็พูดโทรไปก่อนเลยก็ได้อย่าปล่อยให้ใจคิดมาก แต่ปกติก็ไม่คิดนะคะเพราะว่าชีวิ ต, ตไม่รู้คิดแต่เราไม่รู้ว่าคิดมันคิดอยู่<อ>แต่มันลึกเพราะว่าชีวิตไม่ไม่มีปัญหาอะไรค่ะสงบราบเรียบ<า>ไม่เนะี๊ยดแต่เมื่อคิดเรื่องๆๆนั้นตรงนี้จุกจุ๊จี้จุกจิตไปทั้งเรื่องของมันทมันคิดอยู่เรื่อยๆมันไม่ได้มันไม่ค่อยอยู่กับนิ้กับตัวเราใช่เราเดี๋ยวมันคิดถึงเมื่อวานนคิดถึงพรุ่งนี้คิดถึงวันนั้นคิดถึงคนนี้อยุดทำไมแล้วถ้าระหว่างที่หนูนั่งสมาธิ ขั้นตอนแรกอ่ะหนูภาวนาพุโทโธไปเรื่อยๆจนกระทั่งหนูเริ่มไม่คิดอะไรละหนูก็ไม่ตอไปก็พุโทโธต่อไปให้พุโทโธตลอดเลยหล่ะใชพุทโธทยาอย่าไปหยุดพุดโทโธไปตลอดในก่อนจิตมันจะตกหูตกบ่อแล้วนี่ ม, นมันถึงจะหยุดได้อ๋ออันนั้นคือที่เรียกว่าจิตรวมใช่ไหมคะจิตรวมเป็นสมาธิอ๋อโอเคค่ะ ขอบพระคุณค่ะอาจารย์โอเคสาธุเดี๋ยวลองเปิดแชทดูดนะอยู่ข้างลาเนีน่ยอยู่ที่ดูตรงช่องข้างล่างจะมีคาว่าแชทเรานล่ น, นหมายเล่นหนึ่งขึ้นมาแล้วแสดงว่คาคนอ่าอเนเขาส่งไลน์ไปติดต่อได้ค่ะ ข, ขอบพระคุณ okay, ค่ะไปที่ไหนต่อนะเวลาคนนึกคนจัตราเชญคนจัตตาจากเดลัสเท็ กลับมามาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณคุณพ่อเหมือนมีคำถามแต่ลูกขออนุญาตบอกคุณพ่อไปว่าเดี๋ยวขอเสิร์ช Google ให้เจ้าค่ะคือคุณเมื่อวานคุณพ่อจะถามว่าจะถามพระ อ, อาจารย์ว่าสังสารวัตรมีกี่ขั้นและมีอะไรบ้างเจ้าค่ะ ก็มีใหญ่ๆมีแบ่งมันเป็นสามสามสามสามขั้นด้วยกันใน ก, นกาลมาภพูปะภพกับอาูปาะภ พ, พกรารมาภพก็คือผู้ที่ยังมีกาลมาตัญหาอยู่ไปเกิดในกาลมาภพเช่นมนุษย์สัตว์นิราชาทเทวดาเปรตสัตว์นรกไม่ได้อยู่ในกาลมาภพทั้งหมดส่วนรูปะภพก็คือผู้ได้รูปประชานเนี่ยนั่งสมาี่ได้รูปประชานแล้วตายไปก็จะไปเกิดในรูปะภพรียกว่าเป็นภพ ข, ของตรง แล้วพวกที่ได้อารูปฌานตายไปก็จะไปเกิดอยู่บนอรูปอรูปภพคือยุบเป็นอรูปภพไปมีอยู่สามด้วยกันสามระดับเจ้าค่ะนี่คือแบบภาพรวมใช่ไหมเจ้าคะเพราะว่าเห็นคุณพ่อบอกว่าอะไรนะถ้าแบ่งละเอียดมีถึงเกือบสามสิบเอ็ดท่านหรืออะไรเนี่ยเจ้าค่ะเมื่อวานเขาบอกค่ะแบ่งไปอรูปภพก็มีหลายขั้นอรูปภพก็มีหลายขั้นเทวดาก็มีหลายขั้น นี่ถ้ามองแบบเป็นมนุษย์นี่นับไม่ทั่วเลยมีเป็นชาติต่ตางๆเยอะแยะไปหมดเล ย, ย, ย, ย, ย, ย, ย, ยมี อ, มอเมริกันมีอเมริกันมีจีนมีญี่ปุ่นเจ้เจาค่ะจำต่างๆไม่ต้องขนาดนั้นให้รู้ว่าให้รู้ว่าอะไรพาให้เกิดในภพเหล่านั้นตามภพก็คือผู้ที่ยังมีเสกกางยังมีกลามยังมีการมาราคายังอยากจะเสกรูปเสียงกลิ่นรสอยากจะมีแฟนมี สามีมีภรรยาพวกนี้ก็นำมาเกิดในกาลภพพวกที่ถือศีลแปดได้ไปนั่งสมาธิก็ไม่นำมาเกิดในกาลภพไปเกิดในภพโลกแทนเจ้าเจ้าค่ะสังสารวัตแปดสังสารวัตรนี่หมายถึงการตายภพในใจเข้าไปในสังสารวัตรการการเวียนว่ายตายเกิดในสามภพนี้สามภพสังสารวัตรนี่ก็คือที่สามที่ตายภพนี้เกว่าสังสารวัต อืาจารย์ว่ า, าแปลแปลว่าการมีมนายตายเกิดอ๋อกันเจ้าค่ะเจ้าค่ะเมื่อกี้พระอาจารย์ตอบคำถามคุณมาลีแล้วทำให้ลูกแบบไม่แน่ใจว่าลูกเข้าใจถูกไหมคือเป็นเมื่อเมื่อตอนที่พระอาจารย์พูดว่าจิตเนี่ยจะหิวอาหารของจิตเนี่ยถ้าลูกเข้าใจอาหารของจิตคือความคิดและอารมณ์ใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วเราพยายามฝึกจิตเพื่อให้อาหารใหม่คือความสงบให้จิตได้อยู่กับความสงบ ใช่ไหมเจ้าคะใช่เพื่อให้คนจีนมันเกิดจากความคิดปรุงแต่งเพื่อไปหารูปเสียงกลิ่นรสน่าเสไอือเจ้าค่ะเพราะบางทีเวลาลูกนั่งลูกมีความสุขพอมันหยุดเหมือนนิ่งสักพักนึงแล้วเหมือนมันมันพยายามจะวิ่งกลับไปแบบเพื่อไปหาเหมือนกับมันวิ่งไปหาอดีตให้มันให้มันกลับมาเจ้าค่ะใช่ค่ะเหมือนจัเห็นใช่เหมือนติดแฟนอยี่ยจัี่ เห็นเห็น <worship> ม <bird> ันเหมือนกับแบบมันม yeah, mm ันเหมือนกับว่าเอยอยู่นิ่งๆแล้วมันแบบเหมือนจิตมันแบบพอมันอยู่นิ่งๆแล้วมันก็แบบเหมือนกับมันจะวิ่งกลับไปหาอดีตดึงอดีตกลับมาเจ้าค่ะมันเหมือนสโลโมชั่นว่าไปวิ่งไปกลับมาเงี้เจ้าค่ะต้องใช้ปัญญาหมอว่าอยากกลับไปหาเลยของโบราณมันเป็นเหมือนยาเสกติดเข้ามาเสกแล้วก็ติดอาไม่ได้เสกมันจะทุกข์ เพราะฉะนั้นก็คือเราฝึกเพื่อให้เขาได้เสพเพื่อให้จิตได้เสพอาหารที่มีความสุขมากกว่าก็คือความสงบจะได้ไม่ต้องไม่มีพิษไมีภยไม่มีโทษเพราะว่าทำเช่นเดียวนี่มันไม่เที่ยมเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาถ้าถ้าจิตยังไม่ได้ความสุขของความสงบมาแทนที่จิตก็ยังจะวิ่งกลับไปอยู่ที่ความคิดและอารมณ์ที่พยายามเสจแบบนั้นเพื่อสร้างความสุขให้กับ กดจะตัวจิตเองใช่ไ้มเจ้าคะซึ่งนั่นก็คืออย่างความหลงแล้วบอกวสอนเป็นยังไงมันก็ไม่ยอมฟังจนกว่าเราจะมีความสุขแบบใหม่มาถึงจะยอมต้องต้องสร้างความสุขแบบใหม่คือความสงบเพื่อทดแทนเหมือนซื้อรถใหม่ก่อนก่อนที่จะปล่อยรถเก่าได้ถ้าถ้ายังไม่มีรถใหม่นี่ยงไงก็ต้องขอใช้รถเก่าไปก่อนดีกว่าเดินใช่ม แต่พซ็รถ<ม>ใหม่ดีดกว่ารถเก่านี่รถเก่า ว, ว่าทิ้งได้ขายได้เลยยกให้คนอื่ไปได้เลยเจ้าค่ะถึงว่าสิยังอยู่กลางๆอยู่พยายามจะวิง่งรถใหม่ก็ยัง <laughs> ไม่ได้รถใหม่ได้ได้เช่ า, ามาเพิ่มวันสองวันก็เราไปคืนมาแล้ว <laughs> ใช่เจ้าค่ะเลยเลยวิ่งเก่าไปหาชั้นเก่าอยู่เจ้าค่ะใช่พอเราไปคืนก็ไม่มีรถใหม่ก็เราใช้รถเก่าต่อ เราจะลราเพิเขิ จ, จากคันเก่าก็พยายามเอาใหม่เพื่อหาคันใหม่ให้ได้ตอบเปพยายามเราเปิดเปิดไว้ให้คันให้คันใหม่อยู่กเราไม่ตลอดครับเจอเขาไม่ให้เขามาเอาไปเ อ, อป่ได้ไมได้เออไม่ได้เกเขาต้องนมาธได้ต้องสามารถเข้าสมาธิได้ทุกครั้งที่เราต้องการแล้วถึงจะปล่อยเขาถึงจะยอมปล่อยใช่ไหมคะจิตถึงจะยอมยอมยอมไม่ไม่ขวนไปหาคันเก่าแล้วทีนี้ฉันจะพอใจกับคันใหม่แล้วอืม เดียวค่ะก็คือต้องพยายามฝึกต่อเนื่องฝึกสติเยอะๆฝึกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่า ท, ท้อใช่ไหมเจ้าคะใช่ให้เข้าสมาธิได้ทุกครั้นที่เราต้องการอวันหนึ่งคงมีโอกาสใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์ที่จะได้คั้ใหม่หรือก่าก่อนจะได้ครั้งต้องลูกคลุกคลานไปก่อนทำให้ถอยต่อไปก็ได้เป็นผาสาวุกทั้งหลายที่ได้กันผสาธุอผ้าถือผ้าสาวุกก็ผ้าสาวุก็มาจากปุถุชนอย่างพวกเรานี่ยเท่นั้น แต่ถ้าเขาเพียนปยยาปฏิบัติไปเรื่อยๆถ้าก็การเป็นภาษาพ้นนมาขอบขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะที่ท่านต่อไปนภาวนาพระกับครับรคานาวงอาชื่อผิดที่ที่ไหนงพี่รับนิมมสการพระจาย์ครับอยู่ที่ไหน ตอนนี้อยู่ที่ขอนแก่นครับเคยไปหาพระอาจารย์ตอนสองปีที่แล้วครับขึ้นไปสนทนาธรรมบนเขาไปฟังพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์ได้แนะนำวิธีการปฏิบัติก่อนอื่นเลยต้องกราบความเมตตาพระอาจารย์มากๆเลยครับเพราะว่าตั้งแต่ปฏิบัติวิธีที่พระอาจารย์บอกก็ตอนนี้ก็มาบวชเพิ่งมาบวชครับพอมาบวชแล้วกาลัง การภาวนาก็ดีขึ้นแต่ก็ยังมาติดอยู่เหมือนเดิมเมื่อสองปีที่แล้วพระอาจารย์เคยแนะนำให้กระผมเพ่งตอนผมไปปรึกษาว่าตอนเข้าสมาธิมันชอบร้อนครับพอมันร้อนก็เลยถามพระอาจารย์ว่าผมสามารถเพ่งเป็นกําหนดเป็นไฟแล้วเผาตายสังขารหรือร่างกายได้ไหมพระอาจารย์บอกว่าได้แล้วหลังจากนั้นสองปีผมก็ภาวนา ก็ปฏิบัติแบบนั้นมาตลอดเลยฮะจนกระทั่งมาบวชพ อ, อบวชได้ยี่สิบกว่าวันก็เลยลองกําหนดเป็นการเผาเหมือนเดิมทีนี้มันเกิดสภาวะหนึ่งครับพระอาจารย์คือมันรู้สึกว่ามันเผาแล้วมันร้อนแล้วมันรู้สึกจะอาเจียนรู้สึกแบบร่างกายมันรู้สึกว่ามันเหมือนมีกลิ่นเหมือนเผาก็เลยเหมือนจะอาเจียนก็เลยออกจากสมาธิตอนนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่า จิตเรามันปรุงขึ้นมาเองหรือว่ามันเป็นสภาวะก็อยากจะไปต่อครับพระอาจารย์ขอความเมตตาจากอาจารย์หน่อยครับก็จิตเราปรุงนั่นแหละตอนที่เราเผาเราก็เพิ่งเริ่มปรุงนะพอเราเริ่มเผาร่างกายด้วยไฟนี้ก็เป็นการปรุงแต่งจิตแล้วก็ปรุงไปเรื่อยๆปรุงว่าไฟให้มันลุกให้มันไฟลุกขึ้นใหญ่แล้วกระทั่งมันมันท่วมทั้งร่างกายไปเลยแล้วก็แล้วก็ปรุงต่อไปว่ามันก็เผาไปเรื่อยๆต่อไป มันก็ทําให้ร่างกายทั้งร่างกายนี้ฟุบลงมาเมอเมื่อไฟมันเผาเต็มที่แล้วมันก็ตะดุกประเดกอะไรมันก็ขัดขานกลายเป็นที่เท่าที่ฐานไปเนี่ยสังเกตุเวลาเราไปดูบ้านดูเวลาเขาไฟไหม้อะไรนี้มันต่อเป็นนานเดี๋ยวสิ่งที่ตกมากเลมันก็กลายเป็นที่เท่าก็ฟุบลงมาฟุบลงมากับดินหมดแล้วก็สลายไ้เลย คือถ้าเกิดมันจะอาเจียนออกมาเราก็อยู่ในสมาธิไปเลยใช่ไหมครับอาจารย์เออแสดงว่าเราทําผิดแล้วถ้าแสดงว่าถ้าเราปล่อยให้มันคิดว่าเป็นอาเจียนเนี่ยมันไม่ใช่นะแล้วต้องคิดว่ามันเป็นไฟเผาร่างกายไฟให้อยู่กับไฟไปอย่าไปอยู่กับความรู้สึกที่เป็นอาเจียนนั่นเองแสดงว่ากิเลสมันแทรกเข้ามาแล้ว่าอย่างนี้ เ, นเป็นไฟเผาร่างกายไป เหมือนที่เราเห็นบ้านถูกไฟไหม้ใ่หใช่แล้วอย่างนี้เราจะการมัเกิดราการถ้าเกิดรู้สึกอยากจะเจนขึ้นมาก็เราใช้พุโทโธพุโทโธก่อนหยุดหยุดอาการนั้นไปก่อนทำพุโทโธุทโธพุโทพโธครับแบบนี้ถ้าเกิดจะตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้พอจะได้ไหมครับอาจารย์คือตั้งใจไว้ว่า ตอนเข้าภาวนาเนี่ยคือจะนั่งแช่แล้วก็เผาไปเลยสักสามชั่วโมงจะตั้งสัจจะว่าถ้าถ้าออกมาก่อนก็คือจะไม่ฉันข้าวอันนี้คืออาจารยทำทได้ก็ดีทาได้ก็ดีขอบคุณความเมตตาของอาจารย์มากๆครับงทีต้องตั้งมาจิติฐาไว้ไมนะมันเดี๋ยมันจะมันจะถอยพอผมไปเจออะไรไม่ดีมันก็จะถอยครับ เราก็พยายามเผาไม่ได้เลยพยายามเผาไม่ได้เลยถ้าเป็นเกิดอาการอะไรขึ้นมาก็อยากไปสนใจกับอาการนนั้นให้อยู่กับว่าอยู่กับไฟที่เราเผาร่างกายไม่ได้ครับต้องต้ององรกราบขอบคุณความเมตตาพระอาจารย์มากเมื่อสองปีที่แล้วคือตอนนี้พอมาอยู่อยู่ตามวัดครับพอสนทนากับอ่าพระด้วยกันคือท่านก็อ่าเราเราไม่ปราราท่านท่านก็ให้คําตอบไม่ได้ก็เลยนึกถึงพระอาจารย์เพราะสองปีที่แล้วพระอาจารย์บอกให้ผมเผา จนกระทั่งวันเนี้ยก็เลยตัดสินใจเลยครับพอยิ่งเผายิ่งมีกําลังยิ่งนั่งเขายิ่งมีกําลังรู้สึกกายเบาจิตเบาขึ้นครับใช่ดี น, นั่นก็เป็นเป็นวิธีการหนึ่งของการทําศสมาธิด้ ว, วาอาจจะได้ปัญญาด้วยเพราะจะได้เห็นความตายของร่างกายและร่างกายนั้ในที่สุดก็ง่านปแค่ดินน้นรนเมือนไฟนะครัตอนนี้ก็สละหมดแล้วครับพระอาจารย์ก็ตั้งแต่ฝึกมาก็ ธุรกิจอะไรตอนแรกอยู่พัทยาครับก็โอนให้หุ้นส่วนให้เพื่อนหมดตอนนี้ก็จะมีผ้าตามผืน ม, มีบาทตั้งใจจริงๆครับอยากจะไปต่อให้ได้ไดเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้จะอธิษฐานจิตเลยครับจะลองนั่งเผาดูสามชั่วโมง<ด>จะเกิ ด, ดสภาวะแบบไหนจะขออนุญาตเข้ามาสอบถามพระอาจารย์ใหม่ครับขอบคุณความเมตตาพระอาจารย์มากๆถ้ามีโอกาสจะขอไปจำวัดที่นั่นกับพระอาจารย์ใช่ใชาบถโอเคนะ ต้องทํำดูนะถ้ายังไม่ได้กอย่าเพิ่งท้อนะบุงทีอาจจะต้องท้อต้องทําหลายๆครั้งก่อนแล้วถ้าเกิดเราตั้งสัจจะว่าเราจะภาวนาสามชั่วโมงจะเผาแต่ถ้าเราไม่ถึงสามชั่วโมงอย่างนี้เราก็จะผิดสัจจะเราก็ผิดสัจจะแล้วไม่ดีถ้าตั้งสัจจะแล้วถ้าถ้ามันไม่ไหวก็ตั้งน้อยๆก่อนตั้งชั่วโมงก่อนตสองชั่วโมงก่อนแล้วค่อยเพิ่มไป คือตอนนี้ได้ประมาณสอชั่วโมงครับอาจารทำงานอของเราว่าเราทาได้หรือไม่ได้ถ้าคิดว่าทําได้แล้วก็ต้องตั้งจิจใจแล้วก็ต้องไม่เปลี่ยนใจไม่ถอยหรืหอแม้จะยังไม่หมดเวลาก็ต้องนั่งต่อไปต้องเผาต่อไปเผาไปเรื่อยๆครับหมดคาถามแล้วครับโอเคนะขอบคุณพระอาจารย์ขอบคุณความเมาตตามากๆครับได้คุณกายพิชเชนตอคุณกายพิช ในการครับปอาจารครับซึ่งจะไปฝึกขึ้นทางด่วนมาครับสามเก้าวันไปฉี่ร้ผ่านตลอดนะก็ <c oughs> ไปบวชเป็นกลุ่มว่าเลยมีการทํากิจวัดอะไรเป็นกล <c oughs> ุ่มบ้างครับก็มีปฏิบัติบ้างแล้วก็สองครั้งที่ผ่านมาบวชแบบวัดบ้านครั้งนี้ได้บวชแบบวัดป่าก็ได้ได้ความรู้สึกที่ดีเหมือนกันครับ ก็มีความแตกต่างจากสองครั้งที่บวชมาแล้วก็ไปบวชที่วัดล้านนายานนสังวราลารามด้วยครับเป็นวัดที่สมเด็จพระสังฆราชสร้างวัดานี้เป็นผู้ประทัเนีใ่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มาปฏิบัติวั ด, ว, ดวัดป่าในแถวแถวตอมทองครับอาจารย์ก็เมือม่อเมือม่อเมื่อก่อนไปบวชก็ได้ได้มีโอกาสร่วมทําบุญกับพระอาจารย์ด้วยครับก็กเราขอนาบุญกับาน เรื่องว่าทุกท่านที่รับมูลก็ขอให้โมทนาในตอนนี้เลยนะมีหลายท่านเหมือนกันหลายคุณาครับขอบขอบพระคุณคุณหล่าด้วยครับอาจารย์ครับมีมีข้อสงสัยนิด น, นึงคือคือก่อนหน้า น, นั้นผมก็พุทโธพุทโธแล้วจิตมันก็รวมก็ก็ตัวมันก็หายดีแล้วก็ทีนี้เ อ, อมีมีรุ่นพี่บอกว่ามาเพ่งที่หน้าผากกลัวจะปวดหัวอะไรเงี้ยก็เลยมามา มาใช้ลมหายใจอะครับใช้ใช้ดูลมหายใจแต่ก็ไม่ได้ตามลมอะไรนะครับปรากฏว่าเมื่อเมื่อตอนที่ไปบวชเนี่ยมันมันมีความรู้สึกเออ่ตอนที่เขาจะทิ้งลมหายใจแล้วมันมันหายใจไม่ออกครับอาจารย์ครับแล้วจิตมันก็ถอนมันก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายรอบก็เลยว่ากลับว่าจะกลับมาใช้พุโทโธพุโทโธอย่างเดียวอะไรเงี้ยดีไหมครับดีดีถ้าใช้แล้ไม่ได้ก็ใช้พุโทโธครับ แล้วแล้วอีกอีกอีกข้อ น, นึงครับอาจารย์อที่ที่หลวงตาท่านท่านใช้พุทโธ ท, ทั้งวันเนี่ยอความหมายคือท่องพุทโธไปในใจทําอะไรก็พุทโธพุทโธรับน้ํำก็พุทโธล้างหน้า ไ, ไกับพุทโธไปอยากป่อให้ใจชื่เรื่องนั้นนั้นนี้อ๋อครับคือไม่วันวันนั้นเราแบบเหมือนต้องเป็นวันที่เราไม่ต้องทํางานแล้วก็เหมือนใช่ถ้าทํงางานก็ต้อง เวลาทุกทำงานก็ต้องหยุดหยุดพูดโทรศัพใช้ความคิดทำงานไปก่อนอืมครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ความคิดก็พูดโธต่อไปครับครับแต่ทงที่ดีไปบวชน้ามันจะได้ไม่ต้องทำงานมันจะได้พูดโธรศัพทได้ทั้งวันเนี่ยครับโออยากแบบแบบเอพระคุณเจ้าท่านเมื่อกี้นี้ดีมากเลยครับของผมก็มเตรียมอยู่ครับอาจารย์ครับก็เจอเจอทางแล้วรู้สึกว่ามัน ก็ก็ไปอยู่อุติเดียวๆเลยก็สงบดีครับกอรู้สึกว่าใช่เลยครับอต้องป็ดวิเวกถ้าจะปฏิบัติภาวนานีต้องอยู่คนเดียวจะดีกว่าอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนครับครับมันยังไม่ลุกบนเวลาแล้วครับดึกแล้วครับาอาจารย์โอเคสาธุไปที่คนมึงที่ว่าต่อคนมึงที่ว่ามาทำมา าการนมัสกรารเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ลูกไม่มีคถามมัยเดือนเจค่ะโอเคจอยพัทยาเดืนกราบค่ะไม่มีคาถามค่ะไม่มีคำถามนะ okay. ขาเข้าอัดเดิขอผ่านไปเลยนะเพรมนเ ด, ดือด้านไม่ได้คุณน่านนักพตคุณท่นกทนกรตนมัสการเจ้าคะ่ะไม่มีคำถามครับไม่มีเหมือนกันนะ ครับมีแต่ว่าเมื่อวันก่อนเมื่อเมื่อวานเนี้ยครับไปไปไปเอาหนังสือไปให้พระปุกอับครับพระปุกก็เลยฝากของวิเศษมาให้ชุดหนึ่งครับเป็นจุลธรรมชุดหนึ่งและถึงสาองอ๋อแล้วชุดอะไรับเป็นลังเลยใจไม่ไหวครับรู้สึกว่จะเป็นพิมพ์อยู่ชุดเดียวใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็ไม่สองชุดมีกําลังใจชุดหนึ่งแล้วก็ชุนธรรมชุดหนึ่ง ได้จุลธรรมสามสิบสองเล่มเลยครับแต่สามารถเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ของเราได้มีมีดาวน์โหลดให้มาอ่านได้ทั้งจุลธรรมรทั้งคำนำใจครับไม่มีคำถามเลยนะโอเคงนไปที่ท่านตอบไปแปดสี่ศูนแปดศูนย์หกชแปดสนอยู่ที่ไหนเอ่ย กลับมาพกันพระอาจารย์นะคะอยู่พาคเนืนะคะพาค น, นือกรุงเทพนะใช่ค่ะกรุงเทพค่ะมีอะไรคะน ห, นหนูอยากจะสอบถามหน่อยนะคะพระอาจารย์พอดีหนูอ่ะคือหนูนั่งสมาธิมาได้ประมาณสาถึงสี่ปีแล้วนะคะแต่ว่าหนูไม่มีโอกาสที่จะไปในสํานักต่างๆที่เขาปฏิบัติกันหนูก็ใช้วิธีการที่ว่าหาความรู้จากเออ่ก็จะมีเออ่ จากการดูจากการอ่านหนังสือแล้วก็มีมีอาจารย์ที่สอนอาจารย์นี้ก็จะเป็นคาวาสนะคะท่าน mm hmm. ก็คือสอนให้ตัวตัวดิฉันเองอะค่ะคือนั่งสมาธิก็ก็กกแรกๆปีแรกปีที่สองเนี้ยก็คือจะนั่งอยู่ในห้องพระด้วยแต่พอหลังๆมากา็บางทีหนูก็จะนั่งในที่นอนบ้างในในที่ที่แบบหนูก็จะนั่งไป คือคือไม่ได้ไม่ได้เป็นในสถานที่ที่เหมาะสมนะคะหนูก็เลยอยากทราบว่าคือมันเหมาะมันมันใช้ได้ไหมคะหรือว่าได้ที่หนก็ไดไ้ในที่นอนอย่างเงี้ยคะ่ะหนูจะได้<ะ>ที่ไหนก็ได้นนได้หมดทุกแขนในห้องน้าก็นั่งได้อ่าคือคื อ, คอด้วยด้วยออผู้ที่สอนดิฉันนาก็คือเหมือนกับว่าการฝึกสมาธิก็คือฝึกที่ใจไม่ใช่สถานที่ ใช่แต่สถานที่ก็มีมีผลต่อการนั่งที่ทีที่ไหนสงบเงียมันนั่นั่งมันก็สงองได้กว่าค่ะแต่แต่ท่านก็จะสอนในลักษณะของการบอกว่าการที่เราฝึกกับสถานที่ที่มันเป็นความจริงสถานที่ที่มันเป็นนั่นนะคือสนามที่มันเป็นจริงที่เราจะต้องทําเพราะว่าเราต้องประสบพบเจออย่างตัวโยมเองน่ะโยมต้องอะทํางานนะคะแล้วก็ต้อง อาจจะมีเสียงเสียงดังในเรื่องของรถวิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เวลาโยมนั่งนะคะก็คือโยมก็จะรู้สึกว่าอมันทําให้โยมไม่มีสมาธิเลยเวลาโยมนั่งโยมก็จะไปปรึกษาอาจารย์ท่านนี้อาจารย์ท่านก็บอกว่าการที่เราฝึกสมาธิเราฝึกเพื่อที่จะไปอยู่กับความเป็นจริงของโลกใช่ไหมคะพระอาจารย์เราก็ต้องอยู่กับ ไม่ว่าจะเป็นเสียงความชอบใจไม่ชอบใจหรืออะไรก็ดีเราก็ต้องสู้กับสิ่งสิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นจริงค่ะโยมโย ม, มถูกใช่ไหมเวลาเราเริ่ปฏิบัติใหม่ๆจิตเรายังอ่อนอยู่สติเรายังอ่อนอยู่ถ้าเราไปนั่งที่มันมีเสียงมากวน้มากมันจะนั่งไม่ได้เราจึงต้องไปปิดวิเวกในเวลาที่สงบที่ไม่มีเสียงรบกวนไม่มีอะไรมารบกวนเพื่อฝึกจิตให้เราแข็งก่อน ถ้าจิตเราแข็งหน้าที่นี้เราก็ค่อยไปนั่งในที่ที่มันมีเสียงอะไรมีอะไรรบกวดได้ค่ะอ่โยมมาถูกทางหยู่ใช่ไหมเจ้าคะเกเคืดโดยขน ม, มนั่งที่ไหนก็ได้แต่แต่ ไ, ได้ผลดีไม่ดีอยู่ที่ที่อยู่ที่เรานั่งมันสงบไห ม, มถ้าที่เรานั่งมันสงบมันจะสงบง่ายถ้าที่มั น, มนไม่สงบ ม, มันมจะสงบยากใค่ะโยมก็จะตามความเป็นจริงเลยทีนี้ ก็คือเพราะว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนเราก็ต้องยอมรับสภาพแวดล้อมแบ้ถ้าเราอยู่ตรงไหนเราก็ทําตรงนั้นไปก่อนจนกว่าเราสามารถหาที่ท네ี่มันดีกว่าได้เราค่อยไปค่ะก็โยมก็จะใช้วิธีการนี้เพราะว่าโยมอาจจะด้วยวาฒนาที่โยมไม่สามารถที่จะเพราะว่าโยมยังมีข้อบครัวอยู่แต่แต่ด้วยที่ว่าเอ่อโยมมีแรงที่แบบอยากจะปฏิบัตินะคะท่าน ได้ก็ทําไปก่อนอยู่ตรงไหนด้านก็ทํำที่ไหนด้านก็ทำไปก่อนตรงนี้ื่อนที่ว่าเผื่อจะมีวาสนาเพิ่มขึ้นเผื่อได้มีโอกาสที่จะไปได้สูงกว่านี้นะคะได้ประจําไปเรื่อยๆตามไปมันก็อยากจะไปเองนะถ้ามันได้ผลดีแล้วมันก็อยากจะไปเองหาที่อยู่คนเดียวค่ะแต่ก็ต้านในเรื่องของกิเลสได้หลายๆเรื่องนะคะเพราะว่าคือ จะด้วยรวบกดลงเพราะว่าเออ่คือเพราะว่าโยมจะพยายามด้าในเรื่องของ โ, โรวบกดลงให้มากที่สุดเพราะถ้าเอารวบกดลงออกได้อ่ใจจะเบาไกาจะเบาก็คือเหมือนกับว่ามันจะยกระดับจิตใจขึ้นอันนี้โยมสามารถเห็นด้วยตัวของตัวเองว่าอืมันช่วยให้ตัวตัวโยมเองอ่ะคือแบบเหมือนกับสู้กับกิเลสบางตัวได้สามารถทนกับบางสิ่งที่แต่ก่อนไม่สามารถที่จะทนได้อ่ะคะ่ะ เรื่องของอารมณ์ค่ะเรื่องของอารมณ์เรื่องของความใจร้อนอะไรก็ดีอย่างเงี้ยค่ะโยมรู้สึกว่าเพื่อเพื่อจะสู้กับดิเลตเอาชนะดิเลตได้ไหมใช่ค่ะเพราะว่าโยมโยมมาปฏิบัติเพราะว่าโยมเห็นทุูมามาปฏิบัติเพราะว่าบรรทุกโยมก็เลยรู้สึกว่าโยมต้องปฏิบัติถ้าถ้ายมไม่ปฏิบัติโยมจะมีดุตรงนี้ค่ะโอเคนะปฏิบัติไปเรื่อยๆนะ ค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะอาจารสมพง์ตาสมพง์เมื่อกี้พูดอะไอยังสมพง์จำไม่ได้พูดอะไรเป็นุรกรรมเหตอผลเลยเข้ามาใหม่มาฟังครับผมไม่มีอะไรใช่ไหไม่ยังมีอะไรพูดไม่มีอะไรครับผมเข้ามาฟังคนพุทธบาลเมื่อกี้เห็นอะไรเทศบาวิ่งมาวิ่งมาอยู่อ่ะ ได้ยินนะคุอตาพร่นเต้นไปนะฮะเปิดใหนีอันนี้มันอูดไแล้วครับชาวเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์ครัผมผมอ่าเป็นเด็กครับพ่อแม่ครูอาจารย์อยากถามว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เรียนกิจพ่อแม่ครูอาจารย์ทำไงครับผมขยันเียนลยขยันเรียนคลยางที่เด็เียนเลยครับผมหน้าที่ของเราไปนมเรียนทากันบ้านดูหนังสืออะไรครับผม พ่อแม่ครูจาร์อ่านหนังสือประมาณกี่ชั่วโมงเหรครับตอนพ่อแม่ครูจันเป็นเด็กครับผมก็อ่านเท่าที่จําเป็นก็ต้องอ่านครับเรียนไปมันก็มีการบ้านให้มาแล้วครูก็บอกว่าให้เียอ่านกี่หน้าแล้วก็อ่านไปทําการบ้านไปอ๋อครับทุกวันตามที่ครูสอนครูสอนครับอ๋อใช่ครับพ่อแม่ครูจาร์ครับพรผมปฏิบัติได้ตั้งแต่คุณแม่ผมแนะนําให้ปฏิบัติตั้งแต่ผมอยู่ป .4 ครับ แม่ผมพาไปวัดป่าปันตัดไปหาองค์หลวงพ่อจุดใจครับผมแล้วผมก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆครับพอมาบูชาย์แต่ว่าจิตมันไม่สงบสักทีครับขอเคล็ดลับครับผมไม่พุดโทยู่เรื่อยๆต้องพูดโทยู่เรื่อยๆอ๋อครับผมต้องพูดโธทั้งวันเลยพุดโธพูดโธพูดโททำอะไรก็พูดโทพูดโทไปครับผมแต่ว่าจิตมันแบบแบบอยากออกไปแบบชมเรื่องนู้นเรื่องนี้ทํำยังไงดีครับใชพูดโธหนึ่งวัใช่พูดโทหนงวั อ๋อพอเจ้าพุทโธเนี่ยมันก็มันก็หยุดไปอ๋อครับผมถ้าจิตมันวอกแวกก็เอามันกลับมาใช่ไหมใช่ใช่พุทโธเนี่ยมันกลับมาด้วยพุทโธพุทโธพุทโธไปครับผมโอ้ซาทุกเลยครับโอเคครับผมที่ไหนอยู่ตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่นนะลพบุรีครับผมอันนี้ผมเนี่ยใช่ครับก็ไปหาหลวงพระอาจารย์สมชายครับผมที่ลพบุรีนะใช่ครับใช่ องค์พ่อแม่โจาร์อยู่กับองค์หลวงตาด้วยใช่ไหมเขาองค์พ่อแม่อยู่กับท่านมาเก้าพรรษาเป็นยังไงบ้างครับอบอุ่นนี่อยู่กับหลวงตานะครัมอบอุ่นนี่โอ้องค์พ่อแม่โจารย์หลวงตามหาบัวเป็นยังไงบ้างครับตอนที่ท่านเป็นตามากท่านด่ามากท่านดุด่าดช่ไหมท่านดูด่าว่ากล่าวตักเตือนอยู่เลยใช่ตอนนั้นท่านท่านยัง อ่ายังทรงข้าด่านอยู่ใช่ไหมครับใช่ท่านยังอยู่หกสิบตอนนี้เราไปอยู่ท่านท่านทก็ท่านอยู่กับท่านการอินทวายด้วยใช่ไหมครับอยู่ข้าอาจารย์ธรรใจเนี่ยอยู่ด้วยกันผู้ตีอยู่ติดกันอยู่ใกล้กันเราผมโอซาทูเลยครับสาเป็นบุญตาเลยครับที่เกิดมาชาตินี้เจอพระสายกรรมฐานครับซาุูชอบผมโอเคนะท่านนี้ก่อนนั้นเดึกนะครับครับซมทูครับคุณวัตตาพรเจร จากสเปนสเปนเอบีซ่าอ่าวันจ่ให้เขาเอาอาหารมาถวายนะสาธุเจ้ า, า, าข้าหลวงพ่อกับนมัสการเจ้าข้าหลวงพ่อวันนี้ไม่มีอะไรเจ้าข้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรบวชแล้ววันนี้จ้าเพราะว่า อ, อาหารก็ทรงตัวเจ้าข้าหลวงพ่อได้อย่างลงตัวนะเขาเข้าใจแล้วนะเขาจะไป เพราะว่าเขงชินแล้วเจ้าค่หลายปีแล้วก็คงชินแล้วโอเค <c oughs> เลี้ยงไงแล้วเราเลี้ยงไม่มีอะไรขอขอห <พอ S 2> ลงคาหน่อยอ่าบาตั้งใจเตให้มีความมีความมุ่งมั่นนะ ข, ขับรถได้ได้ถือว่าเป็นชาแนลเนี่ยเป็นสิ่เรียนลูกผู้ชายต้องทําได้ ข, ดขับรถถ้าทำได้ไม่ได้เลยเป็นผู้ชายไม่ได้นะผู้หญิงมันยังขับได้เลยเราเปนผู้ชายเราเลขับไม่ได้ ค า, าท่าสาธะหลวงพอ่อ <Okay. S 2> ขหลวงพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจ้าค่ะสาธุครูบามูกไหมายครูบาหมายังไงจ่ามาช้าจ้าครับ า, ไไ า, า, ามาแล้วยังไม่นอนนะทำงานบ้านเสร็จหรือยัง วันนี้คือสีแปดค่ะสิแปดสแปดแล้วไม่ต้องทำาการบ้านเนะก็มีทำบ้างค่ะอ่าทำสีแปดแล้วก็โดเข้าเย็นหรือเป่าเข้าค่ะลด <c oughs> นันน้นังนะลดค่ะกิจเดื <c oughs> อนนี้ถือล่ารักษาสีแปดทุกวันพระค่ะอ่ดีนี่ ฝึกไว้ไม่ตายหรอกนะไม่ได้กินข้าวเย็ืคอเดียวไม่ตายหรอกฝึกมาได้ตั้งแต่ครึ่งปีมาแล้วค่ะเอแต่เปับตาแั้งแรกจนถึงตอนนี้ก็รักษาถึงแปดวันพระมันจะถึงตอนนี้ค่ะดีมากจะได้ไม่อ้วนนะคนที่ถือศีรษะได้ยังไม่ค่อยอ้วนนะคินีรษบอกให้อ้วน วันนี้ลูกชายจะมาขอพอรเพราะว่าวันที่ที่สองจะไปสอบโอนิสรักษาหนา <Okay. S 2> าุ่มตามาไปใกล้มาค่ะวันอย่ที่ตัวเราถ้าเราขยานนันมันก็ได้ถ้าเราขานนี้เกีเยจก็ไม่ได้ <c oughs> ขยันดูหนังนนสือเยอะๆนะแล้ว <c oughs> ก็จะได้ถ้าขานนี้เกียจดูก็ไม่ได้อัตตาเหี้ยตโนนาโถน่าวานไว้ที่เหตุต้นนึกษานะ ลงตาดูหนังสือให้ไม่ได้นะหนูต้องดูเองนะยังเหลืออะไรอีกสองวันมีเวลาเยอะแยะเล่นดูซะยังทันอยู่นะอย่าดูทีวีอย่าเล่นเกมนะเอาเวลามันดูหนังสืออา้าวงงไปเลยนะบอกแค่นี้เราจะได้ยังไงถ้าเล่นเกมเล่นวิดีโอเล่นดูดูทีวีมันก็ตอบคําถามว่ไม่ได้นะี่ แล้วดูนังสือเอะนะนนเดี๋ยวก็ได้อดทน น, น้อ่เดี๋ยวพอสอบเสร็จแล้วค่อยไปเล่นก็ได้ตอนนี้ยังอตอนสอบนี้ต้ อ, องพยายามดูหนังสือก่อนผ่อนใจไหมผ่อนใจไห ม, มนะต้องเข้มแข็งต้องสู้กับกีเลส น, นะกีเลสอยากจะเล่นอยากจะดูทีวีอตอนนี้ดูไม่ได้ห้ามดูห้ามเล่น อันนี้ดูหนังสืออย่างเดียวอ่เดี๋ย ว, ว่าสอบผ่านแนละ้วสบายใแล้วทีนี้จะดูจะเล่นเท่าไหร่ก็่ไปเลนะนดเปีวให้กิหกกนนะหวนแลเนี่ยนาะน้งเปรียวื้อน้องเต่าเปี้ยวซื้อน้องเ่าหวานไมได้หมดเปี้วเราให้น้่ว ม, ม, มันส ด, ดนี่ยนะน้องเ่าอืม ประมาณเดือนมิถุนายนนี้ไปอเมริกาได้หรือยังคะได้ถ้ามีตัว๋วมีอะไรเขาว่าอนุญาตให้เข้าเมืองได้เขาไปได้ทนะั้งนั้นไม่ได้ไ <ป S 1> อยู่<ป>ที่เราหมายถึงว่าพาเ ด, ด็กๆไปเรียนปลอดภัยหรือยังคะไปเรียนอะไรนะเ ด, ด็กๆไปเรียนปลอดภัยหรือยังคะอ๋อปลอดภัยแล้วเดี๋ยวที่อเมริกาเขาฉีดวัคซีนกันหมดนะ <S <S> <S ไม่มีปัญหานะ โยมก็รอว่าถ้าลุงตาบอกไปได้โยมก็จะไปได้เลยไปเขียวผ่านตลอดคะและทีอือยเราฉีดวัคซีนให้กรบแล้วกันนะโยมโยมบ้านโยมฉีดแต่ิโนฟาร์มอเลยค่ะลุงตาฉีดที่อเมริการก็ต้องให้ฉีดไฟเซอร์มึงถึงจะเข้าได้ซิโนฟาก์มเขาไม่รับท่านท่านท่านดูดูทางสานดูก็ดูค่ะ แตอย่าโดนเค้นให้ด้ยูกาะ ไ, ไ, ไ, ได้มห้วงาบสองกองไว้ตั้งใจนะลูกไม่เล่นนะตั้งใจดูหนังสือล้วทุกคนนะจะได้สอบคะแนนได้คะแนนดีนะตอนนี้ก่อนหนาเด็กน ะ, ะหลตาอขอขอให้งตา ม, มีอายุยืนยาวเกินหนึ่งร้อยยี่สิบปีนะครับเกินก่อนนั้นไม่ได้ลน้อยี่สิบมันน้อยไปนะได้ค่ะอโอเคสาธุ จานนมรสการค่ะโอเคใช้อะไร่อบไหมเนการนับถาการนับถานาถ้าอาผิดจะขอไปเรียภาษาอังกฤษหน่อยนีได้ยินได้ได้ยินไหมคะัได้ยินแล้ะเชิญพูดเลยอยู่ที่ไหนใช่ค่ะอาจารย์อสัตหีบค่ะภาสัตหีบนีย่งใกล้ใกล้ เคยเข้ามาค่ะเคยค่ะ <implies S 2> แล้วก็เคยใส่แบบะอาจารย์ค่ะท <celui> ีอ่ illa, อยู่ตรงวานอำเภอนะคะมีใส่หน้ากากจหน้าจำไม่ได้เวลาใส่บานต้องใส่แมทค่ะค่ะมีอะไรไหมค่ะอยากยังกับอยา ก, กถามพระอาจารย์นะเจา้าคะคือคือฟังคนที่พูดอะไรหค น, หนามาแล้วมันก็มีมันก็เป็นความรู้ที่ที่คังมาด้วยนะคะ แต่ทีนี้ว่ามันก็มีเรื่องที่อยากจะถามว่าที่พระอารยบอกว่าถ้าเรายังทํางานเรายังทํางานที่แบบว่าแบบเยอะอย่างเงี้ยค่ะแบบจนทําให้เรามีเวลาปฏิบัติน้อยแบบเนี้ยตรงเนี้ยบางทีเราก็ต้องเหมือนแบ่งเวลาหรือว่าต้องทำงานให้น้อยลงตรงนั้นถูกใช่ไหมคะทําไมถึงว่าเอาเวลามาปฏิบัติให้มากขึ้นลดลดภารกิจทางด้านอื่นให้น้อยลงอันไหนไม่จําเป็นก็ตัด เป็ดูหนังดูละครอะไรนี่ก็ตัดมไัไปไปที่ท<ข>อะไ<ว>รก็ตัดมัไปค่ะเขาขึ้เป็นถามคือตอนเนี้ยคือโทษนะคะท่านคือตอนนี้หนูทํางานทํางานกรงศรีอ่ะค่ะอยู่กับคร<ม>อบครัวหลายๆครอบครัวในบ้านเดียวกัน<ม>แล้วหนูก็ทํางานที่เป็นอาชีพของหนูกับครอบครัวอีกเหมือนหนูทํางานสองอาชีพอะค่ะทีนี้เวลามันก็เหมือนกับ ว, ว่าเราใช้สมองใ น, ในการคิดเรื่องงานเยอะ แล่บางทีเวลาบางทีมาันปรามารา น, นั่งสมาธิปฏิบัตินะคะบางทีจิต ท, ท, ที่เ ร, <ม>เรานั่งสมาธินี่บางครั้งเราไปคิดเรื่องลงเรื่องงานอยู่ตอนนั่งสมาธิแบบเนี้ยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าเรามีความเครียดในเรื่องการทํางานที่ใช้ความคิดมากใช่ไหมคะตรงนี้ใช่การทํางานด้วยความคิดนี่มันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมอืมเนี่ทีนี้ผมถามว่าคือหนูคุยกับครอบควรัวว่า แล้วอย่างคืออยู่ในกองศีเนี่ยคือบางทีอยู่กับหลายครอบครัว ม, มันก็จะมีเหมือนเราอยู่กันมากมากนเยอะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเรื่องวุ่นวายนี่หลายๆอย่างและทีนี้หนูคุยกับครอบครัวว่าหนูอยากจะแยกตัวออกไปแล้วก็เพื่อประกอบหาสมาชิกถึงสอนหนังสือนะคะสอนพิเศษนี่ค่ะไปทำแบบกับครอบครัวเเดียวแล้วก็จะอยู่วลาในการปฏิบัติทำได้เยอะขึ้นเพราะว่าการที่อยู่ในบ้านรวมกมันเยอะอย่างเงี้ยค่ะกับ mm. คนสิบติบคนมันมันยากในการปฏิบัติตรงนี้มากเลยครับเพราะมันจะมีทั้งเสียงแล้วก็คนที่เข้ามา คืออยู่ก็หลายๆคนมันก็ต้อง ค, คุกคีอยู่ด้วยกันหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ค<ช>่ะตรงนี้สามารถทำได้ไหมคะได้ถ้าเขาถ้าเขายินยอมถ้าเขายอมยเห็นด้วยแล้วถ้าเขาอยากให้เราช่วยไปเรื่อยๆอะคะจะทำยคคังไงเจ้าคะตรงนี้ก็อยู่ที่เราเลยว่าเราจะช่วยหรือไม่ช่วยแวเ้าก็บอกเข้าไปแต่ตรงนี้คือถ้าเราไม่ได้ช่วยไม่บาปใช่ไหมเจ้าค่ะไม่บาปนะครับ แ, แต่ว่าเราอาจจะ สูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาไปค่ะขอสอบนะค่ะแล้วเราก็ต้องยอมถ้าเราต้องการสิ่งสิ่งที่เราต้องการมันต้องทําอย่างนี้เราก็ยอมเพราะพระพุทธเจ้ามาต้องยอมชะลาน่าจะสมบัติไปค่ะค่ะท่านเพาะงั้นถ้าอยู่ในวังท่านก็ปฏิบัติไม่ได้เหมือนกันค่ะใช่ นี้ขอถามต่อน่นะคะเห็นเด็กเนี่ยเจ้าค่ะขอโทษเจ้าค่ะทีนี้เดีวถามว่าก่อนจะเที่ยวจะนั่งสมาธิเนี่ยค่ะถ้าเรากรณีที่ถ้าเราเล่นอยู่ในห้องพระเนี่ยเราควรจะมีการกราบพระรับปะาไตแล้วก็มีการสมาธสิบห้าก่อนที่นั่งสมาธิหมเจ้าคะหรือว่าไม่จเป็นไม่จำเป็นอ๋อสามารถนั่งนทได้เลยได้เลยนัได้เลยอ๋อนั่งได้เลยทีนี้จะทำเม่อก่อนว่าิมีสติฝึกสติอเรื่อยๆุทโธอเรื่อย ค่ะทิ้ตงตอนกัางวันนะคะที่หนูมีเวลานะคะหนูก็จะถ้าห น, นูได้นะคะมันก็จะพูดโทพูดโทพุดโธแต่ถ้ามันถ้าเราใช้ความคิดในการทํางานบางครั้งมันก็ต้องต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องชิดนะคะก็อยู่ยไปก่อนหยุดพูดโทไปก่อนค่ะก็ต้องทํางานทีนี้เกี่เวลาที่เรามานั่งสมาธิเนี่ยหนูก็ยังพูดโทพูดโทรยังได้อยู่ใช่ไหมคะได้ได้อมันพูดโทไปตลอดได้ค่ะก็ทำนิดนึงอ่ะตอบข้าต่อไปเลยนะคะท่านเวลาเวลาที่เราไม่ไต้องใช้ความคิด ก็ใช้พุโทโธพุโทโธไว้เวลาหนูทางานเวลากลางวันที่หนูเดินยืนนั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่หนูนึกพุโทโธได้หนูก็จะนึกทีนี้ว่าแล้วท่านึกเนี่ยเราสามารถจับภาพพุทโธรูปด้วยได้ไหมคะตรงนี้หนูจะชอบทำแบบเนี้ยถ้าอยากทำก็ได้ไม่เป็นไรทำได้ไม่ทําก็ได้ทําก็ได้ข้อสำคัญอย่าให้เราไปคิดเรื่องต่างๆก็แล้วอือเจ้าค่ะนี่ทีนี้ขอคำถามต่อไปนะคะ ทีนี้หนูขอถามนิดนงถ้าถ้าญาติที่น้องของเรานี่คขถามนิดนึงว่าถ้าเขานำพระพุทธรูปเนี่ยค่ะหนูก็แก้มารกดพระพุทธรูปเลยแบบเนี้ยค่ะเพราะว้ในห้องนอนแล้วคือเขามีครอบครัวแล้วแบบนี้ค่ะแล้วพระอยู่ในห้องนอนแบบนี้แล้วเขาก็ไหว้ไหว้ถวายข้าวถวายเลยในห้องนอนเลยอย่างนี้ยเด็กตอนนี้อย่างนี้คือเป็นการทำอย่างนี้คือเหมือนจะเป็นการปรามาพระอาจารยตายได้เนี่ยเพราะว่าเขามีครอบครัวอยู่ด้วยกันแบบนี้ค่ะ ก็ไม่ถือว่าปามากหรอกเแต่ว่าไม่เหมาะสมนะเนี่ยเขาไม่รู้เาจะไม่รู้ความเหมาะสมว่พระนี่เป็นเหมือนผู้ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องกามอะไรตนะ <Okay. S 1> ่างการทำกรรมนรั่นก็ควรที่จะเป็นที่ปราศ จ, จากพระควรจะมีที่ตั้งพระไวท้ที่ที่ที่อื่นในห้องรับแขกที่ไหนก็ได้แ่น <Okay. S 1> จะดีกว่าแต่ถ้าตั้งไว้เป็นอะไรเพราะพระพระปูพระอิฐพระภูิถ้าไม่รู้เรื่องอยู่แล้ว อ่าเพาะแต่ดูกรณีที่ว่าถ้าถ้าเขาจะตั้งก็ให้เขาตั้งไปไม่เป็นไรใช่ไหมได้ไม่เป็นไรหรอกแต่เอมันอาจจะดูไม่สวยงามนะเด็ดอค่ะโอเค่ะงั้นจะไปตั้งประอยู่ตั้งพระอยู่ตอนในวงกินเหล้าอ่านีมน้มันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมคือคือคืออยู่ในห้องนอนค่ะ ม, มีพ้าไหลไหลายองค์เลยแล้วก็มีเทปเงี้ยแบบนี้แต่นะาาาก็อัจจะไม่ได้ไม่ได้ศึกษาความเหมาะสมค่ะ แต่ถ้าเราถ้าถ้าเขาไม่ถามเราเราไม่ต้องไปยุ่งของเขาปล่อยไปไม่ไม่เป็นไรไม่เสียหายมากมายเลยอ๋อันหนูนคิดว่าถ้าทำอย่างั้นแล้วจะจะไม่เขาบาปตรงที่เวลาเขาไ ม, ไม่บาปไม่บาปอ๋อไม่บาปใช่ไหมคะอ๋อนะคะ่ะทีนี้ขอถามนิดนึงคะ่ะที่บอกว่าจิตสุดท้ายเนี่ยค่ะขอถามนิดนึงคะ่ะอย่างสมมติถ้าเราทําบุญมาเราทําบุญมาอ아마สมบุรณเราอาจจะมากกว่าบาปหรือหรือว่าเท่ากันยังไงก็แล้วแต่นะคะแต่ทีนี้ถ้าจิตสุดท้ายของเราเกิดอีกนึกถึงกรรมที่เราทําขึ้นมาเนี่ย จิตมันดึงให้เราลงไปถางอบายอย่างนี้ได้ไหมจ๊กกะยากอะมันจะขึ้นอยู่กับยอดบุญของบุญกับบาสมากกว่าถ้าตามที่เราได้ยอดบุญมากกว่ายอดบาบุญมันก็จะมาเป็นตัวพาจิตไปอืมจิตมันก็จะดึงเราให้ไปคิดเรื่องดีที่ดีมากกว่าถูกไหมคะใช่เพราะมันมีกําลังมากกว่ามันมีกําลังมากกว่ามันก็จะคิดไปในทางที่ดี ถ้าบา้มีกำลังมากกว่ามันก็จะคิดไปในทางที่ไม่ดีถึงแม้ว่าตอนที่จิตสุดท้ายเราจะมีความเจ็บปวดในทางร่างกายมากก็ตามใช่ไม่ ไ, ไม่เป็นไรไ ม, ไม่สำคัญที่ ค, ค่ะก็ที่จะถามถามนิดนึงค่ะคำถามสุดท้ายค่ะคือเวลาที่ปบติกรรมบริกรรมภาวนาะพุทโธหรือเราจะดูลมก็ตามเนี่ยค่ะทีนี้ทีนี้าามันถามมันมีบางทีบางทีหนูพูดหนูนึพุทโธพุทโธพุทโธ แต่บางทีลมหายใจกับผูโทรของหนูมันไม่ได้บาลานซ์กันนี่เป็นเราเห็นไหมคะไม่เป็นไรหรอกทิ้งทิ้งลมไปก็ได้นะเอาผู้โทรอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องดูลมด้วยก็ได้อแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราทําแล้วเราตั้งตั้งใจมากจนเกินไปจนเราซึกว่าเราไปข่มประสาศสนในส่วนอย่างนี้คือเราต้องให้มันให้จิตสงบาาต้อง<ๆ>งดการอย่าไปอย่อยไปอย่าไปบางค้ามมันจนเกิดอาการเกร็งขึ้นมา ก็คือให้จิตมันเหมือนกับไม่มีร้ายคือให้อยู่ตรงกลางถูกไหมคะเบาๆทางสายการเจ้าค่ะก็ไม่ต้องถามก็จะถามตรงนี้เจ้าค่ะโอเคดีพยายามทําไปนะจะได้ว่ามีความสนใจมีความตั้งใจพยายามกําจัดของภาษาต่างๆไปให้หมดสนใจตั้งใจค่ะจริงๆแล้วอยาก จริงๆจริงก็อยากคิดอยากบวชแต่ว่ามีพ่อ แ, แม่ตัดสินใจไปอยู่คนเยอะใด้ก็ดีถ้าปิดออกไปได้ก็เป็นยอมตัดยอมสละสิทธิ์ในกงศรีไปไม่เอาอะไรไม่เอาหน้าบอลระดับไม่อะไรคือคือกงศีหนูไม่ได้คิดคิดตรงนั้นค่ะแต่แต่หนูมีความห่วงในพ่อแม่พี่น้องแต่ทีนี้ว่าหนูมีพ่อแม่ที่บางทีแล้วก็ต้องคิดก็ต้องดูแลเขาในตอนที่เขาเกศชราอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับกับลูกหนูที่อายุ14ซึ่งเขายังเด็กอย่างเงี้ยค่ะ ก็ถ้ามีคนนึ่อดูแลก็ไม่เป็นไรแล้วพี่น้องคนอื่นดูแก็ไเราไม่ต้องดูแลก็ไถ้าไม่มีใครดูแลแล้วเราค่เข้าไปดูแลก็ไนะ อ, อ๋อคือคื อ, คอยังไม่มีค่ะหนูก็ต้องตอนนี้หนูก็พยายามที่จะนาลูกไปทางทำด้วยค่ะออไม่ต้องไปไม่ไปทางเดียวกันค่ะออลูกคหนึค่ะ <c oughs> ค่ะโอเคนะท่ <c oughs> าีก่อนนะค่ะค่ะทกค่ะโซค้าคม่ชีกาแซี่คุชแม่ชีลส่ไม แล้วค่ะอ่าพูดดังๆเลยกลับนมัสการเจ้าค่ะอ่าไมวันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะอ่าอยู่วันทีเทวนะได้เจ้าค่ะโอเคสี่ปีแล้วเจ้าค่ะงั้นเดี๋ยวไปที่คุณทรินทอนต่อเลยะจาก USA แมร์เมลันนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมไม่มีคําถามค่ะวันนี้เข้ามากลับพระอาจารย์เจ้าค่ะนี้ทํางานที่บ้านเหมือนเดิมอ่ะ งานที่บ้านค่ะพระอาจารย์ก็ยังสู้กันระหว่างสติกับความคิดอยู่ะคะ่คะเขาได้มกลับไปทํางานที่บริษัทไม่ยังไม่ยังจริงจริงแล้วยมกลับไปแล้วพักนึงแล้วก็กลับมาใหม่กลับมาทํางานที่บ้านใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วค่ะค่ะพระอาจารย์เราเรียกว่าเขบังคับเราให้ทับที่บ้านเข่าเขาแนะ น, น, ะนําให้เราทับก่อนคะ่ะแต่ก็คงอีกไม่นานนะคะพระอาจารย์อีกไม่นานก็คงต้องกลับไปอ่ะะคค่ะ พี่เห็นโนจีบเข้ามาแต่หายไปแล้วนีไปทำงาน่ง่านค่ะอเคีวนการรักษาถูกค่ะคุณปรางเมไร่มเอาลไปปล้ครับพูดแล้วเรอาลไปเทัศเสถเวลาทัศเสอ่ที่ไหนเอ่ยมวลทัศสถอยู่กรุงเทพครับผูจารกับนัตการครับมีอะไรนะครับ จะขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอาการที่เกิดจากการนั่งสมาธินะครับ<ม>ครับคือนั่งนังสมาธิแล้วก็ดูลมหายใจนะครับแล้วก็ออพอนั่งไปสักระยะหนึ่งเนี่ยจะเกิดอาการปวดพอปวดปุ๊บก็จะเหมือนกับจะเร่งลมหายใจให้หนักขึ้นหนักขึ้นนะครับแล้วก็หายใจลึกขึ้นยาวขึ้นจนถึงจุดหนึ่งจะมีความรู้สึกเหมือนกับลมมันหยุดไปแล้วก็ เ, เหมือนกับ ออผิวหนังผิวหนังมันมันเหมือนกับมีมีลมอยู่อ่ะครับแล้วก็จิตก็จะนิ่งสักระยะหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็จะถอนจิตขึ้นมาเหมือนกันจะค่อยๆกลับมามีความรู้สึกเหมือนเดิมเป็นแบบนี้ซ้ําๆกันนะครับเลยไม่แน่ใจว่าที่ปฏิบัติมานี้ถูกต้องหรือไม่ครับถ้าไป บ, าบังคับลมนีที่ว่าจะไม่ถูกนะควรจะดูเฉยๆไม่ทำอะไรบังคับให้มันหายใจเรื่องเนื้อหายใจนั่นนี่อะไร อืครัให้ดูไปเฉยๆแล้วก็ไม่ต้อไปสนใจกับอาการเจ็บปวดของร่างกายความยมันไปอย่าไปสนใจให้เกาะติดอยู่การดูรูปในอย่างเดียวอื้วจ<ต>ิตจึงจะเดียรวมข้อสุขภาพทั้งหมครั บ, ลรบแล้วก็พอหลังหลังจากที่เกิดอาการตรงนั้นมาก็คิดว่าเออ่ถ้าเราลองอย่างอย่างที่ ท, าท่านอาจารย์แนะนํานะครับว่าเอ ไม่ไม่ไปจับที่ที่ลมให้มันมันลึกๆึกก็คือให้มันไปไปตามธรรมชาติอแล้วก็รู้สึกว่าความความเจ็บปวดตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มทุเลาลงมือนกรู้สึกว่าเจ็บแต่ว่ามันมันทนทนได้มันมอยู่กั้มันอยู่ได้ใช่ครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยมันพอออกจากสมาธิมาแล้วช่วงสามสี่วันนี้ครับจะมีอาการเหมือนกับเอจิตใจเราหดหู่เหมือนกับเอ ไม่ใช่หูทูนะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับสงสารคนที่อยู่รอบข้างเ อ, อเห็นใจคนที่อยู่รอบข้างเป็นเป็นอย่างนี้อยู่สองสามสี่วันแล้วนะครับก็เลยไม่ได้จะเป็นอาการของของของาทางนี้ด้วยหรือเปล่าครับหรือว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันก็เราอาจจะเห็นว่าเขาทุกข์แล้วก็เลยเกิดความสงสารเขาขึ้นมาเห็นเขาที่เขาไม่รู้จักวิธีอดับความทุกข์ เขาไม่รู้จักวิธีปฏิบัติธรรมเลยเขาก็อาจจะเกิด<อ>ความรู้สึกสงสารเขาขึ้นมาอก็เป็นเรื่องธรรมดาก็กำลังบอกว่าเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่สนใจอืมครับผมครับผมก็รบกวนเท่านี้แหละครับหมดคำถามแล้วครับรบกวนเวลาดึกมากแล้วครับอย่าไปทุกข์กับความทุกข์ของคนอื่นนะเพราะเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่ช่วยตัวเองถ้าเขาไม่สนใจที่จะแก้ เราก็ช่วยเขาไม่ได้อืเรนช่วยได้ก็เพียงแต่บอกวิธีทํานึ่ที่เราทําอยู่ถ้าเขาสนใจถ้าเขาไม่สนใจก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ครับแล้วรับผลอิทธิเดียวอาจารย์ครับแล้วอาการของจิตที่เป็นให้เป็นเป็นสมาธิเนี่ยอาการจะคือมันเบามันมันว่างมันเย็นมันสงบมันไม่คิดตรแต่มันจะอยู่ในเล่ามันอยู่ในอวกาศ ครับนะ้องทำ ด, ดูดูดูมันเรื่อยๆไม่ต้องทำอะไรนะดูเฉยๆครับเมื่อเกิดเกิดมีเวทนาขึ้นมาก็ให้ดูไปอย่างนั้นใช่ไหมครับด่ดูไปถ้าทนถ้าดูดูแล้วทนไม่ไหวจะไปขยัต้องเราใช้ท่องพุโทโธแทนอ๋อครับให้ อ, อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปแทนก็ได้ครับ แต่ถ้าดูลงได้ก็ดูลงไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจกับอาการเจ็บป่วยร่า ง, งกายเดี๋ยวการเจ็บจปวดก็จะเบาลงแล้วก็ไม่เป็นปนัญหากับใจก็ <คน S 2> ได้ครับหมดปัญทารลนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับคนดีน่เชิญดี่อยู่ที่ไหนค่ะตามน้ำส ก, กัรท่านอาจารย์ค่ะ ดึกนะคะอาจารย์ก็หนูอยู่ศิลชาอยู่ติดกับบ้านน้องปังบาลายานะค่ะแต่วันนี้ยังอยู่ที่ฮอสพิทอลในกรุงเทพนะคะว่ายารรักษาตัวอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะก็อยากจะมากขอบพระคุณก่อนเข้าห้องผ่าตัดบีพีสูงมากค่ะแล้วก็ท่องพุทโธอย่างที่อาจารย์แนะนำก็ดรอปลงมาได้เลยแล้วก็เข้าผ่าตัดได้นะคะ ก็ผ่านไปเรียบร้อยดีค่ะค่ะก็ดูแลร่างกายระวังใจแทนแยกเราออกจากร่างกายว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายนะเป็นเหมือนแม่เมืนเป็นเหมือนหมอเป็นเหมือนพยาบาลดูแลร่างกายออกไปค่ะไม่าช่แล้วมันก็ต้องสิบัติไม่ว่าเลยเป็นร่างกายของใครในส่วนมันก็ต้องจบมงอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะค่ะหนูก็นิ่งขึ้นมากค่ะช่างดา กับขอบพระคุณนะคะพยายามทับใจนิ่งไปเรื่อยๆนีไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นการักษาใจอย่างเดียวนะใจรักษาได้อย่างไรรักษาไม่ได้นะค่ะหนูเข้าใจค่ะกับขอบพระคุณครับสาวทุกค่ะสาเธอคุณเกตเชิญคุณเกตมันมันเด็ดนะคุณเกตมันเด็ดมีที่ไหนการธรรมสการพระอาจารย์ครับเออยู่กรุงเทพครับอมีคําถามไหมก็ ได้ฟังจริงๆฟังอพระอาจารย์ตอนช่วงบ่ายด้วยแล้วก็ช่วงช่วงคืนด้วยถ้ามีเวลานะครับพอดีวันนี้ลูกนอนแล้วก็เลยขอกลับมากราบนมัสการอาจารย์แล้วก็ถามอาจารย์ด้วยครับว่าเ อ, อคือนอกจากต้นปีครับก็ก็มานั่งตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิให้ได้วันละครึ่งชั่วโมงเนี้ยครับทีนี้บางวันก็จะเป็นเหมือนที่อาจารย์บอกท่านที่แล้วครับคือบางทีมันก็รู้สึกเบาๆมันก็สบายใช่ไหมครับ แต่บางวันมันก็รู้สึกฟุ้งที่ก็คิดบางทีเรื่องอะไรเก่าๆที่จําไม่ได้แล้วมันปวดขึ้นมาว่างเงี้ยครับบางทีเราเสียแล้วสติเราน้อยมันก็เลยปล่อยให้คิดถ้ามีสติมันก็คิดน้อยครับแล้วก็มันเป็นบางครั้งเหมือนกันที่แบบพอพูดเราก็จะพูดโทรใช่ไหมบางทีมันก็เหมือนเราไหลเข้าไปกับลมหายใจแล้วมันบางทีมันอึดอัดครับก็ไม่ต้องไม่ต้องผูวไว้กับไม่ต้องผูวไม่คารองก็นด้ครับพูดโทอย่างเดียวก็ได้ นึกติดคำได้ใช่ไหมครับใช่นึกติดคำวุฒยวุฒิเช้าเร็วตาตบเข้าได้บ้างอืมครับแล้วก็เดี๋ยวขอคําถามอีกคาถามหนึ่งแล้วถ้าเกิดการเปิดคลิปเสียงของพระอาจารย์แบบหรือฟังพระไปด้วยแล้วก็ทําสมาธิไปด้วยกับการแบบไม่ฟังอะไรเลยอย่าเงี้ยครับอะไรจะทําให้สงบมากกว่ากันครับอาจารย์ก็แล้วแต่ว่าถ้าเรานั่งโดยที่ไม่ฟังได้มันก็จะสงบกว่าแต่ถ้าเรายัง อาศัยการฟังเพื่อทําใจให้เราสงบก็ฟังได้แต่มันจะไม่สงบลึกเท่ากับการที่เราไม่ฟังก็ขึ้อยู่ครับถ้าเราตอนต้นเราฝึกเราไม่สามารถนั่งดูลมได้แล้วก็อาศัยการฟังทําไปก่อนก็ได้แล้วพอใจเริ่มสงบแล้วเราก็ปิดเสียงทำแล้วก็ดูลงต่อไป อคําถามสุดท้ายครับถ้าเกิดเราฝึกไปเรื่อยๆแล้วเราจําเป็นต้องไปหาอาจารย์เพื่อจะฝึกต่อไหมครับก็เ น, นี่ยก็มาอย่างเงี้ยถ้าเราในคาถามได้ล้วก็ถามได้มาเราปฏิบัติมาทังท่านนี้แล้วควรจะทํทำอะไรต่อไม่ต้องไปไม่ต้องไปหยุ่กับอาจารย์ก็ได้ทั้งไปนี่สามารถติดต่อผ่านทางทําเนี่ยทางสื่อสารได้อาจจะไปก็ได้ไปอยู่กับท่านก็ได้ เขเคยใช้วิธีเหมือนที่ที่เขาเรียกว่าดูจิตครับแต่ว่าสมาธิเราไม่มีมันก็เลยแบบดูไม่ได้แล้วดูไป <c oughs> ทำอะไรไม่ได้การดูจิตก็ดูกิเลสขค่นั้นเหมืนไม่มีแรงไปสู้มันจริงจริงรใช่ไม่ต้องฝึกสมาธิให้มีโเวคับมันถ้าเวลาดูก็จะอยู่กิเลสได้ครับเพราะว่ารู้สึกว่าพอมีรู้สึกว่าตั้งแต่ฝึกต้องฝึกมาตั้งแต่ต้นปีรู้สึกว่ามันก็ ม, นกมันวัยขึ้นครับรู้สึกว่า ปึ๊บเฮ้ยเรากำลังทำไม่ค่อยดีแล้วเราเริ่เราหยุดเริ่มหยุดทันเร็วกว่าเดิมจับเรามารับโอเคสาธุนะคุณปุ้ยควาสีคุณไม่พูดไม่พูดนะจะได้ไปที่คุณดาก่อนนะคุณดาเป็นลูกมีมีคำถามเชญมีทั้งหมดเก้าคำถามเจ้าค่ะคำถามแรกจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ต่จริงผมหลักออกบวชครับเพราะเคยบวชตอนอายุ21เเกือบสองพันษาจิตผมสงบมากไม่มีเรื่องราวทางโลกมาวุ่นวายปฏิบัติกิจสงสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาทุกวันรู้สึกกิเลสมันน้อยกว่าช่วงที่ไม่บวชเยอะเลยครับแต่มีเพื่อนบอกว่าผมมีจิตใจไม่ใช่ชายแท้ยังมีจิตใจชอบผู้ชายอยู่พระพุทธเจ้าบัญญัติไม่ให้บวช เขากลัวจิตผมจะไปไม่ไหวเพราะคนที่บวชทางกายตามที่เห็นสร้างบาปสร้างกรรมเพิ่มก็มีเยอะไม่บรรลุก็มีมากมายเพื่อนแนะนําให้ผมบวชใจแทนให้รักษาศีลมีสมาธิให้แน่นคารวะบรรลุมีมากมายไม่จําเป็นต้องบวชกายผมเลยลังเลว่าจะบวช ด, ดีไหมครับก็ได้ทั้งสองอย่างบวชมันดีก็ไม่บวช ว่เาเวลาบวชน่ะมันจะไดไ้เวลาปฏิบัติได้มากกว่าการไม่ได้บวชถ้าไม่ได้หดก็ต้องทํามากินทํางานทําการมันก็จะปฏิบัติได้น้อยกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราชอบผู้หญิงชอบผู้ชายเพาะคนที่บวชกันเขาก็มีชอบผูหญิงชอบผู้ชายนะตามแม่ชีหรือชอบผู้หญิงมีชอบผู้ชายนะพระทุกโลกที่เขาบวชเขาก็มีชอบผู้หญิ ง, เ, เ, หญงเหมือนกันนะล้วนไม่เป็นปัญหาอะไรห ถ้าเราไม่ไปสแสดงการการเลอกเพศออกมาก็าไม่มีปัญหากับใครที่เขาไม่ให้บวชคพรากัวเดี๋ยวไปยุ่งกับพระด้วยกันถ้าชอบผู้ชายก็ไปบวชด้วยกันอาจจะทำให้ไปไปทาอะไรที่ไม่ถูกต้องกับพระวิญนาณนี่เขาต้่งกันไปก่อน ตาต่อไปจากคุณมานาถมีทั้งหมด5คําถามซึ่งสี่คำถามแรกคุณมนัถถามไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นอาการต่างๆซึ่งพระอาจารย์ตอบว่าเป็นอาการที่เกิดจากการที่จิตบงแต่งไม่ให้ไปสนใจก็ให้กลับมาพุดโธดังนั้นขออนุญาตอ่านเฉพาะคําถามใหม่ที่ขึ้นมาวันนี้คือตอนที่ผมบวชวันหนึ่งผมเดินไปบินธบนะน์กําลังเดินอยู่นั้นผมมองเห็นตัวเองไม่มีเนื้อหนังบางสาเลยครับ เห็นแต่กระดูกเส้นเลือดเส้นเอ็นเต็มไปหมดตอนนั้นอยากจะวางบาทแล้วทําสมาธิมากเหลือเกินแต่ทําไม่ได้รบกวนถามพระอาจารย์ด้วยครับรบไม่ควรทํราแล้วกำลังทำํำอยู่แล้วก็ทําต่อไ ป, น, ปนกำลังเป็นต่อกำลังทําะไรก็ทําต่อไปไม่เวลาว่างก็ค่อยมาทําสมาธิได้คำถามต่อไปจากคุณเดือนฉายนรมาสการเจ้าคะ่ะ ถ้าเราคิดในใจว่าวันนี้เราจะรักษาศีลแปดโดยที่ได้โดยที่ไม่ได้ไปรับศีลที่วัดได้ไหมเจ้าคะใช่ไม่ต้องไปรับหรอกว่าศีลเพียงแต่บอกเราให้รู้ว่าต้องรักษาอะไรบ้างเทัานีน้ไม่ได้ไปรับศีลจากพระหรอกศีลกายศีลมันให้กันไม่ได้คะแนนนะที่ไปนั้นไปศึกษาว่าศีลดีอะไรบ้างเท่านีน้ถ้าเรารู้แล้วเราไม่ต้องไปศึกษาซ้ําๆศีลแปดข้อเราก็รู้อยู่ในใจกันแล้ว ัรกษาไปเลยคำถามต่อไปจากคุณสมาลีช่วงนี้นั่งสมาธิแล้วจิตตื่นตลอดเวลาไม่ได้นอนสองคืนแล้วแก้ไขอย่างไรดีคะตอนนี้ก็ยังตื่นอยู่คะ่ะมันมันตื่นอยู่ก็นั่งสมาธิไปเรื่อยๆเดินๆจงกรมไปเรื่อยๆไม่ต้องนอนอย่างมันเมื่อยมันอยากจะนอนมันก็มันไม่รับ ถ้ามันไม่มันมันแต่ไม่ยอมนอนแล้วก็ลุกขึ้นมาโยนจะปงแลง้วลุกขึ้นมานั่งสมาธิีไปเแต่ถ้าบ้างเนึ่งมันก็จะง่วเองถ้ามันไม่มั่วก็ไม่ต้องนอนคำถามต่อไปจากคุณพรทิพย์อย่างไรให้ปิดอินรีห้าได้คะทำอะไรใช้อะไร น, นะให้ปิดอินซีห้าค่ะคอินซีห้าคือตาหูจมกลิ้งกาย ก็เป็นโดยการที่เราไม่ไปมองรูปไม่เกิดคว่งเสียไปไปอยู่ตาป่าตาเขาเนี้มันเป็นวิธีเป็นเสียหนะรือคุยค้าด้วยอยู่ในห้องก็ได้อยู่ในห้องคนเดียวนี้แล้วก็อย่าไปปิดทีวีอย่าไปกอดวิธีควาคุณถามต่อไปจากคุณเด e ร์บอเวอร์ซอลยูนิานัสการครับขอโอกาสกราบเรียนถามพระอาจารย์กรุณาแนะนำเพิ่มเติมธรรมะ ในข้อหลักการสอนและการแพร่ธรรมที่เหมาะสมได้อเนกสง์เป็นที่ตามแบบอย่างของพระพุทธองค์กราบขอพระบุญญาณเราก็ต้องมารู้ทำก่อนถึงจะไปสอนผู้คนได้ทนแล้วเป็นบ้านผู้เป็นตระอาหารก่อนเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต้องตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนถึงจะเริ่มไปเผยแพร่ธรรมถ้ายังไม่รู้ก็เหมือนกับคนที่เรียนหนังสือไม่จบแล้วก็ไปสอนคนอื่นสอนไม่ได้หรือ เราตัวยย่างสอนตัวเไม่ได้เราไาสอนคนหนึ่งได้ยังไงคาถามต่อไปจากคุณมอนขอกราบนมัสการพระอาจารย์มีคําถามเกี่ยวกับการนั่งสมาธิตอนนี้พอเริ่มนั่งหายใจเข้าไม่กี่ทีก็เริ่มสงบนิ่งได้เลยสังเกตว่าใจมันนิ่งกว้างๆเฉยๆเราควรปฏิบัติเช่นไรต่อหรือนั่งด้วยอาการเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ขอร <ไป S 1> ักวรถามนั่งไปเรื่อยๆนั่งให้ทานที่สุดท่าที่นัน่งได้ให้มันมากให้มันสงบเป็นนานคำถามต่อไปจากคุณอรณนิชากราบนมัสการเจ้าค่ะหนูขออนุญาตรเรียนถามเจ้าค่ะเวลาหนูทําบุญหรือให้ทานหนูสามารถอุทิศบุญให้แก่บุคคลที่ล่วงลับไปแล้วได้ไหมเจ้าค่ะแล้วท่านเหล่านั้นจะได้รับบุญนี้หรือไม่เจ้าค่ะอุทิศได้แต่เขาจะรับหรือไม่รับอยู่ที่เขาว่าเขาอยู่ที่ไหน ถ้าก็อยู่สวรรค์เขาเป็นแท่งเก็ไม่มารับแต่ถ้าเขาอยู่อบายเป็นเปรเขาก็จะมารับได้คาถามสุดท้ายจากคุณพันนาพรปราเยนถามประจารย์ค่ะว่าเวลาหนูนั่งแล้วหูดับกับหลับถ้าหลับมันจะโงกหน้าโงกหลังแต่นี่ไม่โงกค่ะมันดับสนิทไปเลยนี่ไม่ทราบว่ามันขาดสติหรือเปล่าค่ะหนูตื่นแานั่งตอนตีสามค่ะ ต้องรู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวก็ไม่หลับถ้าไม่รู้สึกตัวก็หลับถ้ารู้ว่าเราวันนี้เราคุยกันอยู่ตอนเนี้ยถ้าเรารู้ว่าเราได้ยินเสียงเราได้ฟังเะไรแล้วไม่หลับถ้าเราหลับเราคงจะไม่รู้ว่าเรามาพูดคุยกันอะไรหลับแล้วไม่หลับที่ตัวรู้ตัวสติว่ารู้อยู่หรือเปลถ้ารู้อยู่ก็ไม่หลับถ้าไม่รู้อะไรเลยก็หลับเอาแล้วนะวันนี้หมดคำถามบมดเวลาพอดี เกือบสามชั่มงขึ้นก็ยินดีที่พวกท่านสาวอดทนนั่งฟังกันมาจนได้ตลอดหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์มา้างไม่มากกน้อยการปฏิบัติทำการศึกษาทำไม่ต้องอาศัยความเพียรความพยายามแต่ท้อแท้นะดูพวกทุกครั้งที่เราท้อแท้นึ้ถึงความเพียรของพระพุทธเจ้าอดข้าวแล้วสี่สิบเก้าวันต้องดูดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างแล้วมันจะทําให้เรามีกำลังใจ เราเองแต่เมื่อ น, นีนนิดๆหน่อยๆก็อยากนบเลิกนะต้อใช้ความอดทนใช้ความขยันหมั่นเพียรมาพยายามยีดหนความจาเร็จอยู่ที่นั่นอดทนจากกอาทุกข์ได้ด้วยกัด้วยการัดความเพียรแล้วนะสำหรับเกิดนี้ก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติเรื่องความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งขึ้นไปเธอ